มาสัการครับหลวงพ่อครับอาจารย์ควานท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่าธรรมทุกท่านมาสการเจ้าค่ะวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อตอบคําถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมท่านถ้าได้มีความสงสัยไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติทานฉิงภาวนาก็สามารถถามได้ในคืนนี้ในตอนนี้ คําถามเรื่องอื่นเรื่องโลกนี้ขอขอยกเวน้นเอาแต่เรื่องปฏิบัตินะเรื่องธรรมนะเนี่ยมัน <c oughs> ก็เป็นเรื่องของทางโลกก็ปล่อยให้เขาเป็นไปนทางโลกไม่วิภาควิจาร์เรื่องของทางโลกการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของทางโลกเขาเป็นยังไงไม่ได้มาทําให้เราหมดทุกข์ อยากการที่เราไปวุ่นวายไปอะไรกับเรื่องของธรรมโลกให้รั่วโลกเป็นตายรักเขาพอนี่นะมีจังทุกข์ทามโนา ต, ตาให้เรามาดูเรื่องของเราวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดซึ่งไปจะดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนี้มันเป็นไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเรา วันนี้ท่านแรกก็คือคุณว่าเล่อเชิญว่าเล่นห ล, ลักไว้ก่อนแนละ้วถามคำถามทัม้งโลกหลวงพ่อเจโตรู้หมดแล้วครับก็ <g ül> ถ้าหลวงพ่อไม่พูดมีแน่นอนครับงั้นอเอาเอรื่องปฏิบัติเลยแล้วกันครับหลวงพ่อเวลาบางอย่างที่ผมตั้งใจจะช่วยคนอื่นแต่มันเกิดผิดพลาดทําให้เขาเกิดเขาเ ส, เสียหายแทนแล้วเราก็เสียใจที่ว่าเราตตั้งใจดีแต่ดันไปทําให้เขา อะไรอ่ะผิดพลาดโดยที่เขาไม่ต้องการอย่างนี้แล้วเราก็เสียใจตรงนั้นเราคนใช้ความคิดยังไงในการแก้อารมณ์ตรงนี้ของตรงพ่ อ, อเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าทําอะไรต้องคิดให้ดีก่อนใช้สติใช้ปัญญาครับว่าทําไปแล้วทํา ม, มันเสียหายก็ซื้อไม่ทำอีกมาครับ็เปนถือทําไปแล้วมันเสียหายมันขาดทุนทาไม่ทํามันยังไม่ขาดทุน มันก็ผ่านไปแล้วก็เอามาเป็นบลเรียนสอนใจเราว่าเราจะทำอะไรค่อนที่จะยับยั้งช่างตัววางแผนให้ดีก่อนทำไปแล้วจะได้ไม่เสียหายจะได้เกิดประโยชน์ความกล้าหาญในทางพุทธศาสนาหมายถึงอะไรครับหลวงพ่อก็หาที่จะปฏบิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ค่อาอหารที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเก็ยบยไว้เพียงเท่าที่จาเป็นค่าาหารที่จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยค่าอหารที่จะไปภาวนาในที่ที่เสี่ยงต่อชีวิตจิตใจคือความกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่กล้าหาญไปกับคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เราไม่ต้องการความกล้าหาญแบบนั้น ด้านการความกล้าหาญที่เราจะเข้าเข้าหาเข้าต่อสู้กับกิเลสตัณหาด้วยธรรมะของอตจ้านนแล้วนะมีอะไรไหมนหนก็ผมก็สังเกตตัวเองตอนเด็กพอโตมาขึ้นมาพ่อแม่ก็ยังอยู่ครบแต่ความทุกข์มันมากในชีตมากขึ้นก็เลยสังเกตว่าอ๋อความทุกข์มันคือเกิดจากความอยากของเราก็เลยต้องน้อมนาคาสอนมาปฏิบัติ ถึงแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีรอบกดหลงอยู่แต่มันก็ไม่กระทบเท่ากับในอดีต ท, ที่ผ่านมาก็เลยพอมันเริ่มออกดอกออกผลมันก็มีความสุขที่ได้มาปฏิบัติมากขึ้นครับหลวงพ่อแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวผมจะไปปลีกวิเวกสองอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์หน้านี้ครับอ่าดีสาธุสาธุไปฆ่ากิเลนะอย่าไปให้กิเลนมันค่าาครับก็กราบสำนึกพระคุณหลวงพ่อเสมอมาตั้งแต่ผมเด็กๆครับหลวงพ่อ ให้หลวงพ่ออยู่เป็นโลหะโลกไทยของลูกหลานานานเขาถึงจบถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่จะไปกราบหลวงพ่อครับน่าจะว่ากันท่านต่อไปนมัสการพระ อ, อาจารย์สุชาติพิชาร์ตัวไทยเลยเดี๋ยมาเดียว อ, อยู่สงังขารใช่ไหมคนนี้หมายถ้าเปิดไม มายัางไงเงียบนะมาเดี๋ยวพ่ะอาจารย์ายินไหมเจ้าคะ่ะยินแล้วพรอาจารย์วันนี้อันที่อยู่บ้านผู้ําได้ไหมพระอาจารย์สงขาใช่ไหมใช่จ้ค่ ะ, ะพรอาจารย์วันนี้พวันนี้มีบูดด้วยบยูจะมาพูดกับพ่ะอาจารย์ด้วยหาว่าเลยครับนมัตการครับพอาจารย์ครับเออว่า ย, ยัางไงสบายดีนะก็สบายดีไม่หมดครับอืมอมีมไม่หมด มีคำถามอะไระไหมคำถาอะไรไหมครับคําถามคําถามคืออ่าที่พระพุทธเจ้าว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรครับก็พึ่งทุกอย่างที่เราทํำเองได้อย่าไปพึ่งคนอื่นทาอะไร ไ, ได้ทําเองอย่าไปวังพึ่งคนอื่นเพราบางทีอาจจะผิดหวังเพราะคนอื่นเ ข, ขาก็อาจจะอยู่เขาอาจจะไม่อยู่ก็ได้ ครับครับเออเรื่องอะได้นนอ่าเรื่องอื่นก็คือาการปฏิบัติธรรมนในชีวิตของเราอ่าที่พึ่งงานสูงสุดก็คืออะไรอครับก็พระพุพทธพระธรรมพระสองฆ์ท่านเป็นที่พึ่งคือเป็นผู้สอนเราให้เราทําอะไรที่ให้ถูกต้องเป็นครูนอาจารย์เราต้องเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้ครับนามาราช ก, การอาจารย์แบบช่วยแนะนําแบบเรื่องการปฏิบัติทําให้คุณบู่กัได้ไหมก็นี่แหละแนะนําไปแล้วเนี่ยจะอะไรก่ะว่าเรื่องการนั่งสมาธิอะไรแบบควรนั่งแบบไหนอ๋อนั่งนั่งแล้วก็เท่ า, าพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปคิดอะไรนะอันนี้แหละหง่ายๆครับครับ หนูมีอะไรไ้มหนูมีอะไรไหมพระอาจานย<น>์แล้วก็วันนี้หนูนั่งสมาธิด้วยหายหน้าไปไหนมาขั้งนานเนี่ยใช่เจ้าคะหนูหายหน้าไปไหนมาขั้งนานก็อยู่แบบทั่วไปนี่แหละเจ้าคะพะอาจารย์แล้วก็วันนี้ยนั่งสมาธิด้วยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบางเทียนนั่งแล้วก็แบบมืนกับ พอแบบบวชไหมแล้วก็แบบเลิกเลยใช่ปะเพอย่าเพิ่งเลิกเถอะนั่งต่อไปให้มันสงบก่อนแบบบางทีนั่งข้ายังไม่ทานสุกก็ไปไปปิดไฟแล้วมันก็ข้าวมันก็ไม่สุกทัดทิ้งแบบบางทีใช่ปะแล้วก็แบบมันแบบมันกับบางทีนแล้วก็แบบแบบนั่งไม่ได้สักพักแล้วแล้วก็จิตมันก็แบบเริ่มสงบแล้วแล้วก็มันกับว่ามันก็ไม่ถึงกับแบบสุบแบบที่สุดแต่ว่ามันก็แบบ มันก็มันก็บุ่นวายน้อยๆยกว่าเดิมแล้วก็พอนั่งไแล้วก็มันก็บวดแบบมันไมรู้สึกบวดนั้นแล้วก็ก็เลิกเลยพูดพูดโทรต่อไปอย่าเพิ่งหยุดพยายามพูดโทรไปเรื่อยๆต่อไปถ้ า, ถาอาจาย<ป>์เล้าเวลาปวดนี่เราต้องกําหนดอะไรนึกมเปไม่ต้องเอาพูดโทรนี่แหละกำหนดพูดโทรอย่างเดียวต้องพูดโทรพูดโทรพูดโทรต่อไปแบบถ้าอาจารย์แบบมันกลว่าท่องพูดโธไปตลอดแบบมันก็ไม่ต้องนึกอะไร อไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องไปสนใจกับอาการปวดฝ่ายมันปวดไปแล้วก็พูดโธของเราไปภาพวาดอาจารย์แล้วก็ถ้าเราแบบมันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธินั่งเหน่แบบตอนค่ําจนถึงตอนเช้าได้ได้มั น, นั่งได้ก็ดีเซ <c oughs> แต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมเออน้องนั่งเฉๆต้องพูดโธพูดโทอย่างเดียวถ้าพวาด <c oughs> แล้วเวลาแบบมีภาพนิมิตอะไรนั้นเราควรทายังไงก็พูดโธ้อย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจ อ๋อเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะตอนนี้นะหมดแล้วใช่ไมเจ้าค่ะโอเคไปที่ทัานต่อไปอาจารย์พงพิไลสวัสดีเป็นยังไงพระอาจารย์ค่ะสบายดีค่ะเป็นนัูนอยู่ป่ะอยู่ค่ะครับสวัสดีพระอาจารย์ครับสบายดีนะค่ะครับอาจารย์สบายดีนะคะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีเข้ามารับสั่งค่ะ ดีไม่มีสแสดงว่าว่ามีปัญญานะเรพยายามใช้ปัญญา อ, อยู่ญญวินาทีค่ ะ, ะคิดเองอได้คิดเองดีกว่าอยู่กับคนข้างๆต้องใช้ปัญญาเยอะค่ะดีเทะะ่าะหร่อย่าอใช้กิดเลสใช้ใช้กิเลสเดี๋ยวอยู่ด้วยกันน ะ, ะใช้ปัญญาเยอะ ค่ะโอเคนะค่ะพระอาจารย์ค่ะแบบคุณนันทพัฒเจริญต่อนันทพัฒอนุโมทนาบุญนะที่ทําบุญมาสาธุเจ้จาค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามเาจ้จาค่ะเพียงแต่ต้องเพียนมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้รา้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เราขาดก็คือความเพียงใช่เจ้าเพียงเพื่อสร้างสติเบื้องต้นเพื่อจะได้ไปสร้างสมาธิต่อ แล้วเข้าไปสร้างปัญญาตามลําดับต่อไปคือลูกลูกคิดแค่ว่าต้องเจริญสติให้มากที่สุดแค่นี้พอก่อนเนาะเจ้าคะเออเอาเอาสติให้ได้ก่อนเหมือนถ<ห>้าเขาไขเขาไขให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไปไม่รอดก็ไม่ดอดค่ะ อ, อาจารย์จ้ะใจเย็นยๆให้มีสติก้อยเพิ่มุมใจตลอดวันให้ได้ก่อนอแล้วเวลานั่งจะ น, นั่งได้สมบได้ง่ายได้เร็วได้นาน ถ้าถ้าเราเมุ่ง้ไปที่เจริญสติระหว่างวันเวลาเรานั่งสมาธิมันจะได้เองใช่ไหมเจ้าค่พาะพระอาจารย์ได้มันจะมันจะง่ายขึ้น<อ>มันจะเร็วขึ้นมันจะสงบเร็วขึ้นสงบได้นานขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นย้ำ อ, อย่าข้ามสตินะระเจ้าของสตินี่เป็นธรรมที่นำหน้าเห็นเป็นธรรมธรรมที่ทรรมที่สำคัญ ท, ที่สุดค่ะเห็นประโยชน์เจ้าค่ะพระอาจารย์พอเรา ตั้งใจในระหว่างวันมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์มันก็เห็นความต่อเนื่องของมันนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อยู่ที่เราเนะี่ยถ้าเราตั้งใจมันก็มาเองเราไม่ตั้งใจไปเจริญมันมันก็ไม่เกิดนะค่ะคอยสังเกต ด, ดูว่าเราเพล่อเปล่าควบคุมใจด้วยพูดโธพูดโธ้แล้วด้วยการเฝ้าดูการกขับเคลื่อนไหวของร่างกายของเราหรือเปล่าเจ้าค่ะะต้องทํานี้ไปเรื่อย ในหายก็ล้มคู่การเ<ม>ผลอบ้าง เ, าเดี๋ยวพอได้สติก็กลับมาเอาตั้งใหม่ล้มไปลุกขึ้นไปยืนใหม่เดินได้สองก้าวล้มไปแล้วลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ย ว, ยว 29, ม, ม, มันก็มันก็ยืนได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นไปสติมันก็จะต่อเนื่องมากขึ้นมาขึ้นไปตามลำดับมันเป็นสัมปชัญญะเพราะว่าสัมปชัญญะก็คือสติที่ไม่ไม่เผลอไม่ตางไม่หาย สติที่ต่อเนี่ยงก็เป็นสัมปชัญญะที่ที่หลวงตามหาบัวพูดว่ามันอัตโนมัติหรือเปล่าเจ้าคะก็อนนั้นก็อีกขั้นอนกขั้นนั้นแบบไม่ต้องไปบังคับมันนะไม่ต้องไปมันมันจะม า, าอัตโนมัติเงี้เหมือนนาฬิกาเมื่อก่อ น, อนต้อมีนาฬิกาขาลานดนะ้วยแล้วมีคนเข้าผลิตนาฬิกาอัตโนมัติขึ้นมาไม่ต้องไขายล้านมนะันไขาลานของมันเอง เด็กตอนต้นเขาต้องเขาต้องผลัดดันมันทํามันไปเรื่อยๆพอมันทํางานเริ่มหมุนแล้วทีนี้มันจะต่อไปมันก็หมุนโยมันเองไม่เราไปม่เรียกมันไม่ต้องไปเจริญพุทโธพุทโธมันอยู่ในกาลข้อมีสติอยู่ในปัจจุบันในตลอดเวลาเจ้าค่ะวมรับพลังเจ้าค่ะวผ่านตาโอเคอ่ะเดี๋ยวมีอะไรค่อยถามทีหลังก็ได้ ฟังไปอาจจะสงสัยอะไรขึ้นมาก็ได้จะค่ะพระอาจารย์นูตาหายหน้าไปไหลมาไปเที่ยวมนะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนค่จะจอยู่ในบ้านค่ะแต่หายหน้าไปหน่อยค่อะอาจารย์หนูหนูไม่ได้มีคําถามอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเ อ, อหนูแค่อยากจะบอกว่าบางทีหนูนั่งสมาธิแบบดูลมหายใจเข้าออหรือพุโทโธนานๆไม่ค่อยได้ตอนนี้หนูก็เลยฝึกฝึกตกฝึก ฝึกการหายใจแบบโยคยีไปก่อนนะคะพระอาจารย์แบบอาจจะช่วยช่วยฝึกสติอย่างนี้เป็นการช่วยฝึกสติเพิ่มขึ้นได้ไหมคะแต่ยังไม่ได้สมาธินะเราก็ไม่รู้ว่าแบบโยคยีก็เป็นไงและก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้โยคียโยคะแบบนี้คือการไปบังคับลมนี่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถูกหลักของการทำสมาธิ สัมสมาธิต้องการให้จิตไม่ทำอะไรถ้าไปบังคับลมจิตมันก็จะไม่มีวันที่จะนิ่งได้น ะ, ะก็ไม่ลองสวดมนต์ดูสวนสติปัฏฐานสวดดูน่ า, นานจะดีกว่าค่ะสวดแบบอ่านไปก่อนได้ใช่ไหมคะอาจรยอ่านแล้วก็ท่องจำไว้ทำภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเป็นภาษา ไม่ต้องภาษาบาลีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เราถนัดภาษาไหนได้ค่ะอาจารย์จะได้ปัญญาหรืจะได้ความเข้าใจมาพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติอย่างไรแล้วมันก็จะเป็นการเจริญสติไปก่อนพอสวดเสร็จก็นั่งต่อได้นั่งต่อดูลงหายใจเข้าต่อได้ดูไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปบังคับลงไม่ต้องไปควบคุม หรือพุทโธก็<อ>ได้ใช่ไหมคะรย์ได้พุทโธก็ได er, ้ส่วนอิติปิโสก็ได้แล้วแต่ถ้าส่วนอิติปิโสบทยาวๆอันนี้จะได้สติมากมากกว่าจะได้สมาธิใช่ไหมคะอาจารย์เพรใช่เราจะให้ใต้สมาธิเพุทโธคําเดียวแล้วดยลมหายใจแบบเดียวค่ะได้ค่ะพระอาจารย์หนูจะนําไปปฏิบัติค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์โอเคหมอภาชนะ อาจยังยู่นเขาอยู่เลยค่ะพระอาจารย์กำลังมาส ก, การพระอาจารย์ค่ะเองอยู่บนเขาอยู่พระอาจารย์แล้วันนี้มีคําถามนิดนึงนะค ะ, ะก็คือมันคำนี้มาตั้งใจทําเรื่องของเวทนาหรือที่พระอาจารย์บอกให้นั่งนานๆนะคะก็ะปรากฏว่าจริงๆแล้วก็แบบที่พระอาจารย์บอกคือมันมันก็มีเจ็บนะพระอาจารย์ก็ใช้คือตอนนี้ก็คือใช้สตินะคะพระอาจารย์แล้วก็ เขาเรียกว่าเลสู้ใช้ใจสู้กับเขาว่าว่าเราตอนแรกอะสู้กับเขาจนกระทั่งเหงื่อแตกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราทำผิดนะเพราะว่าเราจําได้ว่าตอนนั้นอาจารย์บอกว่าให้ให้เราอย่าหยาก็เลยเออเข้าใจตอนนี้เลยเข้าใจทุกข์ของสมุทัยเลยพระอาจารย์คือใช้ก็เลยกลับมาใช้เอนไม่เหมือนครั้งแรกนะคะพระอาจารย์ใช้ทุกข์กับสมุทัยคืออ๋อนี่เป็นทุกข์แล้วก็บอกว่าอยาหยาแล้วพอฝนตกก็เลยคิดนางอ า, าจารย์ว่าความความเจ็บมันก็คือเหมือนฝนนะคะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งมันก็มันก็ลงแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมือนกับว่าจิต มันทําให้เราอสัมผัสจิตที่มันกําลังกําลังจะแบบไม่อยากอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนก็เลยทําให้มันสง ม, มากขึ้นแล้วก็เมืเ่อวัต่อมานะ่ยพระอาจารย์ก็นั่งพยายามนั่งอีกก็มันก็เลยทําให้เราเห็นกิเลสว่าไ อ, อ้ตรงที่ทำเจ็บเนี่ยจริงๆมันเป็นทัานไปนี่หว่ามันไม่ใช่ความคือแบบเออรู้ว่าเพราว่าเรารู้ว่าร่างกายไม่ไเจ็บแล้วไงพระอาจารย์กเย็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออที่ที่เราเข้าใจตรงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับดีกว่าที่แล้วนี่ไม่ใช่าไอ้อย่างเงี้ยใช้ใช้ได้ไมคะพระอาจารย์จะนทำให้หนังนน่งได้น แล้วก็ความเจ็บ ไ, ไม่ดา อ, อ, อยู่มันได้ก็ใช้ได้สแสดงว่ามันนก็ยังคือแสดงว่าตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มีความเจ็บอีกแล้วอ๋อจริงๆแล้วคือทุกมันก็ยังมีอยู่คือแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเรานั่งนานมันก็ยังมีทุกใช่ไหมคะอาจารย์แต่เราต้องไม่เราแค่ไม่อยากให้มันหายไปใช่ไหมคะคือทุกทางร่างกายมันจะหยม่หายไม่สําคัญแต่สิ่งที่เราต้องการให้มันหายคือทุกทางใจที่เกิดจากทวามอยากใจมันจะ ถึงเกลียดหนึ่งมันก็จะเฉยนะมันจะเจ็บก็เจ็บไปผู้ก็อยู่กับมันไปต้นมันรำเตียนมันต่อต้นไปอยากจะหนีมันไม่อยากจะให้มันหายไล่มันมันไม่ไปหนีก็หนีไม่ได้เพราะเราจะไม่ลุกเก็เลยต้องใช้สติพุทโธพุทโธอจนได้ที่สุดจิตมันก็ยอมที่เลวมันก็ยอมมันก็อยู่ต่อได้ควาเจ็บมันก็อยู่กันไป แสดงว่าครั้งแรกทําความเข้าใจของครั้งเนี้ยมันมากกว่าครั้งแรกมันเลยเหมือนกับแบบครั้งแรกมันมันหลัจะเป็นที่ฟกแล้วเราพิจารณามันเลยหายไปแต่คราวนี้มันเพราะเราก็ลองนั่งทุกวันวันนึงก็คือตอนเช้าเนี่ยนะ่งแค่สองชั่วโมงแต่ว่าตอนกลางวันกับตอนเย็นเนี่ยนั่งสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงก็กลายเป็นว่าครั้งแรกเท่านั้นนะที่มันจะมีปัญหาต่อจากมามันก็มันก็ยังเจ็บนะอาจารย์แต่มันทนได้แล้วมันก็คือมันไม่ได้ทนเี่ยคือมันมันเหมือนฝนตกอะมันอยากมาก็มาไปก็ไปยิ่าแบบนงทำให ไปยุ่งกับมันเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้ค่ะเหมือนลมพัดเหมือนฝนตกเนี่เราไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้สั่งให้มันตกนี่ได้ค่ะแล้วก็เห็นใจรักของวิทยาศาด้วยอาจารย์บ่เออเดี๋ยวมันก็หายไปจริงๆมันมันมาแล้วมันก็หายไปอาจารย์คะแล้วอย่างนี้พอเรากลับไปเนี่ยเราก็ควรจะนั่งให้มันเจ็บอย่างนี้อาจจะเป็นวันวันละครั้งอีกด้วยไหมคะคือพรรู้สึกว่าคนเจ็บปุ๊บเนี่ยมันทําให้จิตมันสงบได้ไวเหมือนกันนะครัอาจารย์หรือไม่จาเป็น อ่าเมื่อแล้วแต่เราะเราไม่อยากจะใช้คําตอบนะไม่อยากใช้คำถามใหม่ว่าอาจารย์ถามว่าพอเราพอเราเร่องสมาธิเนี่ยมารู้สึกสงบแล้วป็นอุเบกขาเนี่ยแต่ว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอุเบกขาทั้งวันแต่ว่าพอเราออกมาจากสมาธิเนี่ยเราต้องใช้สติกับปัญญาเนี่ยระงับให้มันเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับพระอาจารย์คือคือตอนเนี้ต้องทำต้องทำสองตัวนี้ให้เป็นอุเบกขาเหมือนตอนที่เราทําสมาธิใช่ไหมพระอาจารย์ใช่เรามาจากใจก็ให้ใจเฉยกับ รูปเสียงกิ่นก็แตต่างๆใครพูดชมเมื่อไม่ดีใจใครด่าก็ไม่เสียใจต้องรักษาด้วยสติแลอด้วยปัญญาถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นกพุทโธไปพอจะเสียใจก็พุทโธพุทโธไประงับ น, น้ําตาที่จะร่วงเสียด้วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเหตุที่ทําให้เราน้ําตาร่วง คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราน้ําตาร่วงพอนหนึงคิดถึงมันน้ําตาก็หายร่วงความเจ็บก็หายไปแต่มันเป็นการระงับชั่วคราวเดี๋ยวกลับไปคิดนีกลับไปเห็นเรื่องนั้นอีกก็อารมณ์ก็ยังกลับมาได้ถ้าอยากจะหายด้วยปัญญาก็ต้องดูเนาะเหมือนเหมือนฝนเหมือนลมเนี้นะอยู่ประมาณอยู่ในโลงนี้ทั้งเจอทั้งสันเซ่ทั้งเจอท้งเมตตาทัา้งเธอทั้งสิ่งที่เราชอบ ถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามไปวควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะมาก็มาของที่เราชอบเ ข, จขาจะไปก<ะ>็ต้<ะ>องปล่อยเขาไปคือตัดความชอบความชังเสือให้เฉยเฉยเสียมาก็ได้ไปก็ได้เริ่มขป็นปัญญาเป็นอนัตานตาก็เป็นอนัตตาอันนี้จางเขาอยู่ยเดียวๆเขากไปไม่ว่าสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราชัง เขาอยู่ก็เดี๋ยวเขาไปอยาไปอยากให้เขาไปตอนที่เขาอยู่ก็ทุกอยากให้เขาไม่ไปตอนที่เขาไปก็ทุกอยู่ต้องไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆไม่มีภาวะปัญหาไม่มีวิภาวะปัญหาอยากไม่มีไม่อยากมีอย่างนี้อีกข้อเดียวนะครับอาจารย์คืออาจารย์คในสัญชิกนี้มีประโยชน์อะไรสําหรับ ครับเอ่พวกเราเนี่ยคือว่าในสัญชีกับอาจารย์ก็ถ้าเราอยากจะปฏิบัติเยอะๆเนี่ยไม่ไม่ให้เสียทำให้ทำงานโอทขึไไ้นไหมนสัญชิก็โอทดีเ <ทำ S 1> นี่ยทํำมาที่ละครั้งเนี่ยพอไหวไหมคะอาจารย์อยู่ว่าอยู่ที่ตัวเราต้องพิจ า, ารณาเองนะวนอื่นพิจารณาให้ไม่ได้เพราะว่ามันมันก็ ร่างกายแต่ละคนมันก็ไม่ได้เหมือนว่ามันทุกคนจะต้องทําในศาสติตเนี่ยเพราะจิตของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมองกันก็ได้เพอาะว่าจะได้คุมพิจารณาโยนยาวรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะได้แค่หกชั่วโมงคือแบบเออมัไม่เสียเวลาเราเดี๋ยวจะลองดูนะพระอาจารย์ให้กลับไปบ้านก่อนเพราะว่าอยู่หสิบสี่ชั่วโมงนี้ไม่นอนเลยไม่แตะนังไม่แตะพื้นแต่ว่าพิง เอาแบบน้อยๆก่อนคือพิงยังพิงได้คือจะนั่งสมาธิแต่ว่ามันเกิดหลับใช่พิงมันก็หลับอ๋อคือไม่นนั่งสมาธิไปเลยแต่ว่านั่งสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าหลับในสมาธิได้ใช่ัหมพระอาจารย์ไปายถึงก็นั่งไนแล้วมันเกิดหลับไม่อะไรมันจะตัวไม่ลงก็ห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องหลับค่ะแต่อย่างน้อยไม่ให้หลับในท่านอนก็หลับในท่านอนมันจะยาว คิดว่าน่าจะมีประโยชน์อาจารย์คุว่าเพะอาจารย้ทำเนี่ยเรื่องเมตนารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็เลยเนี่ยสันติก็น่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับอาจารย์แต่ขอกระชับหน้าก่อนวันพุธที่อาจารย์แล้วองทำที่กอนเพราะไม่งั้นเราทำที่ก็คือการจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เต็มที่ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีการปฏิบัติความหมายอยู่ตนแต่ก็ไม่ได้ทําตลอดเวลาครับเพราะร่างกายมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอน แต่ก็อาจจะทําเป็นทักๆเป็นช่วงๆเพื่อหนึ่งกระตุ้นความเพียรสองดัดความที่เกียด<ช>เป้าหมายหลักก็คือต้องการที่จะสนับสนุนความเพียรทางปฏิบัติแต่อัพคือแบนี้เรื่อยไหมาอาจารย์ ก, ก็ต้องทําไปเรื่อยเป้าหมายก็คือต้องการปล่อยวางทุกอย่าง ต้องต้องเป้าหมายต้องอยู่คนเดียวได้ไม่ไม่อยู่กับใครพระพุทธเจ้าไม่อยู่กับใครพระสาวกทั้งหลายท่านไม่อยู่สองใจเดี๋ยวแม้ท่านจะอยู่ที่วัดท่านก็ต่างคนต่างอยู่แต่ท่านไม่มาเกาะเกี่ยวกันไม่มีภาระไม่มีความผูกพันใดๆทาใจทั้งสิ้นเป็นที่พึ่งของตนอย่างเดียวไม่พึ่งใครไม่หวังให้ให้ใครมาพึ่งเราเราไม่พึ่งใคร ไม่เป็น ừ ừ. พระอาจารย์บอกพกมันหมดนะ้วค่ะพระอาจารย์ทำต่อบปพระอาจาร <Okay. S 2> ย์โอเคขอบคุณค่ะเรีคุณเอกจะเชียงรายคุณเอกการนมัสการพระอาจารย์ครับเออวันนี้ไม่มีคําถามอะไรครับพระอาจารย์เข้ามาก่าแล้วก็ <S 1> <S 1> <S รุมเราฟังพระอาจารย์เขยังปฏิบัติอยู่นะผมปฏิบัติอยู่ครับปฏิบัติ ทุกวันครับไม่ไม่ขาดครับพระอาจารย์อย่าย่อย่อนนะต้อง<า>เพิ่ม อ, อ, อย่าลดลงครับผมไม่ไม่ไม่ลดนะครับพระอาจารย์เพราะว่าบางวันถ้าเกิดนั่งอย่างช่วงเย็นท่านั่งแบบว่านั่งแป๊บเดียวมันมันแบบว่ามันไม่ค่อยถึงเมื่อกีแบบว่ามันเหมือนแบบว่านั่งแหละถ้ามันไม่ถึงบบวถเวทนาพระอาจารย์มันเหมือนไม่ถึงนะครับ <c oughs> เออเออแล้วก็ <c oughs> ถ้าช่วงเช้ า, านั่งก็ผมผมก็ตืน่นตีสามครึ่นะฮะก็ะะปฏิบัติจนถึงเกือบถึงหกโมงเชา้าครับพระอาจารย์ ถ้มันเกิดเวทนาอยู่นี้แบบว่าเอ่อกูก็ตั้งสติผู้โทรผูโทเหมือนกับอาจารย์ได้สั่งสอนไว้นะฮะแต่จิตมันก็จะแวบออกมาแบบว่าแบบว่ามันจะเตือนเราอะครับแบบว่าเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะเราบังคับมันไม่ได้นะไอไอตรงที่เจ็บอย่างเงี้ยครับมันคิดออกมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วอยู่อยู่กับมันก็อยู่จนเกือบครบเวเวลาครับอาจารย์ตัความยากอยากที่จะไปควบคุม ครับเฉกขึ้ครับใช่ครับก็ก็ไม่ได้ไปใส่ใจก็รู้ว่าเอาเวทนามันก็เกิดเวทนาก็ผมก็นั่งไปมันก็สงบลงไปแล้วก็มันก็มีแว๊บออกมาว่าเออเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะนะว่าเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันเหมือนฝนตกเหมือนฟ้าร้องเหมือนอะไรเนี่ยคือในส่วนนี้คือมันแสดงเอาให้เห็นอย่างเงี้ยมันมันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์เหมือนกับว่าเออมันคือหน้าตานะั่ง ครับพระอาจารย์ใช่ดึงองที่อยากให้เป็นอนัตตาสเปธรรมานตตาครับครับโอเคนะตัดต่อไปนะครับผมครับผมพระอาจารย์ครับครับไม่เชียววันนี้เข้ามาครัง้งแรกกับครั้งที่สองจำไม่ได้ครัง้งครั้งแรกคะ่ะหลวงพ่อที่ได้ไ ด, ได้ได้คุยกับหลวงพ่อกับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ ไม่มีมมโอกาสไ ด, ได้ได้ไปวัดค่ะก็ขอกราบน้ำส ก, การผ่านสูงแทนแล้วก็มีเรื่องอยากจะกาบเรียนค่ะพอดีว่าค่ะพอดีว่าช่วงนี้หนูเจอข้อสอบข้อสอบคือต้นเมตตาในใจที่มันยังไม่โตค่ะพอดีว่าตอนนี้มีปัญหาคือก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะคือสุนัขที่คุณแม่ชีเลี้ยงไว้นะคะเขาแก่อายุสิบเจ็ดปีถ้าเทียบเป็นคนก็ร้อยยี่สิบแปดปีใช่ไหมคะตอนนี้ก็ ติดเตียงเดินไม่ไหวต้องคอยไปจับพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป้อนน้ําป้อนนมแรกๆหนูก็ลำพองใจว่าหนูยอมทําได้เนี่ยหนูผ่านแล้วเพราะเขาไม่ใช่สุนัขตัวที่หนูรักใช่ไหมคะหนูหนูก็ลำพองใจแต่พอหนักเข้าเป็นสัปดาห์ที่ต้องตื่นบ่อยๆทุกนี่ก็เรียกแล้วค่ะทุกชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งต้องคอยไปพลิกตัวไปฟีดน้ําฟีดนมมันเริ่มเหนื่อยเริ่มเบือ่อเริ่มลาคาญแต่สติมันไม่ทันนะคะหลวงพอ่อเพราะว่ามันไม่ มันไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็แสดงออกแต่ว่าไม่ได้ทํารุนแรงกับเขานะคะแต่มีวันหนึ่งคุณแม่ชีไปเจอว่าวางเขาแบบไม่นุ่มนวลคือวางหลังเขาลงแล้วก็ปล่อยมือเขาอะไรเงี้ยแม่ชีว่าหนูทําด้วยอารมณ์มันไม่ได้ทําจากความเมตตาหนูทําเพราะทําเพียงเพื่อให้ผ่านค่ะแล้วจากนั้นมาแม่ชีก็อธิบายเรื่องต้องก้าวข้ามความแบบความไม่อยากเพราะเราไม่อยากทํทาทั้งๆที่เขาไม่มีใครแล้วก็เหลือ แค่เราคนเดียวในโลกใบนี้ที่ต้องดูแลเขาในห่วงสุดท้ายที่ก่อนที่เขาจะตายจากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแมชีอธิบายให้เข้าใจใจมันเข้าใจใจมันยอมรับนะคะหลวงพ่อแต่ว่าเราเริ่มไปทําเขาหนูก็สอนอุบายตัวเองว่าการที่หนูต้องไปดูแลเขาในช่วงบ้านปลายของชีวิตเขาเนี่ยคือหนูใช้นี่ชาติก่อนหนูอาจจะเป็นนี่เขาชาตินี้ที่หนูต้องมาดูแลอาจจะเป็นเพราะหนูต้องมาใช้นี่แล้วกับการที่ปฏิบัติต่อเขายังไงเนี่ยหนูก็คิดว่าเนี่ยคือตัวหนูที่นอนอยู่ แล้วหนูต้องการให้คนดูแลหนูยังไงหนูก็ทํากับเขาแบบนั้นแต่ว่ามันรู้เลยค่ะว่าถึงแม้ว่าใจเราจะเข้าใจจากที่แม่ชีอธิบายว่าเราต้องทํายังไงสร้างต้นเมตตาสร้างภูมิวิหารสีในใจเราขึ้นมาให้ได้นะแต่ว่าใจมันยังมีแบบว่ามันยังเบื่อยังมีลาคาญเพราะหลังๆเขาเรียกทุกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งค่ะที่ต้องไปพลิกตัวไปป้อนน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรไม่ได้นอนมันเหนื่อยมันก็แบบ ใจมันมันเริ่มมีอารมณ์ที่ตีขึ้นมาแต่พอสติมันทันมันต้องสอนอธิบายกันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าการที่ใจมันยังต้องสอนต้องอธิบายตอบใจอยู่เนะี่ยแสดงว่าหนูยังไม่ได้ผ่านจริงตามที่หนูได้เข้าใจตามที่เนชีสอนใช่ไหมคะก็เราอาจจะไม่รู้จักการแบ่งระหว่างความเมตตากับวงแหวกค่ะค่ะ มีตามากเกินไปบางทีเราก็ไม่ไหวเราก็ถ้าไม่ไหวก็ต้องกลับมาที่รูปแบบขาบ้างค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะก็ปล่อยมันล่องไล่อยให้มันทรมานบ้างก็ได้พบางทีมันยังมันยะต้งบริการมันแบบพอมันล่องว้ไปหอกเซอร์วิสถึงใจเพราะหนูต้องการคิดว่าถ้าวันหนึ่งที่หนูป่วยติดเตียงขึ้นมาหนูก็มีความรู้สึกว่า หนูอยากพลิกตัวหนูก็ต้องหนูทำยังไงหนูก็จะต้องได้รับอย่างนั้นถ้าหนูคิดอย่างนี้ในตอนแรกค่ะถ้าหนูอยากจะทำก็ดีแต่ถ้ า, าจะทำก็จะอยากทำด้วยความทุกข์ใจค่ะ<า> แ, แต่ถ้าทำไม่ไหวทุกข์ก็อยกแ้วก็ไปทำอยู่บ้างนะทักบ้าะค่ะ<า>แต่หนูรู้เลยค่ะว่า อะไรก็แล้วแต่ถ้าถึงแม้เราเข้าใจแนวทางวิถีทางเดินเนี่ยใจเราเข้าใจเราโล่งเรารู้แนวทางเดินไปก็แล้วแต่แต่ถ้าในระหว่างการเดินถ้าใจมันยังต้องมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วสติยังต้องทันคอยสอนคอยฝึกคอยข่มไว้เนี่ยอ๋อมันยังไม่ใช่ของจริงที่เราจะวางได้เราจะผ่านได้เราจะวางได้ก็ต่อเมื่อหนูคิดว่าประสบการณ์ปัญญาเรื่องคำสอนพระเจ้าสอนกับทั้งศัตรูทั้งหลายมีกํามเป็นของของตน ค่ะจะทําการบันไดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นค่ะเราก็ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ปล่อยได้เอาไปกรรมของมันมันจะแต่บางทีมันก็ปล่อยไม่ลงนะคะหลวงพ่อในช่วงมี่ถุงในช่วงที่ถุงยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นว่ามันเป็นกรรมของมัน ค่ะในช่วงที่กระแสถุงดําพี่เทีหนูจะหนูจะสวงถูกถุงดําไม่เขาดีไหมอุ้ยไม่ได้เราไม่เราไม่ทําบาปอะไรตอน น, อนั้นไม่ถูกแล้วไ <c oughs> ม่ให้ทําอย่างนั้นให้เราให้มันอยู่ตามสภาพของมันไปค่ะค่ะอืมทำได้เท่าที่เราทํอาออค่ะแมื่มันมันเมื่อมันทําไม่ไหวก็ต้องไห้เป็นตาม ก, กรรมของเขาไปค่ะตาม ก, กรรมของเขาไป ค่ะแต่ที่นั้นนะคะถ้าเราปล่อยแล้วเราทุกก็แสดงว่ามันทุกค่ะเพราะว่าเราสงสารเขาเราทนไม่ได้ที่จะปล่อยเ้านอนร้องหรือไม่ไม่พลิกตัวกลับมาไรืออะเรก็ไปนั่สมาธิก่อนนะทําำใจให้สงบให้เป็นลมขาฝอนแล้วค่อยมาพิจารณาทุกไปทำทุกนี่แสดงว่าเราเราเป็นทุกทั้งสองทางค่ะหนูก็ทําก็อยากจะแสดงความเมตตาใจย์ไม่ยอมเมตตาด้วย แตนกับหนูครับตอนแรกกับคิดว่าฝึกไปเพื่อที่ว่าใจเราจะลงเองจากการกระทํา<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะวันหนึ่งเราฝึกใจไปข่มใจไปอดทนอดกลั้นไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็คยอมเองวันนึงมันสงสารเขาด้วยใจมันต้องใช้ปัญญามันถึงจะยอมได้ค่ะต้องเป็นปัญญา เข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อฉันจะทำมันก็ถือว่ารับใช้หนี้เก่าไปหรือสร้างบุญสร้างไปค่ะคิดว่าใช้หนี้เก่าค่ะเพราะมันช่วยนี่มันก็จะไม่ทุกข์ค่ะมันก็มีบางครั้งถ้าทำเรื่องทุกข์มันก็แสดงว่ามันไม่อยากคแั่ก็ไม่ทุกข์ตัณหาค่ะเข้าใจแล้วค่ะเพื่อถ้ายังไงก็ได้เราไม่ทำว่าทุกข์ก็กับวิบกับภาวะตัณหาค่ะอยู่ระหว่างสองตัวนี้อย่างอยู่ว่า ภาวะตัณหากับวีภาวะตัณหาทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ค่ะอืมเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อเพระเข้าใจแล้วค่ะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้คือใจเราเข้าใจแล้วค่ะเราแล้าไม่ได้มามองที่ใจเราทําลองที่ตัวเขาใช่ค่ะเอาเขาเป็นที่ตั้งแต่เราไม่ดูใจเราดูใจคือมันเหมือนกับไปสุดสุดตอนแรกคือไม่อยากทําแล้วมีอารมณ์กับสุดตอนที่สองคือทําแบบคือมันไม่มีตรงกลางคือกลางใจหนูเข้าใจแล้วค่ะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะวันก่อนอยู่ดีถึงแม้นเวลานอนน้อยนะคะหลวงพ่อแต่ก็มีโอกาสฝันแล้วหนูฝันแต่มันไม่ฝันแบบเดิมแต่มันก็มีมีความอยากอย่างที่เคยกับเรียนหลวงพ่อเรื่องกาลมาลาค่ะหนูคืด่าอ๋ออะไรก็ตามที่เราเราลืมพิจารณาหรือเราเราพักมันไว้น่ะมันก็จะตีขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะหนูว่าโอ้โหมันต้องคอยระวังแต่เตือนแล้วว่ามันทุจรนาเสพอยู่เรด่อยค่ะ เนี่ยค่ะหนูก็อยากจะกลับเรียนหลวงพ่อด้วยค่ะว่าตอนแรกไอ้ที่คิดว่าเราเข้าใจเราทําได้กับไอ้เจอของจริงเน่ยมันจะต่างกันมากเลยค่ะตอนตอนที่คิดไว้เข้าใจทําได้วางได้ทําได้กับพอเจอของจริงมันคนละเรื่องกันเลยค่ะที่เลยมันหลอกเรามันหลอกให้เราชะล่าใจค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็มีเรื่องกลับเรียนเท่านี้ค่ะหลวงพ่อไม่ต้องมาที่วัดก็ได้นะไม่ต้องกังวลอาจารย์ให้มาไม่ได้ก็ไม่ต้องมา ใช่ค่ะแต่จริงๆอยากไปค่ะเพราะหนูไม่ได้กลัวโควิดไม่ได้อะไรเลยปักิก็ไม่ได้ฉีดเราสบายดีไม่ต้องกังวลใช่ค่ะหลวงพ่อกลาบนมัสการลาค่ะได้ค่ะค่ะไลฟ์ค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นยินดีต่อจากเซาแลนด์คารน่ายินเดีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะ เข้ามากราบแล้วก็เดวิดฝากกราบด้วยค่ะท่านอาจารย์เดวิดนี่หน้าองสารเนี่ยทำแต่งงานอย่างเดียวงานถะี่ดีหนึง่งจะได้ไปเที่ยวสักวันสอง ว, นวนันก็ตามหน้าที่อ่ะค่ะท่านอาจารย์เขาก็บอกว่าตามหน้าที่ค่ะแล้วมันหยุดนี่เขาไม่หยุดว่าอธิตย์กี่วันก็สองวันค่ะเสาร์อาทิตย์เหมือน <7 S 2> เดิมค่ะก็บินก็พอไปไหนมาไหนได้เสารอาทิตย์ ก็ไม่ได้ไปไหนกันนะคะก็ท่านอาจารย์ก็ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อของของของกินนะคะเพื่อมามาใช้เข้าตู้เย็นอะไรอย่าเงี้ยค่ะอันนั้นนะค่ะอก็ไม่ได้ไปไหนกันค่ะโอเคก็เซรีเฮลโให้ด้วยก็แล้วกันนะบองจูนะค่ะท่านอาจารย์แล้วเขาก็บอกบอลซองเต้ท่านอาจารย์ดิค่ะก็สุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์ เป็นปร่องโพล่องใจนานๆค่ะค่นนะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์โอเคยัง okay. คุณแมนจากจอุดรแมนจากอุดรจัด น, นิทรรศ ก, การค่ะมีอะไรไหมวันนี้ขออนุญาตถามคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาลค่ะก็ตัวจิตเนี่ยที่ที่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นผู้ตื่น ตื่นข<ร>ึ<ก>้น<อ>มาสบามีความสุขมันก็มีหลายระดับเตืนด้วยสติเตื่นด้วยปัญญาเตื่นด้วยวิมุตติเนี่ยมันสามขันมม้นหด้วยกันถ้าเตื่นด้วยสติก็เป็นแบบไฟติดติดดำดำสตินั้นเหมืนไฟติดบ้างดับบ้างถ้าด้วยปัญญามันก็จะมันก็จะต่อเนื่องแล้วก็วิมุตติก็คือ ไม่ต้องทําอะไรมันสว่างของมันเองไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สติคือผู้บกบาลคะอ่ามันผู้เตือนผู้บกบาลให้เนสามระดับระดับสติระดับปัญญาระดับวิมุติระดับุดทนแล้วต้องการไปขั้นระดับวิมุติุดทนถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้ปัญญาเพราะมั น, น, นบนนนกบาลของมันอยู่ตลอดเวลา ท้าขั้นสติมันก็ถ้าสติเพิมันก็มันก็ไม่ไม่เบิดบานขั้นปัญญาถ้าปัญญาไม่พิจารนามันก็ไม่เบิดบานว่าคำมีมูลเนี่ยไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้ปัญญามันเบิดบานแต่ที่ของมันโดยอัตองมัติถ้าจิตของเราเนี่ยที่เราปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากพูดรู้ก่อนใช่ไหมคะ เราเริ่มจากสติก่อนไม่ต้องเป็นทั้งผู้ฝึกสติไปเรด้อยพุทโธพุทโธใช่พุทโธก็คือแปลว่าผู้รู้ให้สติเดยนใจให้เราเป็นผู้รู้ผู้รู้อยากอยากเป็นผู้ฝันเราชอบฝันเงินชอบเพ้อฝันอยากให้นู่นอยากมีนี่อยากไปนู่นอยากมานี่นี่ะพูดหรอกพูดตื่นก็รู้เฉยๆไม่มีความอยาก ไปไหนมาไหนไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้อะไรไม่ใหส<ะ>หรือว่ารู้ไปฝ<ะ>ึกสติไปให้เป็นทูรู้ด้วยสติก่อนรู้อยู่กับพุทโธพุทโธอะไรอันต่อไปพอจิตได้บรเบณขาแล้วก็มาสอนจิตให้รู้ด้วยปัญญารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมันชุกไม่ใช่ของเรา พอรู้ปล่อยวางได้หมดก็จะกลายเป็นผู้รู้พู้ตื่นเงิ้าวอนอย่างตลอดเวลาค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะสัาธุสักขอบคุณนะจากสัาธิตเชิญการรับราชการเจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์คราวที่แล้วไปไม่มีธรรมะขึ้นมาบ้างหนะคราวที่แล้ว ไม่มีค่ะมีแต่มันมันแบบว่ามันตื่นมันมันไม่หลับเพราะมันไม่ได้กบมันสบายใช่ค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์มันมันสบายมันแบบมันมันไม่หลับไม่อยากนอนเออค่ะแล้วมันอยากจะทํามันเพลินมันหนไม่ทราว่ามันให้มันพอดีก็แล้วกันอย่าให้มันแบบว่าทำมันมันเป็นวันเดียวเองค่ะวันที่มันท้ายทจะกลับใกล้กลับอ่ะค่ะ แต่ก่อนก่อนก่อนวันที่วันที่ไปแรกๆก็สงบเร็วเร็วกว่าทุกครั้งทุกครั้งคือแค่วันแรกวันที่สองก็อยู่ความสงบได้เยอะค่ะอาจารย์แต่ไม่มีอะไรผุดอย่าสุดโตระแลังความเคีย่อนเงินเทก็สุดต๊งถ้ามันยังอยู่ในความสบายอยู่ไม่ได้ปฏิบัติได้ถ้าใจสบายก็ปฏิบัติค่ะค่ะค่ะยังอยู่ในความสบายอยู่ค่ะสบาย โอเคนะไม่มีอะไรนะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากคะ่ะ okay. คุณสพัฒนาจากมองเงนกล่าวธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามาวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์นะคะก็ปฏิบัติอยู่สติเจ้าค่ะสตดีขึ้นเจ้าคะ่ะแล้วก็ตอนนั่งสมาธินี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราเรารู้ตัว หลับไม่ไมิไม่มีการหลับเลยเจ้าค่ะประมาณสักคือคชั่วโมงเลยค่ะ อ, อคิดว่าคิดว่ามันแป๊บเดียวแต่พอมาดูนาฬิการครึ่งชั่วโมงก็ก็ตอนนี้พยายามแบบนี้อยู่ค่ะตอนเนี้ยให้ให้ให้อยู่ได้ได้นานๆ ต, ต่อไปเวลาถึงเวลาก็อยากขึ้นเรื่องเราเราขอต่อเวลาหน่อยขอต่อเวลาสักสิบห<ะ>้านาทีก็พูดตัวต่อก็มีมีนั่งต่อนะจ๊ะเวลาฟังธรรมอาจารย์บางทีมันมันแบบว่ามันมันเพลินไปเนี่ย อย่างวันที่ไปถ้าท่าศูนได้ไปไขบ่บาปพระอาจารย์กลับมานั่งได้เป็นชั่วโมงอยู่เจ้าคะพระอาจารย์มันเหมือนใจมันตื่นตื่นมงางเจ้าคะพระอาจารย์แล้วก็มันไม่ไม่ไม่ไม่หลับไม่ไม่เผลอต้องพยายามใช้วิธีนี้อยู่เจาา้าค่ะก็กําลังเดินตามาพระอาจารย์เจ้าค่ะ ต้องวิ่งหน่อยนะเวลามันจะหมดนะน่ไม่ยาค่ะเดินเดินแบบอาจารย์เดินอาจารย์ตามเดินอาจารจะไม่ทันนั้นต้องรีบวิ่งแล้วนะเดินตามาที่อาจารย์สอนไปบวชแล้วต้องวิ่งวิ่งก็คือการไปบวชนั่นเองก็ของดูรูปทางอยู่จ้าค่ะอาจารย์เวลาเรา้อยลงทุนแล้วนะนะคะจะตามไม่ทันจะบอกว่าหมดเวลาคนถ้าคาดจค่ะอาจารย์ ท่เป็นงานอเรื่องๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่ต้อค่ะเรากําลังตามพระพุทธเจ้าด้วยเรากําลังตามอยู่เลศถามตัวนี้ค่ะก็ใช้คํานี้คำใช้ท่องคํานี้อยู่บ่อยๆเรื่องๆเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์จะได้รู้ว่าเราไปทางไหนกันแน่ต่อค่ะโอเคถ้าไม่ดีอะไรก็ไปท่านต่อไปนะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ สตัวเจ้าค่ะไม่มีลายพร อ, อยู่ที่ไห น, นค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์<ม>ค่ะเ อ, อมีอยู่นิดหน่อยค่ะพระอาจารย์จากกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเรานั่งสมาธิะค่ะเราใช้ใช้ดูลมที่ ท, ที่ตรงปลายจมูกแล้วก็เราก็ทําพุโทโธไปด้วยแต่พอเราทําไปสักพักหนึ่งค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าเราจะมีตาที่สามที่มันจะพยายามหลุดออกไปเหมือนกับว่า คือจะแบบไปเห็นแบบเหมือนกับจะวูบออกไปแล้วต้องพยายามกลับมากลับมาที่ดูลมต่อใช่ไหมคะเราเราเราอย่าไปไมเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นค่ะมันเหมือนกระตาที่สามที่แบบจะพยายามพยายามที่จะไปเห็นเนี้ยค่ะแล้วก็ดึงดึงมันที่ลมหายใจจมันหลอกมันมันมาหลอกเราใหให้เราเสียเสียสมาธิโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะเราต้องพยายามทุกครั้งพอ พอเพลินๆสักพักหนึ่งจะไปแล้วค่ะพระอาจารย์ก<ช>็ต้องดึงกลับมาแสดงว่าสติเราหย่อนเพอสติอนัอนตรายมันก็เลยสามารถปุงแต่งเราาได้ใช่ค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะค่ะกลับพระอาจารย์ค่ะได้ได้ไดมากราบพระอาจารย์ที่นี่เหมือนกันได้ไปที่วัดแล้วค่ะอคพออยู่กรุงเทพอยากไปกราบพระอาจารย์ตลอดเลยค่ะที่นี่ได้ที่เสุดแล้วมาที่นี่สะดวใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะ กรเรงมัสการค่ะการเป็นนปลอดไทไม่ต้องใส่หน้ากาบไม่ต้องอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะค่ะคุณนอมพระอาจารย์คน้อมจากบอเนเชิญไม่มรการค่ะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะไม่มีรองเท้าปฏิบัติอยู่นะค่ะคุณสุภาพรเชิญจากกทมอ กับน้ำมัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมมีมีคำถามค่ะคืออ่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่กำลังคือไม่ได้อยู่ในสมาธินะคะอยู่ปกติอะค่ะอ่าเหมือนเรากำลังคิดที่เรากำลังจะลุกเดินหรือไปหยิบจับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยค่ะจำไม่ได้แล้วมันก็มันก็มีภาพว่า มีความคิดอะค่ะแล้วมันก็ค่อยค่อยค่อยเป็นภาพของการเคลื่อนไหวของร่างกายอะค่ะระหว่างภาพความคิดกับกับกับที่แขนขาเรากำลังจะทำอะมันมเหมือนกับมันมันยืดออกไปอะค่ะมันมีสองสเต็ปแต่ว่ามันยืดออกไปออกไปแบบเหมือนมันมันมีจังหวะที่มันถ่างออกไปแบบ นานๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้นานมากแต่มันนานกว่าปกติคือปกติเราเราจะคิดทําอะไรเราจะไปหยิบจับอะไรหรือเปิดไฟอ่ะเราจะทําโดยที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเออเราคิดก่อนที่เราจะทําอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจังหวะนั้นมันทําให้เราเห็นว่าเออก่อนที่เราจะกระทําอะไรเนี่ยเราคิดก่อนแล้วมันเป็นสองขั้นตอนแบบเห็นชัดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแสดงว่าสติเราไวขึ้น มันเลยทําให้การขึ้นไหวของความคิดกับร่างกายมันช้าลงอ๋อคือแต่มันมันช้าแบบหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าไอสองตอนนี้มันช้าขนาดนั้นเลยเราไม่เคยสังเกตแล้วพอหลังจากนั้นเราก็พยายามจะดูว่าเราจะไปเปิดไฟโ อ, อ้เนาะเราคิดก่อนแต่ว่าคือที่ผ่านมาเราเราไม่รู้ว่าเราคิดก่อนพราะมันเร็วไงคิดพ๊กทับปับเลยนี่เรามีสติเราก็จะเห็นตามคิดคิดช้า ไไความคิดมาก่อนทุกครั้งก่อนที่ร่างกายจะทําอะไรได้ต้องมีความคิดคิดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วในจังหวะนั้นมันก็จะมันก็อ่าจำํำท้ามีปัญญากับพิจารณาแย่างะได้ว่าเฮ้ยควรจะทําหรือไม่ควรจะทำํำต่อไปท่านจะไปด่าใครเนี่ยป๊อปมันจะรู้ทันเอามองจะไปด่าเขาเนี่ยเขาจะพูดคํหยาดก็ไม่ดีปูดปากดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนั้นที่ที่ ที่พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บมันก็จะมีเหมือนเหมือนมีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งที่สองนี้มันจะเกิดสั้นๆนคือทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดมันเป็นขนาดสั้นๆเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้ยาวนานจนเราประทับแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมันเกิดแล้วไม่สติแล้วไม่สติต่อเนี่ยมันก็ขาดหายเราไปสติเราต่อเนี่ยมันก็จะเห็นทุกเวลาที่เราคิด อ๋อค่ะหนูหนูเห็นแปบบ๊แบแป๊เองนะคะพระอาจารย์หนูไม่ได้เห็นแบบ <Yeah. S 1> คือหลังจากนั้นตัอหนูก็เอ อ, เ อ, อมันมั น, มนเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์ครั้งนี้อะค่ะมันทําให้เข้าใจค่ะคําว่าอ๋อหนูเข้าใจแล้วที่บอกว่าอะไรนะใจอะใจอะเป็นนายกายเป็นบ่าว yeah. <Yeah>. yeah. ค่ะแล้วมันก็มีเหตุทําให้เรารู้สึกว่าเออพอมันเห็นภาพอย่างเนี้ยมันทําให้เราสามารถปรุง ปร่งร่างกายได้นิดๆ น, ดๆนะคะมันรู้สึกว่ามันปร่งได้มันรู้สึกว่ามั น, นมันมันเป็นคนละเรื่องอะ่ะคือคิดส่วนหนึ่งคิดอ่ะคือตัวเราแต่ว่าแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่ า, วาพอดีเหตุการณะนะ์นั้นอ่ะมันไม่ได้เกิดยาวนานจนเราประทับจนเรารู้สึกว่ามันมีพลังในการที่ทําให้เราปร่งได้มันได้แค่นิด ๆ, ๆหน่อยๆน ะ, ะๆคะระสาทสันให้มากขึ้นต่อไปมันก็จะยาวนาน ม, มีเท่านี้ค่ะปาอาจารย์จดสตินั่งสมาธิให้มันเข้าไปในในอัปปนาสมาธิให้ได้แล้วทีนี้นมันก็จะทันความคิดแนะมันจะเห็นความคิดทุกตั้งแต่มันเริ่มออกมาจากใจโผล่ขึ้นมาพวกนี้้วยอ่ะมันคิดอะไรนะถ้ามีปัญญาแลพิจารณาหยุบมันได้ถ้ามันไม่ดีค่ะ แต่ว่าความคิดของพวกเราเนี่มันก็ยังมีกิเลสบัญชาการอยู่ใช่ครัใช่ถึงเขาใช้ปัญญามาแยกๆเป็นเป็นกิเลสไม่เป็นธรรมอืมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเออกิเลสมันบัญชาการมาแต่ว่าเราตรงระยะเวลาความคิดกับการกระทําของเราเนี่ยมันมันมันเป็นสองสเต็ปเราเห็นได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะอ่าเลือกทําไม่ทําได้ใช่ไหมถ้าเรามีปัญญาเราก็เลือกได้ถ้าเรารู้ว่า มันถูกไม่ผิดมันดีหรือไม่ดีมันเป็นทุกข์หรืเป็นสุขก็ต้องเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากจะได้เพรู้ว่ามันเป็นใจรักแล้ว่ามีแล้วก็หยุดมันหยุดความอยากได้หยุดความคิดที่อยากจะไปได้สิ่งนั้นนะค่ะแล้วจากตรงนี้ไปหนูต้องไปพิจารณาหรือต้องตอนนีเ้เอาสติให้มันต่าเนียวกัน มันยากอะค่ะอาจารย์มันเข้าไปในอัปปนาสมาธิให้ได้ณที่นี้หมายถึงยาสามารถเป็นคู่ชกคู่ซ้อมกอบความคิดของเราได้แันนี้ความคิดของเรามันยังเร็วกว่าเราเร็วกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามทันเราต้องเต้องเข้าสมาธิอัปปนาสมาธิเพื่อหยุดมันพอหยุดแล้วที่นี้พอออกมาจากข้องกามาแล้วก็มันออกมาแล้วก็แล้วก็ทันมันทัน อันนี่มันเร็กว่าเราเราต้องใช้ใช้สมาธิหยุดมันพอหยุดมานแล้วที่พอออกจากสมาธิมาพอมันเริ่มคิดปักเฉดิปัญญาเราก็ควกคู่กับมันไปเลยอาจารย์ไหมอนนี้มันแล้วมันเลยวกว่าเรามันอข้างหน้าเราเราคอยวิ่งตามไปเรื่อยๆที้ทําไปแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้ไม่ควรทํำเลยค่ะนะ ดไปถดเสตเยอะๆให้จิตมวงเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ขรับทำสองขั้นนี้กับเสตนะอัปปนาสมาธิปัญญาค่อยมาสิทธปัญญากับปัญญ า, านะใ่รับในทุกสิ่งทุกอย่างนะโอเคนะวมแล้วใช่ไหมเดี๋ยว เหมือนกับจะไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปไปฟังมันยังไกลไปมันยังไกลไปถึงถึงไม่อยากจะพูดมากพูดแล้วเดี๋ยวก็ลยมเอาสติให้ได้ก่อนแล้วกันเราสติเพื่อให้มันเข้าสมาธิให้ได้ค่ะได้ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะอต่อไปอาจารย์สายชีพณรคารเมืองขอนแก่นกราบนาวาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นค่ะ มีอะไรไหมอตอนนี้ถามเรื่องการปฏิบัติค่ะก็คื อ, อนั่งสมาธิช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์มันจะจะติดอยู่แค่อก็คือนั่งไปแล้วพอมันสงบอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีแค่ความสว่างมเหมือนเหมือนมีความสว่างรอบๆตัวเราแบบสว่างเบาๆอะค่ะสว่างไม่มากจะติดอยู่แค่ตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันคือแค่คณิกะสมาธิหรือว่ายังไงค่ะ ก็ให้มันอยู่ตรงนั้นนานๆให้มันนั่งให้มันใช้ใช้สว่างนานๆไม่ไม่สว่างก็ไม่เป็นอะไรแต่คว้าให้มันนิ่งไว้ไม่คิดตูดแตกให้มันสร่งแล้วลไปเป็นมีอารมณ์เดียวไม่มีความทิศทางๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืมค่ะไ ม, ไม่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปถึงเสียงหายอะไรเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมคะก็พูดโธต่อไป<า>ได้ก็พูดโทรไปดูลงไปเรา ก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้ากจไปนึกตอนั้นก็ต้อดูลมต่อถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อพุกโธได้ก็ดูโทต่อไปอืมก็คือก็คือไม่ต้องสนใจก็คือดูดูลมหายใจไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะก็ก็จะติดอยู่ตรงนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะถ้ายังดูลมได้ดูลมไปจำกัดมันจะวุบลงไปลมหายไปทุกอย่างหายไปทั้งนั้นตอนนั้นก็นิ่นโดยที่ไม่นำไปบังคับเลยอ๋อค่ะนั้นเดี๋ยว ก็ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวปฏิบัติต่อค่ะก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันอยู่ค่ะพระอาจารย์ดีพยายามทำบ่อยๆมันจะได้ชํานาญค่ะแต่ต้องฝึกสติก่อนมานั่งเลยมันถึงจะจะได้ผลดีกว่าไม่งั้นมันก็จะได้เท่าเดิมนะในท่านฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นเวลามานัง่งมันก็นั่งได้นานขึ้นค่ะคงคงเป็นด้วยที่เราฝึกสติไม่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ค่ะก็เลย อาจจะติดอยู่แค่นี้ต้องฝึกทั้งวันเงิตาขึ้นมา็เอาเลยคิดถอยเลยลนึกเศ้าหรือว่าร่างการกำลังทอะไรอยู่อย่าไปคิดเรื่นนเ่ี้คนนั้นคนนี้ยังไม่ถึงเวลาคีดให้ไปถึงเวลาแล้วถ้คิดค่ะค่ะพยายามพยายามทําตามที่พระอาจารย์บอกอยู่ค่ะก็คือคิดน้อยลงค่ะพระอาจารย์ค่ะยิ่งน้อยลงยุ่งน้อยลงะ ยังน้อยลงสบายมากขึ้นค่ะก็เ ล, เลยแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้เรามีเวลาบ้างเยอะจังอ่าเราไม่ไปหนักอกหนักใจกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น่ยของเขาไปแบกเขาทำไมแบกไม่ก็นักสิถ้าไม่แบกนันก็เบาค่ะก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันมันมีเวลามากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็เออก็ ไอ้ช่วงนี้ดีจังอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ยุ่งเรื่องอะไรของใครเท่าไหร่รู้สึกเบาแล้วก็มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นค่ะเหมือนแบบบางทีเราเราเอ๊ะจริ ง, รงๆวันนหนึ่งเรามีเวลาว่างตั้งเยอะแม้ว่าเราจะมีงานเยอะก็ตามแต่เราไปยุ่งันเรื่องคนอื่นใช่หมดมอ ใช่ค่ะแต่ก่อนนี้เอาเวลาไปยุ่งก็เลยหมดวันแล้วก็เหนื่อยตอนนี้ไม่ค่อยเหนื่อยค่ะทํางานก็เออก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเท่าไหร่นี่นางานก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเหมือนที่เราคิดแต่ก่อนว่าทําไมงานหนักจังอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้หนักอะไรก็ทําได้ก็ทําไปอะไรเงี้ยค่ะป้าจ่าได้ทำแบบด้วยเหตุด้วยผลไม่ต้องไปทําด้วยความอยากไม่วจะต้องไปได้ไม่ว่าต้องี้ต้องไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ ทำทําพอทำตามหน้าที่ไปทำตามหน้าที่ให้ดีตามหน้าที่ไม่ถึงกับต้องแบบไปวิ่งอะไรคล้ายๆมากมายอะไรอย่างนี้ยค่ะให้คนเจ้าเช้าช้าเช้า <laughs> <ช> <laughs> อันนี้เราก็ <laughs> อันนี้ก็จะพูดเบาๆค่ะพรอาจารย์ก <laughs> ็ <laughs> พยายามทําทำตามตามตามงานแล้วก็ไม่มากเหมือนสมัยก่อนที่แบบแบกไปแล้วก็ไม่ได้อะไรค่ะแบกแล้วเหนื่อยแบกแล้วก็ทุก <laughs> มากด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ได้ให้มันเป็นอย่างนั้นให้อยากเป็นอย่างนี้ค่ะก็มีงานเข้าก็ทําไม่มีงานก็เงียบๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทําตัวนิ่งๆค่ะวันนี้ก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์จะพยายามปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเคนะสมาที่นั่งให้นานๆให้นิ่งให้สงบนะค่ะเป็นวันได้จึงเบาเนี่ยจากสุโขทัย บาเล็กจริาเปล่าเบาจรงเข่าค่ะสวัสตอนเช้าเจคะอาจารย์ยมช่วงนี้โยมรู้สึกว่าจิตคืออยากจะพักเพราะว่าตะก่อนเนี่ยโ ย, ยมไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเล้วค่ะพระอาจารย์ยมสดบนเฉยเฉยเจ้าค่ะลองที่โยมมแบบเดียพระอาจารย์ว่ายมจะลองดูว่ากิเลสมันขุดมาอยางนเจ้าค่ะทีนี้เพื่ออาทิตย์ที่ผ่านมายมก็เริ่มนั่งสมาธิใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับ มันดีขึ้นเจ้าค่ะจิตเหมือนมันมีเครื่องอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์มาฟุมงน้อยลงเจ้าค่ะที่อยู่ของจิตก็คือสมาธิเเจ้าค่ะทีนี้พอยมทําอะไรแบบระหว่างวอย่างนี้เจ้าค่ะพอแบบคือจิตเหมือนกับว่าเขาเขาเข้ามาอยู่เองเจ้าค่ ะ, คะพระอาจารย์เหมือนกับแบบมันไปทะเลาะอะไไปไหนแล้ว <laughs> ไ, ไปๆเจ้าค่ะก็แบบแต่ก่อนอนะ่ะพอผัดสามารถอะไรก็ เออเราก็เฝ้าดูว่ามันกระเพื่อมเยอะไหยอะไรไหมเจ้าค่ะอันนี้พอพอเราเริ่มปฏิบัติมากขึ้นความเพียรมากขึ้นเขาก็เริ่มเข้าฐานเจ้าค่ะเข้าฐานเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมก็ถ้าเรื่องอุปจารณนีโยมไม่ไม่ เหมือนกับมันปิดสวิตไปเจ้าค่ะอาจารย์โยมไม่ปรับขึ้นไปตรงนั้นเจ้าค่ะมัเดีไปมันไม่เกิดประอะไรตอนนี้ไปตอนไปตอนเสร็จงานนี่ก่อนแล้าได้เอาไปใช้ไดูเจ้ค่ะตอนนี้เหมือนกับมาเข้าสอนเทวดาสอนตัวเองก่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่างอื่นก็อะไรเจ้าค่ะอาจารย์อ้อแล้วก็มีคือโยมอ่ะมีรถโยนต์ที่โยมรักมากเจ้าค่ะเป็นเป็นรถยนต์คันแรก เราสามีก็ขายเจ้าค่ะต่ก่อนนิยมจะห่วงมากอันนี้ยเมื่อสองวันที่แล้วอา้าวรถคันใหม่มาเอารถคันเก่าอ๋อขายไปแล้วเหรอเออดีเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดเจ้าค่ะเฉยๆมากเออใจเป็นรูปเดาไม่รักไม่ชังนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เข้าสมาธิาาานะเจ้าค่ะไม่ต้องขาาาเข้าหลาอกเพราะเด็กขามันจะติดหอกจ้ะติดมากับใจเราหนอ่อกจากสมาธิมาเจ้าค่ะ เจ้าค่ะแต่บางทีโยมีจ้าคแต่มันก็จะจางมันแต่มันก็จะจางหายแน่ถ้าเราไม่กลับเข้าสมาธิบ่อยๆเหมนน้ำเหมือน้ําเย็นที่เราแช่ในตู้เย็นไปแล้วออกจากตัวเย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่นะเจ้าค่ะแต่ถ้าทิ้งมันนานเข้าเดี๋ยวมันก็หายอย่าใจเราก็มีเบี้ยวขาลเหมือนกันแล้วสมาธิมาใหม่ๆมันก็จะมันก็จะชเฉยไม่บุบวายไม่เดือดร้อนเจ้าค่ะถ้านนานๆเข้าเดี๋ยวเขาเริ่มบุบวายละ นะคะต้องเริ่มกลับเข้าฐานใหนม่อันนี้เจ้าค่ะพอดบีบางทีแบบโยมขี่มอเตอร์ไซค์เออคำภาวนามันก็มาเองหรือบางทีแบบเราอยู่นิ่งๆหลับตาเออมันไปดูลมหรือว่าแบบเขาเข้ามาฐานเองเ้าค่ะพระอาจารย์โยว่าดีดีมากๆเลยเจ้าค่ะ บ, บางทีเริ่มเริ่มเริ่มมีกําลังของมันเองไม่ต้องมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะ บางทีเข้าสมาธิในระหว่างที่แบบไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะยกก็เอาสักห้าห้านาทีสิบนาทีเก็บแจมได้เ <laughs> น, น้นนิ่งเฉยเดูลงไปพูดโทรไปเจ้าค่ะแล้วก็มองทุกอย่างเหมือนที่พระอาจารย์สอนเจ้ค่ะมองให้ไปที่ใจรักจ้ะค่ะคือมันก็จะรู้เองว่ามัน <laughs> มันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดับเงี้ยจ้ค่ะมีเหตุเกิดตามเหตุตามปัจจัย เหึงได้มีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเจ้าค่ะพระอาจารย์ยอมรับตอนนี้ยอมทุกอย่างเจ้าค่ะทีมีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอย่างนี้เจ้าค่ะไม่เสียใจเวลาสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ไม่ไม่ค่ะอย่างบางทีมีเรื่องให้เหมือนจะดีใจยกก็หัวเราะนนะเจ้คะแต่ข้างในมันมันมันแบบว่ามันไม่ได้ไปกับอมันเหมือนไม่ได้ไปกับอะไรเป็นกิริยา เรียกเป็นกิริยาไม่ไม่มีอารมณ์กับกิริยาในเร่องารทำไปไม่มีเจ้าค่ะไม่มีแอคชั่นข้างในแต่เออข้างนอกก็ทํำทำเรียนๆไปก็นะว่าเป็นชื่อบื้อไปเดี๋ยวลูกงอนไม่รักอีกลูกคิดว่าไม่รักเจ้าค่ะยมมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มาถูกทางแล้วพยายามเอาทางสมาธิให้มากๆแล้วก็ทางไปแล้ว เจ้าค่ะโยมก็ช่วงก่อนโยมอาจจะน้อยตรงสมาธิไปนิดนึงก็ค่ะอันนี้โยมกลับมาใหม่ให้มันบาลานสมาถาิกับวิปัสสนาใ น, น, นบาสนาสลับกันเจ้าค่ะ<ม>พระอาจารย์เหมือ น, นเท้าซ้ายเท้าขวาสลับกันเดินเจ้าค่ะเ <laughs> จ้าค่ะการนมัสการเจ้าค่ะ <laughs> าาสาธุเจ้าค่ ะ, น ค, ะคนอื่นทำไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่านะทีฟังว่าผมยารู้เรื่องบ้างนะโอเคไปที่คุณมารีต่ นาลนตอนนี้อยู่ก่อนทรรมาใช่ไหมค่ะอยู่บางบัวทองค่ะวัออนนี้จริงๆก็ไม่ไม่มีคาถามเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก่อนก่อนเข้าซูมอะค่ะก็ไปนั่งปฏิบัติมาแล้วทีเนี้ยเหมือนจิตมันกระจายมันไม่อยู่ในทางค่ะก็พยายามดึงแล้วก็ปรับเข้ามาสักพักหนึ่งมันก็ เริ่มเริ่มอยู่ในทางแล้วมันก็ไปเหมือนมีการตกหลุมหรือว่าสะดุดอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วเสร็จพอหลังจากที่มันตกปุ๊บเนี่ยสักแป๊บหนึ่งมันก็เริ่มเหมือนนิ่งเลยค่ะเข้าทางแล้วมันก็นิ่งนิ่งนิ่งเสร็จแล้วทีเนี้ยไม่อยากจะออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อจิตสงบมันก็ไม่อยากจะไปไหน แล้วทีเนี้ไอ้ตรงที่มันทําไมมันต้องมามาตกมากระตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเปนเป็นเป็นลักษณะของการเข้าสมาธิของจิตมันตกกรเชุ่งลงมามันมันเป็นการเตรียมเตรียมของจิตเหรอคะว่าก่อนมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนระดับบินเนี้ยเหมือนจะรื่องบินนีะลดระดับบินลงแล้วพอพอพอหลังที่มัน ตกปุบเนี่ยหลวงพ่อมันเหมือนมันคุมได้อะมันก็จะนิ่งของมันเข้าเข้าทางไปอนั้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรไปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆอ๋ อ, อคือแต่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นต้องแบบนี้ทุกครั้งใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่จําเป็นทุกครั้งบางทีอาจจะอาจจะตกน้อยหน่อยตกมากหน่อยอแต่หนูสังเกตช่วงเนี้ยพอ พอมันกระจายแล้วพอสักพักมันมันกระตดดหรือว่ามันตกเนี้ยหลังจากนั้นมันก็จะเหมือนเดินเข้าทางของมันไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ไม่สําคัญอะมันจะเข้ายังไงก็ได้คล้ายมันเข้าก็แล้วกันค่ะหลวงพ่อมันจะกระตดดไม่กระโดดก็ไม่เป็นไรคล้ายมันนิ่งก็แล้วกันตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเราเราจะหลับเหรอแต่จริงมันไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันรู้รู้ตัวตลอดค่ะว่าเหมือนเหมือนคนเดินสะดุดเนี้ยค่ะแล้วก็ ตั้งตัวแล้วก็ไปนิ่งๆไปเลย อ, อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเดนั้นนิ่งนานไหมล่ะก็เนี่ยมันก็จะมาออกตอนที่ว่าเดี๋ยวรายการหลวงพ่อจะมาแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่อยากจะออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยไปให้มันออกมาปล่อยให้มันออกมาเลยค่ะหลวงพ่ อ, พอสมพออ<ต>ค่ะแล้วตอนนั้นยั ง, ยงไม่สํคาคัญสำคัญที่ให้มันอยู่เพรามันไนิ่งกันานๆค่ะหลวงพ่อทีนี้ พอหลังหลังจากชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าที่ผู้เจ้าสอนว่าวันเวลาผ่านไปแล้วเรามมดทําอะไรกันอยู่หนูก็มาฟังฟังเทศฟังที่หลวงพ่อสอนว่าช่วงเวลาที่เราทํางานหรือเราไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปคิดให้เราอยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปตลอดแล้วแล้วทีเนี้ยไอ ทำบริกรรมพุตโทเนี่ยมันสามารถเหมือนไปกับกับกับลมหายใจเราได้ตลอดช่วงที่เราไม่ได้ใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไหมคะได้ได้ฟุตโทอยู่กัลมไปใน่คิดเรื่องนั้นนั่นนีถ้าทีเนี้ยพอพอหนูก็มาสังเกตตัวเองว่าถ้าปกติเมื่อก่อนนะมันเหมือนมันจะคิดโน่นคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้แต่พอพอมันจะแวบไปมันจะนึกถึงว่า ไม่เอาไม่เอาอื่นๆมาใส่ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธตลอดอย่างเงี้ยถือว่าเอถูกต้องนะถูกต้องถือว่าเป็นเป็นแบบเก็บสติไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ในการจะรักสติไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราพูดโธนี่จะมาเก็บแต้งไปเรื่อยค่ะแล้วแล้วอย่างบางทีเราเกิดสมมติเราไปได้ของอะไรที่เรา เราไม่คิดว่าเราจะได้เงี้ยแต่ใจอนะหลวงพ่อครับมันมันไม่ได้ยินดีหรือว่ามันไม่ได้แบบอะไรอย่างอย่างเงี้ยมานทำไปเฉยๆก็ได้ถ้าไม่ยินดีเวลามันมันมันสูญเสียไปก็จะไม่เสียใจอ๋อค่ะหลพ่อคือก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมทําไมแล้วไม่จิตจะไม่หิวไหจิตนั้นมีเบรคขามันก็จะไม่หิวต่ออะไรเราเราไม่รู้สึกว่าเออเราดีใจหรือว่าโหเราได้มันมนาหรืออะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อ ปฏิบัถูกต้องนี่ยปฏิบัติเพื่อให้ใจเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายกับอะไรคือตอนแรกที่จะสมมติว่าจะได้ไม่ได้เงี้ยคนรอบข้างก็จะบอกว่าโอยตั้งเยอะนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่เหมือนแสดงอาการเสียใจหรือว่าถ้าไม่ได้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราเฉยเฉยคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็เฉยเฉยอย่างเงี้ยมันนั่นแหะเจ็บที่ได้สมาธิมันจะเป็นแบบนี้มันจะได้บวเบค่ะ ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเพียงแต่ว่าก็ทำไปตามหน้าที่ว่าอ้าวเอาให้ติดตามก็ติดตามไม่ติดตามก็ต่อไปก็อาจจะเบื่อเรื่องทำอะไรก็ได้ไม่รู้จะทำไปทาไมก็มีคุยเกิดที่บ้านถามว่าคือถ้าถ้าไม่ begun, ไมีภาระเนี้ยอยากจะไป อยากจะไปที่เคยคุยกับหลวงพ่อไว้อะค่ะแต่ทีนี้ที่บ้านเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นมาหลายคนแล้วว่าตัดสินใจไปทางนี้แต่บ้านไปแล้วไปไม่ถึงก็เหมือนเหมือนลาบากเหมือนต้องแบบอับอายต้องอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่น่าอาไปตรงไหนไปไปไม่ถึงก็กลับมามันไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเสียหายไหนกลับมาแล้วมาทางานของเราต่อได้ทาไับแต่ถ้าไปจริงๆก็ไม่กลับหรอก แต่หนูก็หนูก็แย้งไปว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าคนที่เขาตั้งใจจริงๆเขาเดินมาทางนี้มันก็ต้องประสบความสำเร็จเหมือนเหมือนที่พุทธเจ้าสอนใช่ไหมคะใช่ที่กลับมาไกรเขาไปไปแล้วไม่ปฏิบัติคไปทำากับข้าวไปทำไปยู่กับคนนั้นไปทะเลาะวันนี้เดี๋ยวมันก็กลับมา เขาบอกเขาบอกว่าจริงๆไปถ้าไปทางนั้นอะ่ะมันก็ต้องไปเจอคนหมู่มากเดี๋ยวก็ต้องไปมีเรื่องมีราวนะอย่าไปวัดแบบนั้นเสร็จรไปว่าแบบไม่ต้องเจอคนเนี่ยไ ป, ปิดวิเว้ไปเรื่องไปแบบไก ป, ปิดไม่เว้วัดไหนมีคนมีกิจกรรมสังคมกุ้เคากันก็อยา่าไปวัดที่ท่านให้ปิดวิเว้อยู่คนเดียวยกเว้นเวลามาทํากิจวัดจําเป็นเช่นช่วยกวาดทำความสะอาดอะไรนี่ รับประทานอาหารคำนั้นก็แยกกันอยู่ต้องไปวัดปฏิบัติตอย่ไปวัดที่รวมกลุ่มสวดมนต์กันทำกิจกรรมทำดอกไม้ทำอะไรทากับข้าวทำอะไรกันแบบไม่มีวัดจบวันสิ้นไม่ใช่ถ้าอเดี๋ยว ต, ยต้อ ง, งไปภาวนาตอนนี้ไปเพื่อให้เราได้ภาวนามากกว่าที่เราได้ทำในอยู่ในขณะนี้นในความมา ต้าไปแล้วกับทำน้อยกับตอนนี้ก็อยากไปอีกคือตอนเนี้ยหนูหนูก็อยากจะไปไปที่ที่วัดถ้ำที่หนูเคยไปอ่ะแต่ว่าตอนช่วงเนี้ยเขามันเป็นโรคเนี้ยเขาไม่ให้หนูเขาบอกมาจากพื้นที่เสี่ยงเขาไม่ให้เพ่นผ่านไปไหนเนี้เราไม่เป็นไรตอนนี้ก็รอไปก่อนน่าเราพูดถึงระยะยาวเราพูดถึงว่าไปแบบไม่กลับเลยคือ คือถ้าใจแบบว่าอยากจะไปทังเนี้ยมันอยากจะไปบ่อยๆแต่มันติดค่ะหลวงพ่อมันถ้าถ้าเกิดสูงเราไม่พยายามไปบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจมันก็จะห่างห่างไปหนูคิดแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อถ้ามันมีเหตุมันเป็นอะถ้าใจถ้าใจเรายังอยากอยู่ไม่ได้ไปเพราะเพราะมีเหตุอื่นนี้มันไม่มันไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ไปเพราะไม่อยากไปอันนี้มันจะเป็นตัวตัวตัวร้ายตัวที่จะทําให้เราไม่ไปอยู่เรื่อย คนละอยากกันไม่ต้องกลัวถ้าจะไปแล้วมันมีเหตุห้ามไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเหตุหมดปั๊มันก็จะไปมันเองแต่ถ้าไปเพราะไม่อยากไปนี่มันีอ้ตัวนี้นะตัวร้ายตัวที่จะทําให้เราไม่ไปตลอดคือคือนึกอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่มันจะแบบสะดวกที่จะไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อคือใจอยากไปแต่ว่ามันยังไม่ได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาการลาดเทศะ ค่ะห่องอคะอีกอีกคำถามหนึ่งแล้วที่ครูบาอาจารย์ที่เวลาท่านไปไปปีคนเวลาไปปีกที่ที่ท่านสำเร็จมาส่วนมากคือท่านจะไปองเดียวใช่ไหมค ะ, ะท่านไปองเดียวท่านอยองเดียวก็วจะได้ไม่ต้องมามีอะไรมาเป็นภาระเหมือนพระพุทธเจ้าตอนอยู่รวมกับปัญจวัคคีย์ห้าลูกก็ไม่ไม่บรรกุพอปัญจวัคคีย์ ที้งพระพุทธเจ้าไปหมรเจ้าอยู่คนเดียวก็สบายขหลง่ ว, วันนี้หนุก็มีคาถามแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อได้ขอบพระคุณหลวงพ่อ<ต>ค่ะสาธุคิากเรียนยองใช่คิอยู่อำเภอไหนคิอำเภอะะอะไรอำเภอเมืองเจ้าขอย่างไรนะมีรไหมมีค่ะพระอาจารย์ พอดีหมูนั่งสมาธิแล้วมันติดคือน้ำลายค่ะอาจารย์ก็ปล่อยมัไหลไปไม่ต้องไปคืนนะจ๊ะไม่ต้องไปสนใจการมาที่พุดโธที่ลงไปเดี๋ยวมันก็มันก็หายเป็นเป็นัหาไปมันไม่ไหลหรอกเราไปคิดถึงมันมันก็ยิ่งไหลอ่ะฝืนซูมมันอยากมันอยาฝืนมันใช่ไหมคะอาจารย์ฝืนไม่ต้องไปสนใจมันจะไหลก็ปล่อมันไหลไม่ต้องไปคืนนผมไม่ต้องไปสนใจเลยใช่ให้มันไหลหรือเขาามาชิดปากเช็ดหน้าล้างหน้าได้ ถ้ามันจะหลายจริงๆแต่มันไม่ไหลหรอกพยายามจะไม่กต่มัเหมือนแบบแสดงว่าสติเราไม่ดีสติเราไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมกันเลยไปยู่กับเรื่องอื่นพยายามหนึ่งมันกลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ไม่อยู่กับลมไปจะกำหนดอนน่านจะดูลงไม่ไม่ได้กับพุทโธจะอาจจะดีกว่าก็ได้ค่ะอาจรย์มีคําถามเดียว บางทีก็คันมากอยากจะเกาาอะไรก็เกาไม่ค่้ลายหรืออาจต้องน่นหน้าอกบ้างแน่นศีรษะบ้างอันนี้เป็น อ, อ, อาการของกิเลสนะการของกิเลสสมัยอยากขืนน้ำลายนี่เป็นกิริยากิเลสอาการของกิเลสมีมากขึ้นเวลาดูหนังเห็นไม่อยากคืนน้ำลายก็ดูไ้เพ่อเคยเลยใช่ม จะ พ, พยายามไม่ไม่นึกถึงให อ, อยู่กับพุโทโธไปนี่ อ, อยู่กับลมไปให้ อ, อยู่กับลมไม่ได้ดรก็รเราพุโทโธดูครับพุทโธไม่ได้ก็เราสวยอินทรียปิาวไปก่อนก็ได้อบคุณนะขอบคุ ณ, คณปราโมทย์าาการจากศรีราชาพิธีมรดกเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าคะต่อจาก ความคุณบิสนะคะกับที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของกิเลสสมาเนะะี่ยค่ะมานในที่นี้หมายถึงมาที่ที่เป็นมานบุคคลอื่นหรือว่าเป็นามานมีนก็คือตัวที่มันขัดความความเจริญในการปฏิบัติของเราตัวเราตัวมันไม่มีตัวตนใจของเราเองไหมเจ้าคะเราสมมุติเราสมมติท่านขึ้นมาอะไรที่ขัดขวางการปฏิบัติของเราแล้วก็ถือว่าเป็นมาทั้งนั้นขันดับกิเลสมาเนี่ย ความที่ไม่มีเรื่องมุ่นเร้นนี้ขึ้นมาเราไม่มีเห็นในอดีตเรื่องกิเลสเรื่อร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดอนันนี้ก็เป็นขันธมาคือเป็นความบวชพ้งงองของร่างกายัราสามาได้อากาศร้อนอาจาศหนาวไปผิวปไปนี่กเรียกว่าเป็นมารทันัเพราะนั้นจะกําจับได้ก็โดยการ ให้สติพูดโทรอย่ทงเดี๋ยวสวดมนต์ไปอย่าไปสนใจมันมันจะขวางเราก็ใช้พูดโทรทชนมันไปได้มันรถนรถที่รถรถไถหรืออะไรขวางหน้าก็ไถมันไปเลยพูดโทรศทนี่คือรถไถเนี่ยค่ท่านท่านี้เจ้าค่ะคุณบิวตี้จากบูเก็ตมีอะไรไหม กรรมนมัสการเจ้าค่าวมี ร, วร่วมทำบุญเครื่องสักผ้าเลยนใช่เจ้าค่ะอนุมโมทนาอนุมโมทนาสาธุเจ้า<น>ค่ะครับกเ็เหมือนครั้งก่อนนะคะเหมือนเอจําได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าเอาถ้าเกิดว่าบวชพระใช่ไหมคะผู้ชายอะ่ะก็คื อ, เ, อเราถ้าเกิดบรรลุสามารถเหมือนให้ช่วยให้พ่อแม่อะ่ะ เออเหมือนอะไรอะคะติดตามบวชได้มีบวชตามพ่อแม่พ่อแม่เห็นลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็ขอบวชตามอ๋อไม่ใช่ว่ายกเหมือนกับอ๋ อ, อ, อเข้าใจแล้วคะ่ะพอะพุทธเจ้าพระพระพุท ธ, ทธเจ้าบรรลุแล้วแม่ก็อยากจะขอบวชตามปรรยยาก็บวชตามลูกก็บวชตามอ๋อค่ะแล้ว เ, เคยแบบฟังเรื่องราวแบบในอดีตมาเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้า เล่าพูดแสดงธรรมอะค่ะแล้วก็เออยู่อยู่อาบางบางท่านก็บรรลุธรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะแบบสามวันเจ็ดวันหนึ่งใช่เพราะเขาเข้าเขาเขา้เขาใจเข้าใจเรื่องอริยสัจสิี์เข้าใจเรื่องใจละเขาก็เขาก็ปลงได้วางได้ความทุกข์ใจที่เขาทุกข์กับเรื่องนั้นเรงนี้ก็หายไปแล้ ว, ลวพอจะมีโอกาสในในยุคปัจจุบันบ้างไหมคะมีมี ถามวันจ็ดวันอยู่ที่เรามีสมาธิหรือไม่สมาธิจะเป็นตัวที่จะทําให้เราเข้าถึงปัญญาได้ง่ายถ้าไม่มีสมาธินี้เข้าไปถึงปัญญาหรือแม้จะได้ยินก็ไม่ไม่สามารถเอาปัญญาที่เราได้ยินมามาใช้ดับกิเลสได้เพราะขาดสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้ว ฟ, ฟังฟังทับป้บอมฟังเข้าใจป้อมมันก็จะเอามาดับกิเลสได้ อับการกได้ั้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ็ตนตอนต้นปัญยาปรึกสมาธิให้มากากว่าทำปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเยอะเรื่องเราทียาสันั่งใจนักันมามากพอแล้วแต่ยังโป่งไม่ไดย้ยังตัดไม่ได้เพราะไม่มีกำลังต้องมีสมาธิถึงจะมีกำลังอืม พระพุทธเจ้าตอนที่แสดงธรรมั้างแรกก็มีพระปัญจวัคคีห้ารูปท่านเหล่านั้นมีสมาธิกันหมทุกรูปท่านเข้าชาใจกันได้พอแสดงอริยสัจสี่ว่ า, ารูปหนึ่งเข้าใจก่อนก็บรรูุก่อนะมีดกได้ทำเห็นว่าเสถียรมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็น น, นิจจ์เห็นใจรักเห็นใจรักก็เลยทําให้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปพราะก็มีูปเบกขาถ้ามีสมาธิแล้วพอเข้าใจว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดนั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยอมรับเท่านั้นเองยอม่ห้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไม่ไม่ต่อต้านถ้าไม่มีสมาธิมันจะต่อต้านใช่ไหมยังไม่ยอมแก่ใช่ไหม มันอยากจะสาวเป็นนานๆสวยไม่สา่งบ้าไม่รู้เลยพ้าามีสมาธิถ้าได้รู้อยู่ในปัญญาทุกคนต้องแก่ใช่ไหมเห็นหน้าเราก็แก่แล้วเป็นยังไงแต่ยังไม่ยอมนะแล้วถ้าแครแบะแบบพระโสดาวันนี้ก็คือไม่กลัวความแก่ความเจ็บควอ๋อพระโสดาบันก็ไม่กลัวแล้วเหรอคะไม่กลัวแล้ว ย่อมแก่ย่อมเจ็บยอดตายได้ <Okay. S 1> แต่ยังยังหวงสามียังหวงภรรยาอยู่ mm hmm. ยังไม่เห็นอสุภะต่อไปต้องเห็นอสุภะของสามีของภรรยาแล้วก็ไม่หวงใครอยากจะได้ของที่ก็ออกไปเลยยังยั ง, งงงอยู่เลยเจ้าเขา้าอ่ะอสุภะที่พูดกันนี่คืออะไรก็เของที่ไม่สวยงามในร่างกายไงอ๋อค oh, okay. mm ่ะ hmm. อมันอยู่ข้างในมัน มันถูกปกปิดด้วยหนังมาถึงต้องพิจารณาการสานุกมสเพืจะได้เห็นเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นโคงกระดูกเห็นลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าเห็นอุจจาะปัสวะมันมีอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนพวกเราไม่เห็นกันไม่มองกันก็เลยไปหลงลักองขี้กองอุจจาระกันไปไม่รู้สิ่ตัวป้ามาแกะหลงเข้าหน่อย เดกลคีมอ่ะเ ด, อเดี๋ยวมาเดินมากับุมพ่อดูทำแค่นั้นรอทนจ่ิญพอ่อสบาดีนะครับอโอเคมื่อกี้ค่ะ สามีเดินมาถามว่าถามแค่นั้นเหรอพอดีเมื่อกี้ก่อนเอ่อก่อนเข้าซูมอะค่ะคือซ้อมคําถามไว้แล้วก็มีคําถามหนึ่งก็คือว่าเนี่ยพอพอเอ่อไม่ได้ปฏิบัติอะค่ะก็เริ่มกลับมากินหัวสามีค่ะ <c oughs> โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะค่ะ<ต>ขอบคุณเจ้าค่ะคุณธนาพลต่อคุณธนาพล ตรงนั้นค้าไม่อยู่นะคู่ค้าไม่อยู่นอ่าประดี๋ยวตอนนี้นมัธ ก, การครับอาจารย์ประดี๋ยวว่าเขามีประชุมเรื่องอ่าอ่าการช่วยดูแลกับผู้ผู้ป่วยโควิดที่ที่เป็นโฮมไอส์โซเลชั่นนะครับอ่าเขาก็เลยไปทําหน้าที่ตรงนั้นด้วยกับถ้าเป็นหมอเหรอไม่ครับก็ก็เป็นอาสาใช่ไหครับเขาเป็น อ, อาสาครับก็ไปเป็นาาาาาเป็นซีไอ เ, เ, เรือว่าเป็น c ีอเงี้ยครับก็ไปช่วย ช่วยดูแลว่าผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับบางทีเหมือนกับเราก็รับรายการรับอาการเขามาแล้วก็แจ้งทางทางคุณหมอที่ที่เป็นผู้แนะนําำครับวันนั้นครับวันนี้ไม่มีคําถามครับอาจารย์ก็เราก็ได้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็ก็ทราบขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆครับเวลาเรา ถ้าปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิมันก็เห็นอะไรขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มันก็มันก็เหมือนมันไม่ไม่มีคําถามะครับมันก็มีคําตอบของมันออกมาได้เองนะครับดีปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะมันจะเห็นอะไรในจิตใจเรามากขึ้ใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นออกในรูปนั่นนะครับมันก็จะเห็นแล้วเห็นฝ่ายคุณอนเห็นฝ่ายคุณศรครับครับใช่ครับแล้วแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเออเราเรามี เห็นคำตอบแล้วเห็นอย่างนี้ที่เราจะทาได้หรือไม่ได้ครับอันนี้อยู่ที่ทําได้หรือไม่ได้ครับยูเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากจะเดินตามมันก็ไปหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เราเลยครับครับ ไ, ไ, ไปที่ท่านต่อไปนะครับคุณพันธิฐานเนยคุณพันธิฐานอยู่ที่ไหน สวัสดีครับพระอาจารย์ อ, อยู่กรุงเทพครับกรุงเทพนะมีคําถามไ ห, ไหมมีคําถามนะครับคือตอนนี้ผมมีแนวทางการปฏิบัติอยู่สองเส้นทางนะครับ เ, เส้นทางแรกก็คือเป็นเส้นทางที่ครูบาอาจารย์แนะนํานะครับก็คือ อ, อดูอยู่กับกายอยู่กับลมอยู่กับคําบริกรรมแล้วก็พอพิจารณาไปอะครับมันก็เหมือนกับ เออใจมันว่างแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันว่างมันก็ปล่อยแล้วมันก็เกิดอัศาจรรย์ขึ้นมันก็จะพิจารณาจนถึงจุดนั้นนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือปล่อยไปเลยไม่ไม่ไม่มีบริกรรมละแต่ว่ามันสงบแล้วก็ดูความอยากดูความไม่อยากแล้วก็พยายามพิจารณารักษาใจตัวเองอยากจะทราบว่าให้ผมกลับไปทำ วิธีแรกคือฐานให้มั่นแล้วก็ทำหลุมนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าพิจารณาในเส้นทางที่สองครับตอนนี้คืออยากรู้คือมันเป็นของที่ปฏิบัติยากกันไม่ได้ปฏิบัติพร้อมกันใช่ค่ะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปฏิบัติทั้งสองอย่างแต่ต่างวาระกันใช่วาระแรกก็คือฝึกสติพุทโธให้จิตสงบ นิ่งเป็นสมาธิสักแต่ว่ารู้ไม่คิดตรงแต่เป็นอัปปนาสมาธิถ้ามันนิ่งเฉยๆนานๆอันนี้เรียกว่าการจเจริญสมถะภาวนาแล้วพอเราออกจากสมาธิมาเราก็มาจเจริญนิพพานะดู ด, ด, ดูถ้าดูจิตได้ก็จะดูจิตก็ได้หรือว่าโลคปวดน้อนงหรือป่าถ้าโลคปวดน้อนงม็ต้องตัดมันระงับมัน ด้วยการเห็นไตรลับใช้ใช้ปัญญาพิจารณาก็หยุดความโลภโลกรนหลงต่างาจิตไปโลภอะไรก็ต้องพิจารณาเช่เนไปโลภอยากได้แฟนก็พิจารณาว่าแฟนไม่เที่ยงนะไ้มาแล้ววันดีคือดีจะจากกันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจากแล้วก็จะเสียใจนะถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อยา่อยาไปมีแฟนดีกว่าแนวปัญญา ครับสลับกันเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ใช้ปัญญาเวลาอยู่ในสมาธิก็ให้นิ่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรแล้วอีกการพิจารณาไปจากที่ผมบอกครับก็คืออ่ในจิต่มันว่างแล้วก็พอกายในพิจารณาไปมันก็ปล่อยแล้วมันก็เหมือนกับสว่างอมันไม่ได้ปล่อย<ต>เราคิดว่าปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยจริ ง, ต, ง, ต, งต้องไม่กลัวตายต้องไม่กลัวเจ็บครับ ใช่ยังกลัวเจ็บกลัวตายอยู่ก็ยังว่ายังแสดงว่ายังไม่ปล่อยก็คือเคยพิจารณาแขนนะครับแล้วแขนมันก็เหมือนเหมือนถูกตัดไปเลยผมก็เฉยเฉยไม่ใช่มันไม่ถูกตัดจริงยงเราไปให้มันถูกตัดจริงอยู่มันจะเฉยได้ไหมครับก็ผมว่าผมว่ามันมันก็คือไม่เสียไปวันนี้ก็เสียไปวันหน้าครับใช่มันคิดได้มันทําได้เปล่าตอนผมไปที่วัดวัดหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนตาตาขาวอ่ะ มันโดนควันเยอะๆอะครับแล้วมันก็เลยเหมือนกับแปกแล้วมันก็ค่อยย้อยลงมาผมก็นอนอยู่ในกุฏินั่นนะครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปรักษาจนตามันเข้าเข้ารักษาหายดีก็คือผมก็คิดนะว่าเสียก็เสียไม่ได้ไม่ได้คิดว่าต้องไปรักษาประมาณนั้นนะครับก็ผมตัวว่าผมก็ผมก็ปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเป็นไ ป, นปนตามสภาพมันได้ครับไม่ได้ฝืนถ้าันผมตายปล่อยมันตายได้ปะ ก็ความกลัวมีบางครั้งที่สมาธิครัาไม่พอก็จะมีความกลัวคแล้วมานยไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยจริงนะครับถ้าปล่อยไม่นจะไม่มีความกลัวเราเหลืออยู่เลยครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้มันมีอยู่สองเส้นทางว่าจะพิจารณามันส่วนมันต้องทําทั้งสองเส้นทางสลับกันทำทำไม่ได้ทำอย่างใดอย่างเดียวทําสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ปัญญาทำปัญญาจนไม่มีสมาธิก็ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ ครับก็คําถามเท่านี้ครับอาจารย์ยครับอาจารย์นะคนสมชายเลยคนสมชายอาจารย์กาแ็กซี่สมชายครับน้อมสกการณ์ครับอาจารย์ครับออยู่ที่ไหนครับผมสมชายอยู่ที่กรุงเทพครับ อ, อันนี้โชคดีมากเปิดแล้วก็เจอสูมของพระอาจารย์พอดีพอดีตั้งใจจะถามแต่ ว, ว่าฟังฟัง ที่พี่เขาพูดเมื่อกี้ก็พอจะกระจ่างไปส่วนหนึ่งทีนี้ผมเล่าให้อาจารย์ฟังในเรื่องของการปฏิบัตินะครับยาวๆนะเพราะมันคนเราคำถามเยอะใช่ๆก็คือว่าให้ถามมากกว่าเต่ก็อยากจะถามว่าคือพอนั่งสมาธิเนี่ยผมก็นั่งไปแล้วก็มันเหมือนกับนิ่งไปแล้วก็ไปคิดแล้วก็มันนิ่ง นิ่งอยู่ตั้งนานกันบางครั้งก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในสมาธินี่ตรงเนี้ยมันจะต้องทอํายังไงครับอาจารย์ก็ให้มัน น, น, น, น, มนิ่งไปนานๆฝึกจิตให้มันนิ่งให้มันเฉยเวลาออกมาจะได้เฉยได้เวลาใครด่าจะได้เฉยได้นะเห็นอะไรหน้ารักก็เฉยได้ไม่อยากได้แ้ารฝึจิตกกให้มันไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็น ถ้ามันไม่ได้นิ่งวเวลาออกมาป้อเห็นอะไรป้องมันก็อยากขึ้นรัชกชาขึ้นมาครับในเวลานิ่งนะมันพยายามนิ่งมา น, นานแต่ให้มันคิดอย่าให้มันทํำอะไรให้มันอยู่เฉยๆนั้นไปนานๆเป็นกว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วถึงว้าออกมาครับอาจารย์แล้วต่อไปเวลาเราเห็นอะไรเจออะไรได้ยินอะไรเราก็จะเฉยๆได้ไม่รุนแรงไปกับ เลยใจมันจะเป็นเหมือนหินแทนที่จะเป็นเหมือนปุยนุ่นคนที่ไม่มีสมาธิใจเหมือนปุยนุ่นมอย่างน่นละเวลาลมพัดมา เ, าเปาๆก็ปลิวไปเลยแต่ถ้าคนที่มีสมาธิทำเป็นเหมือนเหินลมพัดมาก็จะจะนิง่งจะไม่ไม่ขยับครับอาจารย์นี่เป็นสมาธิเราการให้ใจนิ่งเป็นเหมือนหินครับอาจารย์ และใช้ปัญญามาหยุดความอยากความโลมความโกรธความหลงได้ครับอาจารย์อาจายนะครับครับผมครับครับครับนุสการครับอาจารย์ขออภัยด้วยนะที่ไม่สามารถให้เล่าได้นะเพราะคนเยอะคนรอคำถามเนี่ยครับโอเคต่อด้วยคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์อยู่ที่ไหนยไม่ได้เปิดไมค์คุณสมบูรณ์เปิดไมค์ก่อนอันวิว ถามนวัต ก, การครับอาจารย์อว่ามาเลยมีคําถามอยู่อัดใหญ่ครับอยู่อัดใหญ่ก็มีมีคําถามครับอาจารย์ครับยังมีคำถามคือคืออย่างนี้เวลาพอนั่งนั่งสมาธิไปเนี่ยจนเราจิตเรานิ่งๆนะครับพอนิ่งไปแล้วเนี่ยอา่าก็จะพิจารณาอย่างที่อาจารย์บอกก็คือพิจารณาอย่างพิจารณ์ ก, ก, กายใช่ไหมจริงยังไม่ต้องพิจารณาเวลาเน่งให้มันมนิ่นไปนาน ไปเป็นขนาดตอนนิ่งมาหลายปีมาหลายปีแล้วไม่ไม่มเป็นขนาดที่นั่งสมาธิเวลามันนิ่งอย่าไปทําอะไรให้มันนิ่งพิจารณให้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยพิจารณาอย่งอย่างอย่างเวลาพิจารณาเอ่อไอไอหนังหนังหุ้มหุ้มหุ้มอะไรนะฮะหุ้มท่าศีเนี่ยผมต้องไปดู anatomy ไหมครับว่าไตับหัวใจอะไรผมอยู่ตรงไหนเนี่ย ผมจะไปดูก่อนไม่ให้ดูว่ามันสวยงามหรือไม่สวยงามอาจารย์อ๋อเวลาเห็นนางงามจะได้เห็นว่าโอ้ยเห็นอนาตอมี่ของนากงานมันก็จะได้เห็นนางงามแล้วก็ก็งามครับถ้าจลต้องเห็นอนาตอมี่ของเราด้วยก็จะได้เห็นครับเองนต้องอย่างงั้นเห็นแล้วก็มาประกวดอนาตอมี่กันแล้วไม่จะประกวดนางงามแล้วเราไม่เห็น แล้วถ้าเราพิจนารณาตนตอนี้บวแล้วก็จะเห็นรวลานาตอหนี่บมในใก็เห็นครกดูกเดินไปเดินมาเห็นปวดปวดตับลำไส้อะไรยไู่ในในร่างายนั้นต้ให้เห็นอนกันนั้นจดีวได้ตัดกรรมาลได้ข้อมายของการที่จะตัดสุภาพเพื่อตัดกรรมมางืง ม, มันมีมันมีคาถามอีกอีกคาถามนึ่งครับอาจารย์ครับเวลานั่งพอนั่งนิ่เนี่ย เอ่อลเวลาเราพิจารณาระหว่างที่เรานิ่งนะฮะมันก็จะมีลมพิจารณาไม่ควรพิจารณาไม่ควรพิจารณาอ๋อให้นิ่งปพิจานณาพิจารณาตอนออกมาแล้วตอนออกจากสมาธิเราให้พิจารณาจะพิจารณาอะไรก็ได้รักก็ได้ตายรักก็ไอ้อ๋อนิ่งไม่ต้องไปทำอะไรพอดีมีเสียงไอหน่อยเข้ายมพ่ออยู่ในโรงพยาบาลโอเคไม่เป็นไรมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับกับ ต้อการอาจารย์ครับควจะแยกเวลานะเวลาทําสมาธิต้อไม่คิดไม่พิจารณานะเวลาจะสมาธิแล้นะตอนเนี้พิจารณาได้นะดูพ่อเป็นตัวอย่างต่อไปเราก็ต้องเป็นพ่อเหมือนพ่อพิจารณาอนิจจ์ความแก่ความเจ็บความตายครับนะตอนนี้พิจารณาได้แต่เวลานั่งสมาธิอย่าไปพิจารณานะอ๋อครับครับเข้าใจาแล้วนะเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับอ ที่ท่านตอบไปคุณสอนดวงแลวสอนดวงจกสวรรเขตมีอะไรไหมจะมีค่ะอาจารย์เข้ามากราบอาจารย์แล้วก็เข้ามาฟังร่วมฟังทำต้องเฉยๆนะสบายดีนะไปดูโอเคเดีนไปที่คุณตุ๊บต๊กะ่ะคุณตุ๊ต๊กที่ไหนคุณตุ๊ต๊กค่ะนรมาสการพระอาจารย์ค่ะ จากลําลูกกาปทุมธานีค่ะในคำถามแม่วันนี้อวันนี้ไม่มีค่ะเข้ามาฟังถามค่ะโอเคค่ไปที่คุณหมอสุทัศชีต่อสทัศชีสัมภาระแพทย์วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่มีนะโอเคเียไปที่คุณหมอณัฐวุฒิหมอนอนุท ว, วมตนม่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมครับครับนะไม่ไม่มีพยียงปฏิบัติอยู่ตัวนี่กันล้วจะโดนท่าไปทําเคสอีกเลยก็ก็ยังไม่ได้กลับมาเลยเนียกลับมาแล้วครับแต่ว่าพอดีมีเคสฉุกเฉินเดี๋ยวต้องเข้าไปใหม่ครับอ๋อเป็นวันก็ลำบากไปนะครับพยายามนั่งเลยก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็ก็ก็นั่งแต่มันก็เออ ได้ในระดับหนึ่งครับเวลามันต้นเดไปเยอะครับมันเหมือนมอนมนมนอยู่ขับถนนใต้ทางด่วนมันขึ้นทางด่วนมันปจะไปแบบตลอดนอดขับม้วนเดียวจบเ้างหน้าเลยว่าติดไฟแดงแล้ว่าติดอุบัติเหตุติดอะไรใช่ครับก็พยายามทำไปเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันเพรายังยังมีกรรมเก่าติดตัวมาอยู่ครับทำมันต้องใช้กรรมเก่า เช่นยก็ก็พยายามนั่งสมาธิพย <ข grip. S 1> ายามนะครับทาพยายามพยายามพยายามไปครับโอเคทอไปนะครับยังไปที่ท่านต่อไปรกระจายพืชนะกระจายพืชเออยู่ที่ไห น, นกระจายพืชสวัสดีครับอยู่ลามํำแหงครับอาจารย์ครับเป็นคำถามอะไรไหมเอ่อมีคำถามนิดหน่อย Norweg ครับคือปฏิบัต แล้วนิ่งๆอะนะครับมันทำบุญกรรมหายไปยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็บางครั้งก็จะงงๆว่าเออฮแล้วนิ่งแล้วมันว่างแล้วก็ไปคิดแล้วเราก็กลับมานิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดง ว, ว่าจิตเข้าๆออกได้ยังยังไม่ได้เข้าไปในสมาธิเต็มตัวครับไปยัางมุขภาพทีอยู่นะครับ ต้องไปเต็มตัวมันจะไม่ยิงย่งไปตลอดเลยครับครับผมพยายามใช้พุโทโธต่อไปให้มันยังกระดานไี้อยู่ว่าพุโทโธพุโทโธต่อมันยังอยู่พุโทโธดูลงไปครับมีมีคำถามเลยครับเพื่อนๆเขาบอกมันเป็นความเชื่อว่าถ้าถ้าเป็นคารวาสสำเร็จคาราหันแล้วจะอยู่ได้แค่ วันอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกังวลหรอตอนนี้กังวลควายมันควายมันสําเร็จก่อนแล้วใครไปกังวลเรื่องเรื่องเรื่องจะตายภายในเจ็ดวันมันจะรู้เองอ่ะถังเวลานั้นมันมันจะรู้เองไม่ต้องไปกังวลหรอกไอ้พวกที่พูดเนี่ยมันเป็นพวกพวกพวกตาบอดพูด ก, กันไป <โด S 1> ไม่ต้องกังวลมันประกันได้การเป็นบ้านหไม่ใช่เป็นเพศชาติเข้าใจไหม ถ้าหลานค่าแตก่กิเลสเทา้าแต่ความรูปความโวดความหลงไม่มาฆ่าไม่มาฆ่าร่างกายของเรารับประกันได้กเป็นความเข้าใจผิดของคนเป็นฟังอะไรมาแล้วก็มานั่งคิดปรุงแต่งเหมือนกระต่ายตึงตัวเป็นไปนที่ได้หรอ เป็นปฏบัติแทบเป็นแทบตายแล้วก็ลงมาตายเพราะเพรมันรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่มีไม่มีในคำผีร์ไม่มีบทไหนแสดงไว้ว่าถ้าคุณเป็นพระนะภายในเจ็ดวันบบคุณถ้าคุณไม่เบื่อคุณจะตายไม่มีเราไปค้นยู่เราไม่เสิร์ชดูนะฮะไม่ต้องกังวลนะขอให้กังวลว่าจะได้เป็นอารหาันต์หรือเปล่าดีกว่าอันนี้น่าเป็นหน้ากังวลมากกว่าครับผมนะนะ คนไอโฟนของซาตากะไอโฟนของซาตากะแจ้อยู่ที่ไหนอันดิวไมโครโฟนก่อนอันดิไมโครโฟนยังไม่ได้อันดิวเลยเปิดไมค์ก่อนอ่ะเปิดแล้วใช่ค อ, นะอยู่ที่ไหนาค่ะไหนา เีพึ่ ง, งเริ่มฝึกอ่ะค่ะแล้วทีนี้พอนั่งอยู่แล้วก็ใจะเห็นแต่สีดำแล้วก็นิ่งเป็นแป๊บหนึ่งจะถามว่าจะพัฒนาได้อีกก็นั่งต่อไปเลยพูดโธต่อไปให้มันนัง่งให้มันนั่งได้นานๆให้มันนิ่งได้นานๆ น, น, <c oughs> นั่งไปเรื่อยๆครึ่งจะ่วโงชั่วโม ง, ง, โมงยังไงี้ไปพุดโธไปอย่ายุด จกนกว่มันจะวุบลงไปแล้วมันจะนิ่งของมันเองต้องการแค่ความนิ่งใช่ไหมคะใช่ในนั่งสมาธิต้องการความนิ่งและความสงบที่ได้จากคามนิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต่อไปจะต่อไปจะได้ไม่ต้องไปดูหนังเวลาอยากจะายมความสุขก็นั่งสมาธิดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะสัตย์นนะอ่าโอเค คุณพิบัฒจาจา ก, จกเด ล, ลสเัสเท็กซัเป็นยังไงผมยาวนะการรัศกการประ จ, จ า, า์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจา้าค่ะวันนี้ขอลูกฟังเจ้าค่ะงานปฏิบัติดีไหมเรื่อยๆเจ้าค่ะลูกพยายามรักงานทางโลกอ่ะเจ้าค่ะก็ มีเขามาให้เขียนบทความทีนี้ลูกก็สับสนว่าจะเขียนดีไม่เขียนดีถ้าไม่เขียนนี่จะขาดความเมตตาไหมเราไม่เอาความรู้เราออกมาใช้ไหมแต่พอนึกถึงคำสอนของพออาจารย์สอนว่าแบบเออตายมันไปเถอะวุ่นวายนั่งสมาธิดีกว่าลูกก็เลยเลือกสมาธินั่งนั่งดีกว่าก็ได้านั่งโลกการงานนั่งนี่มันอลมันต่างกันมากการทำโลกทํเท่าไหร่ก็ยังต้องมีบ้านตาเกิด เนาค่ะพอคิดแล้วมันก็วุ่นวายค่ะต้องมานั่งอ่านต้องมานั่งเรียบเรียงรู้สึกเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวความคิดปรุงแต่งมันก็จะยิ่งเยอะขนาดไม่ทํางานมันยังเยอะขนาดนี้เาต้ทำานท้นเดี๋ยวเขาทำเเด็่ยัก็ยิ่งวุ่นวายใจขึ้นไปเจ้าค่ะลูกเห็นแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินก็เลยไม่เอาแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วขนนั่งอย่างเดียวเจ้าค่ะเออน่น่ะถูกต้องะมาถูกทางนะเจ้าค่ะต้ม้ของเาเพือความสงบ อะไรที่มาสร้างทำลายความสงบอย่าไปยุ่งกับมันนเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยปฏิเลือกปฏิบัติอย่างเดียวเจ้าค่ะก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งแล้วก็ทํางานเจ้าสติเจ้าค่ะหมายถึงทํางานบ้านนะเจ้าค่ะทํางานบ้านเป็นหลักงานอื่นไม่เอาไม่สนใจละงานบ้านทำงานที่จำเป็นานั้นงานที่เจี่ยวกับการดนองชีพเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบราบขอบพระคุณครับแทนเจ้าค่ะเจ้าค่ะคนเพื่อพิลา าจากเวอร์จิเนียนะพี่ดากลับนำ้ำมศิกร์ค่ะบพระอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้<ม>หนูไม่มีคําถามเหมือนกันค่ะบพระอาจารย์ อ, อยังปฏิบัติอยู่นะค่ะปฏิบัติก็ดีอยู่ค่ะพระอาจารย์บางทีถ้าที่บ้านปฏิบัติแล้วแบบเริ่มเบื่อก็ออกไปนั่ข้างนอกบ้างค่ะไปตามพวกแบบ Wall Memorial ที่มันทําให้เราแบบระ ล, ลึกถึงความตายอะไรอ่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าทําได้ดีค่ะไปที่สื่อสารของของท่าขอ ง, ของ ขอหน้าชั้นน้ำได้แบบอ่ะไปได้ค่ะหนูดูว่าเขาก็เปิดให้ทัวร์แล้วค่ ะ, ะก็คิอว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบนั่งรถทัวร์เขาฟังเรื่องความตายอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็จะได้นั่งภาวนาค่บพระอาจารย์โอเคงั้นเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อกันนะค่ะกขอบคุณค่ะนี่พี่มาจากกทมที่ว่านี่พิการเจ้าขังพระอาจารย์มีคําถามเด่มนะค่ะก็ไปที่มณฑลวิสาจากสวิตเซอร ย้ายที่แล้วหลือเป็นจมินสาก่ับจากมรดกการพระจานทร์ค่ะไปไปที่ไหนเนีอยู่ที่บ้านอยู่แล้อว่าไปย้ายที่อยู่แล้วยังไม่ได้ย้ายค่ะพระจานทร์ย้ายวันอาทิตย์นี้ค่ะจะไปวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่ข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกค่ะพอดีตอนแรกว่าจะไปนั่งสวนสาธารณะพอเดินไปคนเยอะมากก็เลยกลับมาที่บ้านใหม่ ไหวข้างบนให้ให้พ่อบ้านเขาเอนเตอร์เทนค่ะพราะอาจารย์ก็เลยมาหลบมาหลบข้างล่างค่ะพราอาจารย์อันนี้อากาศดีใชไม่หาวแล้วค่ะก็อากาศดีค่ะพระอาจารย์มีลมค่ะไม่มีคําถามกับพระอาจารย์มาดูหลักใจนะสติสมาธิปัญญาสามดูให้นค่ะพระอาจารย์จะตั้งใจจะพยายามเพียนให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์เค ในารัต่อไปคุณกฤษฎาภาชเชิญคนุณาภาชาเก้านมัสการครับอาจารย์ครับไม่ไม่อยู่ที่บางพัดกรุงเทพครับผมครับวันนี้ไม่วันนี้ไม่มีคาถามครับผมครับไปจารยคุณชิดีโคนะอาาิี ค, คอยู่ที่ไห น, น, นาการนมสกุลท่านพระอาจารย์ครับ อ, อยู่ที่ไหนอยู่ตากครับท่านอาจารย์ที่ว่าออ่ในรอรับคุณแม่ที่ชลบุรีที่เข้าสเตต์กรทีที่ชลบุรีนะครับที่ไปรอใส่บาตรสามว ท, ที่อยู่จังหวัดตากที่เป็นครูครับมีคำถาม ไ, ไหมนี้คำถามครับท่านอาจารย์คือตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยครับอาจารย์คือผมนั่งสมมาธิปัฏนานะครับแล้ว หลายปีมาเนี้ยจิตผอผมเคยรวมเพียงแค่สามครั้งครับอาจารย์หลังจากนั้นไม่เคยรวมได้เลยครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรผมก็นั่งแต่ในในการนั่งสมาธินั้นอ่ะสงบครับมีความสุขแต่จิตเหมือนจะรวมจะรวมก็ไม่รวมครับหลายปีมานี้ไม่ไม่เคยเข้าถึงอ่าความสุขตรงนั้นได้เลยครับไม่ทราบว่าเห็นเพราะอะไรครับอาจารย์เราจะเป็นเจ้าเราคอยเป็นเจ้าของให้มันรวมมั้ย อย่าไปเจ้าะให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจว่าจะรวมมันให้รถ้าไปคอยเจ้าให้ดูไม่ยังยังยังไม่รวมมันก็ยังไม่รวต้องไม่รู้ไม่ชี้มันจะรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้นั่นเราไปสนใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กอบใจพุทโธแล้วดูลงหายใจไปอย่างเดียวได้ยินไห้ มีอยู่ครับประการกับผมเคยนั่งอยู่ในโบสถ์ที่พระกํากลังบวชใหมอ่อ่อุปชากําลังสอนนาคอยู่ครับจิตรวมลงครับแต่ใช้เวลาก็เกืเอบสี่สิบนาทีอยู่ดีๆลงปุบเลยครับถ้าเราไม่ไปคอยร่วงมันจะลงของมันเองถ้าเราไปคอยนุ้น น, นัน่นมันจะขวานจะไม่ลบ กำลัรามอยากให้มันลงเลยครับพอไปอยากให้มันลงมันก็จะไม่ลงอย่าไปอยากปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปใช่ไหมครับได้ได้ให้มีสติอยู่กับทุกทรอและอยู่กับลมสายจันทร์นครับครับครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับผมวันนี้มีคำถามเพียงเท่านี้ครับผมคุณกุศลคุเกุอลอยู่ที่ไหน ครับกับนักวิชาการครับหลวงปู่ครับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่อยู่ที่อุดรธานีครับอุดรครับคำถามอะไรไหมครับว่างอยากจะขอเรียนถามหลวงปู่นิดหนึ่งครับคือเออ่ผมมีอาการทางจิตที่แปลกๆก็คือผมเป็นโรคกลัวแมวตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วครับก็คือไม่ได้กลัวที่มันจะข่วนนะครัแต่ว่าคือกลัวด้วยความที่มันเป็นแมวทีนี้คือผมจะมี อุปสรรคในการใช้ชีวิตมากคือตอนนี้คือที่บ้านผมเนี่ยคือมีแมวจรจัดมาสามตัวแล้วทีนี้คือผมอยากจะเรียนทำพู้อาจารย์ว่าในแนวทางการปฏิบัติเนี่ยมีวิธีการไหนไหมที่จะทําให้เราคลายความกลัวมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันลําบากต่อการใช้ชีวิตจริงๆครับอ๋อเพื่อนต้องใช้ปัญญาถามเราโดยว่าเรากำลังใช้ตัวใหญ่กัน นะครับใครใครใครจะเป็นภัยต่อสันมากกว่าสันนาวกับเราหรือเราก็แมวแมวยังไม่กลัวเราตัวมันได้กับเราตั้งแย่ๆเราตัวใหญ่มันเราไปโจวมันทำอะไรนะหนึ่งตอนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่แมวมันจะทําอะไรกับเราได้นยังมากก็ควรเราเลิกกับเราได้แล้วนเนี่มันจะควรเรากันเราเนี่ยมันเรามราจะต้องไปทําให้มันโกรธแล้วมันกลัวแล้วมันตกใจด้นะ อันนี้ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ความันไม่เห็นหมิตรเป็นทายต่อเราเหรอกและการต่อไปก็ค่อยๆก็ไปหามันเอาไปรูปคามันอะไรต่ไปทำความรู้จักมันไปเนี๋ยต่อไปก็เป็นนิตรกันเป็นเชื่อนกันเด็กก็ชอบกันยามันเข็ดเข็ดขอบคุณลุงปู่แม่ครับอยใช้อารมณ์อารมณ์มันมันสั่งไม่เกี่ยวอาจจะเยอะ นีอารมกลัวสินั่นสินี้เราก็ต้องใช่เหตุผลเราก็ใช้วิธีตรับตัวเราเข้อหามัน mm hmm. แล้วท่นก็เข้าเ mm hmm. ข้ า, ขาอาอะไรไปยืดให้มันกินหน่อยอะไรให้มันสนิทสนมกับมันอน mm hmm. เดียวก็จะเข้ามาหาเรามันไม่ทําร้ายเราหรอกท่าน mm hmm. ทำอะไรเราไม่ได้หรอกห mm hmm. มมากมันก็กัดเราเ mm hmm. ลือขวดเราได้นี่ ใช่ธรรมดาศาสตร์มันจะไม่ทำร้ายใครหรอกให้เราไม่ไปทําให้มันเกิดความปกวยขึ้นมาคลองทําำดูนะเราเราเราหาเรื่องมันก่อนม็ได้ยังหาให้มันค่อยทำความรู้จักกับมันต่อไปมันมันรู้จักกับเราแล้วเราก็ค่อยๆมือมันเล่นกับมันอะไรไปคือผมคอ ขอบอกว่าคุณหลวงปู่มากครับโอเคมีการนี้นะครัขอบูมากครับโอเคคุณยศศิษยาคุณยศศมดจิตนีอยู่ใต้ที่อยู่บางแสนอยู่ใต้ครับอาจารย์ยังกลับไม่ได้เลยครับรถทัวร์อะไรยังไม่มียังกลับลําบากเลยครับผมอก็อยู่ที่นั่นแหละที่ไหนก็มาด้วยกันนะได้กลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยเขาวันนี้อยากจะถามว่าอาจารย์เกี่ยวกับคําบริกรรมครับอาจารย์กับ อ่าสั้นสั้นยาวเนี่ยมันมันมันมันต่างกันไหครับอาจารย์แล้วแต่เราเราเราตอบได้สั้นก็ได้ยาวก็ได้ช้าก็ได้เลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ดูสภาพจิตของเรายังยังครับผมยังปกติผมบริกรรมพูดโธแต่พอเวลามันมันฟุ้งซ่านหรือมันคิดเยอะเนี่ยผมก็แบบมีแบบอ่าเร็วเกินใช่ไหมใช่ไหช่ใครับผมได้ไหครับได้ได้เวลาได้มันสบายสบายมัช้าชาหน่อยก็ได้ เพื่อต้องการควบคุมความคิดของจิตไม่ให้จิตมันรับนปคิดนะถ้ามันไม่คิดมากก็ไม่ต้องไม่ต้องถี่แต่ถ้ามันคิดมากมันทุกมากก็ต้องให้มันถี่ครับผมขอบคุณครับอาจารย์บุญจอยบุญธมรีเป็นยังไงปวดใจนอนไม่ยังยังค่ะบาเลย ก็้ามานูกตาหน่อยวันดีครับวัดีครับไม่นอนเหรอเดี๋ยวะนะไม่ทอนครับยังไม่ทอนเลยค่ะเอ้ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะเหรออ่เข็มแรกเลยนะเข็มแรกคร่ะชินุไหครัค่ะแล้วก็เข็มสองเอตอีกสองประเทศนะวันที่หนึ่งตุมาค่ะอ่ามีก็ส่วนที่ดีก็แรงมาก หรเออแรงน่ากลัวหรื อ, อยังไงไม่แรงต้านทานเยอะแรงต้าอทาน oh. มากกว่ า, oh. ม, ามากกว่อสตาสองแขนเนี่ยแอสตาสองแขนกับซู่ชิโนแว็กับแอสตาไม่นานโอ้ทีเ oh. สร็จแล้วหนูจะไปได้ไปใส่บาตค่ะก็ไปได้ก็จะเขาต้องคอยใส่หน้า ก, กากอะไรเด้อต้องคอยป้องกันตัวเอง คือมันยังสิดได้อยู่จริงแต่ว่าเวลาติดนะมัเม่มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมัก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ตายแต่ก็ยังต้องป้องกันตัวเองเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องใส่หน้ากากใส่แมสแล้วก็อย่าอยู่ใกล้คนมากไม่อยากเข้าไปอยู่ในที่มันแออัดมันอยู่ที่โปร่งๆนอก นตอนที่เราไปฉีดยาเขาให้เรานั่งหักหกันใช่ไหมใ่แจ้งที่โลกุ่คแล้วลูกสาวทั้งคนอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่ค่ะแต่ว่าเขาอยู่ข้างล่างเขาเขาอยู่กันแบบโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์ทุกวันเขาก็เหมือนปวดหัวแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ ไ ม, ไม่มีอะไรนะก็ไม่ก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่าก็ทางโลกมันก็เยอะๆหน่อยก็ <c oughs> ต้องฟองหน่อยต้องฟอเรื่อยๆอนันตาพุทธมานันตาแต่ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ปล่อยบ้างอย่ายึดอย่าไปติดยอย่าปถืออะไรมากกันไปคิดว่าคิดว่าเ ป, เ, วเป็นน้ำเป็นนมเป็นไฟ เราพัดฝนตกเราก็ไม่ได้เป็นยุ่งอะไรกับตอนนี้ฝ่ายเขาพันไปฝ่ายเขตกไปแล้วลักมาันจะไม่วุ่นวาค่ะแล้วแล้วหนูเออยายก็รู้ว่าก็คือน้องอะค่ะคือเขาจะเอาชื่อไปกู้เงินใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราคิดว่าการกู้เงินแล้วเราเราผลักใช้ ไ, ไม่ได้ อ, อ, อ่ะเอใช่หรืออย่าไปอย่าไปทําให้เ้าเขาอยากจะกู้ให้เขงกู้เหง เราโ่แล้วเราไปทําให้เขาเขา้าเงินไปแล้วเขาไม่ใช้แล้วเราเป็นคนต้องไปใช้มีนิสั ช, ะชะลาดโมกนอกจากเรารักเขามากๆแล้วสงสารเขาอยากจะช่วยเขาเพราะแล้วแ ต, แต่ถ้าเราเราพร้อมที่จะรับครับทุกข์ก็แบบว่าส่วนใหญ่เขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนต้องจ่ายเขาก็เขาก็จะไม่จ่ายนะพอได้เงินไปแล้วเขาก็รอยตั น, นอนแล้แล้ว ถ้าเราไม่จ่ายคือเราก็เราก็ถึงทุกข์ไปใช่ไหมใช่ค่ะถูกอย่างนั้นว่าเราก็จะเป็นทุกข์แล้วเรามาเราอยากปฏิบัติธรรมแล้วแล้วมันก็มันจะล่าช้าไปอีกค่ะใช่ก็ปฏิเสธไปได้นี่เรื่องปฏิเสธไม่ไม่ไม่ไม่ได้โหดร้ายไม่ได้บาปเพียงแต่ว่าไม่เมตตาเท่านี้เพราะเมตตาไม่ได้เราเรื่องเมตตาไม่ไหว ก็คือเข้าใจแล้วค่ะแต่ถ้ารักเขาจริงๆยอมเจ็บยอมทุกข์ก็ให้ก็ทำให้เขาไปนะคิดถึกว่าจะเอาทางไหนดีแต่ก็คิดได้ได้ก็คิดว่าเรายังเรายังอยู่ในทางโลกหนูก็เลยคิดว่าไอ้ทางโลกไม่ให้ท้ำทางเขาไม่ให้ขุนนี่คือยังไง ก็ชจบป้องกันตัวเราเองไม่ให้ทุกข์เนอย่ า, ยาไปทําในสิ่งที่ทําให้เราเสียเราจะต้องมาทุกขในภายหลังค่ะหนูแค่คิดว่าถ้าเราทำแบบนี้เราเราจะล่าช้าในการที่เราจะแบบเราอยากจะไม่ถึงจุดของเรามันจะช้าดึงเรามาอีกหรือเปล่าใช่ถ้าไปมินนี่เป็นสินก็ยิ่งช้ายอย่างพระเจ้าบอกว่ามาห้ามมาห้ามไม่ให้มินนี่มีสิน ความสุ ข, ของชาวอาวส์คือการได้มีเงสิ่งถ้าไม่มีเงแล้วมันไม่สุขนะมันจะทุกมันจะกังวลใช่ค่ะหนูก็หนูก็คิดอย่างนั้นแต่คนอื่นเขาทางโลกเขาเหมือนเขาไม่ค่อยคิดกันเลยเขาเขาไม่มีทำมากเลยเขคิดแต่ทำกินเหล็กกินเหลกก็อยากอยากจะได้อย่างเดียวไม่สนใจว่าจะต้องใช้อย่างไรจะตอบอะไรเรา เราเราเป็นคนเดียวที่คิดอย่างนี้ก็อยู่ในคนที่คิดไม่เหมือนเรามันก็ยากเหมือนกันนะคะก็อยู่ของเราไปก็อยู่ของเราไปเราไม่อยู่ที่ไหนเขาไม่ลงเขาไปไม่ยากแล้วเราก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราไปตากโคตรตากอยู่ไปไม่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเขาจะงงว่าแล้วแล้วเราเป็นอะไรบางทีเราก็เฉยจนเฉยจนเหมือนเราไม่สนใจเขาก็ว่าเราเป็นอะไรเราไม่ลงเขาแล้ว เราเป็นส้มเขาเป็นกล้วยให้มันได้เรยกันได้ค่ะได้ค่ะทางมุสลิงอยู่ไปกรรมใครกรรมมันใดใครทำกรรมมันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นค่ะสาธุค่ะเคนนะขอไปที่คุณิตบจ้คุณิ๊อยากในเ่ะรนเร่ออะามนามัสการค่ะอาจารย์ วันนี้ ว, นนวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์งานอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะพระจารย์ยมก็เลยมานั่งฟังขอสติก่อนค่ะวันนี้ก็ไม่มีคำถามค่ะก็เลยมาฟังทุกๆคนก็ให้ให้มีนิ่งๆไว้ค่ะ่ไ ม, มใ่ให้ให้ฉุเฉลิแต่ก็ให้มีเมตตายิ้งยัาจัดใจพัฒนา พัฒนาภาษาดึงความเมตตาแต่ก็ไม่หวังอะไรได้จะดีไม่ได้ก็ดีก็หวังนิดนึงะแต่ก็ไม่ได้ดูนั้นแล้วมัาจะทําให้เราไปพูดไม่ดีก็ได้พูดใจเราค่ะก็เลยขอให้แบบเรามีสติพูดไปตามความจริงได้ได้ได้ก็ดีไมได้ก็ดีค่ราะพองีเขาจะดูความซื่อสัตย์เราซื่อตรงเราค่ะ เดี๋ยวเราไปพูดเอาใจเขนนี่ถ้าว่าจะไมนชอบจะได้ฮะข้อสค่ะใช่ค่ะโยมก็เลยเอาเตรียมความพร้อมของเราเท่าที่เราได้แล้วทำให้ดีที่สุดอะค่ะสาธจะกอู่ความจค่ะค่ะค่ะกราบธรรมจักรหวังว่าหวังว่าคงจะได้นะ สาธุสาธุสาธุค่ะถือว่าเป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดเลยค่ะถ้าไม่ได้ก็มีงานหลายรออยู่งานเยอะแยะในตูาบลอ๋อสาธุค่ะอาจารย์จะมีหกการนี้ก็ได้ที่นหนได้เจ้าค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้คนเปยาไม่เป็นยานยังไม่เข้ามาเลยนะสงสัยพอดีว่าเมื่อวานคุณเข้มาเ เพื่อน so 응응เขาสองคนลางานก็เลยยกงานให้เขาทำเขากลายเป็ว่าเ็าต้องทำสามรับผิดชอบสามงานเลยแบบดูยุ่งๆหน่อยค่ะค่ะการงานตระกอไปนะการกับนวัตกรรค่ะอาจารย์ครบคุณครับพี่กอฟครับพี่ก๊อฟนวัตการครับอาจารย์มาฟังทำครับไม่มีอะไรนะสุราษฎรครับขาต่าสุราษรครับ มีออดผมฉีดวัคซีนไปแล้วครับไม่มีปัญหาเข็มสองเป็นแออัจร์คือวัคซีนครับเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มสองเป็นแอสตราครับไม่มีปัญหาครับผมจะถามเรื่องการพูดนะครับคือพูดยังไงให้เราเป็นที่รักอะครับเพราะว่าการพูดนี่สําคัญมากคือพูดด้คาเีกู้ๆมีสุภาพ แต่ปช่วยประชาสัมพันธ์จะไปคุมครูครับต้องพูดเหลอเราเป็นคนนับใช้ครับครับผมก็จะชอบแล้วครับครับหลังก็บอก customer is always right ดูทายย่อมถูกเสมอถ้าจะพูดถูกเราต้องถือว่าเขาพูดถูกอ๋อเข้าใจครับไป่เข้าใจเราครับครับมีปัญหาตรงนั้นล่ะครับ กาพูดติดก็รื่อของเขาเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปบอกเขาบอกเขาเล้ว่าจะติดเราจริงครับอาจารย์ครับนะครับขอบคุณมากครับครั บ, รบมันมีาต่อเลยคุณมัาอยู่ที่ไหนนะกรุงเทพฉะนั้นก็เฉลคุณได้แล้วกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะค่ะก็ไม่ได้เข้ามา ประมาณเกือบเดือนนะคะอยู่ชุมบรีค่ะพอดีว่าอแต่ก็ฟังอยู่ข้างนอกห้องนะคะไม่ได้เข้ามาค่ะวันนี้ก็มากล่าวพราจารย์แล้วก็ อ, อมีมีสิ่งหนึ่งอะคะ่ะเพราะช่วงหนึ่งเดือนที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยคือที่สาวะค่ะได้เสียชีวิตจากโควิดนะค ะ, ะ, คะก็เสียชีวิตคนเดียวอ่ค่ะคะาห้องเลยะค่ะอยู่ที่พัทยานะคะพอดีว่าตัวเองก็มีโอกาสได้คุยกับที่สาวเนี่ย ต่อเนื่องเพราะเขาต้องกักตัวมันเป็นการตายที่ที่เราไม่มีการล่ําลาแต่ตัวเองก็เห็นภาวะใจอะค่ะพระอาจารย์หรือท่านคือกักตัวนะคะแล้วก็อาการคือตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยตอนก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยก็คุยกันแล้วก็บอกว่าแล้วก็หายไปสองวันเราก็เอใจแล้วว่ามัานต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราก็คือว่าก็ดูใจตัวเองค่ะแล้วก็เลยต้องเราไปไม่ได้ก็ให้เพื่อนที่อยู่แถวภัรยานะ่ะไปช่วยดูที่ห้องก็ปรากฏว่า นั่งเสียชีวิตที่โซฟาในท่านั่งสมาธิแล้วก็เสียชีวะสองวันนะคะแล้วแล้วในส่วนของตัวเองก็ก็เลยมาดูที่ที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังคือคือหนูเอาเอาทุกอย่างมาปฏิบรรัติทำเอามาดูที่ใจเราอ่ะคะ่ะว่าเราสูญเสียคนที่เรารักแล้วเราก็พูดคุยกับเขาอยู่ต่อเนื่องพอเราเห็นใจตัวเองเมื่อเราได้สูญเสียเน่ะใจแรกอะคะ่ะพระอาจารย์มันมันมันสตริงเหมือนกันมันเห็นถึงภาวะที่ดิดดิ้นเร่าร้อนของความว่า ความความทุกข์ที่อยู่ภายในอ่ะค่ะแต่ว่าแต่อาการข้างนอกมันไม่ได้ฉายถึงความความความทุกข์แต่ว่าข้างในอะค่ะข้างในที่มันรู้สึกว่ามันมันมั น, ม, นมันเศร้าอมันเศร้าคนนี้พอหลังจากที่จัดแจงเรื่องงานศพอะไรเรียบร้อยก็ติงก็เริ่ ม, ามานั่งสมาธิค่อนข้างเยอะอ่ะก็ส่งกระแสะใจ ด, ดีแต่มันมีสภาวะหนึ่งอะค่ะที่เรานั่งคือหนูใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะแบบ มันก็เหมือนแบบว่าเรากําลังสู้กับภายในของตัวเองว่าเราเราสูญเสียเราไม่เหมือนแบบความรู้สึกภายในเหมือนมันโทษตัวเองว่าเราไม่ไม่ช่วยเขาได้เลยอค่ะก็เลยว่าพอในช่วงนั่งไปอ่ะค่ะอาจารย์มันมันเหมือนใจอ่ะภาวะใจมันสอนเราขึ้นมาเองอ่ะค่ะเป็นอัตโนมัติแล้วค่ะว่านี่แหละคือการสูญเสียแล้วเท่าวันหนึ่งมันเป็นเรามันคือเราอ่ะค่ะขึ้นมาหนูก็ตกใจกับ เสียงกระซิบมันเหมือนเป็นอินน์เวอร์ซ์ที่อยู่ภายในค่ะซึ่งตัวเองไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าสร้างมันหรือปรุงมันขึ้นมาแต่มันมันเหมือนมันแบบมันเคาะค่ะมันเคาะเราตลอดเวลาว่าเป็นอินน์เวอร์ซ์ขึ้นมาซึ่งหนูก็ตกใจความรู้สึกนั้นก็เลยอยากจะถามทิพทางกับพายจ้านะคะว่าการการที่เรานั่งจนมันสภาวะความมันสงบคือตอนแรกอันดับแรกตอนแรกเราต้องกดข่มมันก่อนคะมันเหมือนมันไม่ยอมละ แต่พอเรานิ่งอยู่ในสภาวะของความสงบได้มันมีเสียงกระซิบ ท, ที่ออกมาแต่แต่เราไม่รู้ว่าเราจะแนวทางของการบอกกระเสียงนั้น่ะยังไงคะอาจารย์คะประมาณเนี้ยคะ่ะไม่ต้องบอกอะไรถ้าักฟังม่ ช, ชื่นเชยแล้วมันก็จะน่าว่ามาันเอาเราประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นเสียงที่เร า, าทําประโยชน์ได้เรามาใช้ให้ น, หนั้นอาจจะเจอแล้วว่าต่อไปก็คือคิวเรานะวความเรีย เป็นในการทดสอบสจิบใจเราอาจารย์นนอี้หนูหนูเอกใจนิดนึงค่ะหนูมิคือเมื่อตอนนั้นอ่ะมันมีคำถามพร้องกับเสียงมันเหมือนเราอะ่ะหนูกังวลว่าหนูไม่มีสติพอหรือว่าหนูกำลังจะกดคมหรือว่ามันเป็นการคิดแท้ขึ้นมาเองมันก็เป็นความสับสนก็เลยเลยพยายามที่จะไม่ฟังแล้วก็ อยู่กะลมหายใจค่ะกลับมา อ, อยู่กะลมหายใจเขา้าเน้ว่าสตนอ่อนากลับมาเจริญสติดูลองพิจารณาค่ะแล้วมันเราจะแยกได้ไหมคะว่าตรงไหนมันคือการกดข่มหรือเราควรจะหยิบมาพิจารณามาไข ค, ควรวนในสิ่งที่มันบอกเราอะคะ่ะนนันอยู่ยังจับมาใช้งานชวยได้ ท, ทสมาธิไม่ควรที่จะไปพิจารณาไขครวมันจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับโอ เให้จตมันไม่มีเต็ที่มีฝันพระพิจนารอให้ออกจากสมาธิมาแล้วให้เราหน้าพิจนาถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์คือเหมือนว่าพอหนูออกจากสมาธิแต่ทุกอย่างมันเหมือนมันมันเหมือนเป็นป๊อปอัพอะขึ้นมาเหมือนแบบเราอะใจเรามันรับรู้ เรามีความรับรู้แต่มันเป็นภาพเป็นเสียงแต่หนูแค่มองว่ามันคือการรับรู้แต่ว่าไม่เข้าไปปรุงการรับรู้นั้นวางมันไว้ก่อนหรืใช่ไหมคะมใจรับไปมาไปานั้นจากแต่ต้องต้องออกมาจากการทำสมาธิใช่ไหมคะก็หยิบมาจากไอต้ตุ่มอ o p up นั้นอะมาว่าเรียงลําดับอมค่ะก็มาเรียงลําดับว่าสิ่งที่มันกําลังสอนเรามันคืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ เราเป็นสอนเราถ้าเราเอามาใช้ได้เกามาใช้ใช้ไม่ได้ก็ขล่อยว่าปล่อไปป่อยอืมค่ะค่ะก็ก็เพราะว่ามันก็คือสับสนนิดหน่อยอะค่ะว่าตอนช่วงที่สูญเสียเราก็ยังแบบเหมือนเรามีความเข้าใจว่าเราทําสมาธิแล้วเราก็จิตเราหนีเราก็จะแผ่ไม่ตาค่ะหนูก็จะใช้เวลาเนี้ยเผ่ไม่ทําทําเยอะขึ้นเพราะว่าเราเราเราสนิทกันมากค่ะเป็นที่สาวแล้วเรา เราไม่ได้มีการดูแลกันได้ก็เลยคิดว่าการทําสมาธิก็ส่งกระแสะใจให้เขาอะแต่ว่าพอทําไปมันกลายเป็นมาสอนเราสอนเรากลายเป็นเราก็หยิบ ม, มาใช้ไม่ได้ก็เกิดความตังวลเหมือนกันได้แนวคิดกาทำสมาธินี้แผ่ไม่ได้เวลาเย็นี้มันไม่ทำอะไรต้องแผ่ต้อแผตอนเ น, น, น, น, นี้ยตอนที่เราไม่ได้เย็นนสมาธิเราแผ่ได้ตลอไไดเลาอ๋อค่ะค่ะค่ะ กเรื่องทำสมาธิพยายามอย่าให้มันทำอะไรให้มันเล่นอย่างเดียวให้นิ่งอย่างเดียวเลยนะคะให้สงบให้อยู่กับพทโไปอยู่กับลมไฟถ้ามันจะไม่นิ่งแล้วถ้าจะมาพิจารณาก็ออกจากสมาธิมานั่งใช้ควรตอนที่เราอยู่ทั่วไปอย่างนี้ยตอนนี้พิจาราได้อยาให้มันค้ามข้ามอยู่ในใจให้มันผ่ากแต่ให้ได้อย่าพยายามมาแบก ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขออีกสักหนึ่งคำถามได้ไหมคะได้ไดก็คือเพราะว่าตัวเองคือตัวหนูเองอะค่ะก็ก็มีคําถามจากคนรอบข้างตรเนี้เราก็จะขอคําแนะนําจากภระอาจารย์ว่าทิศทางในการที่เราจะจะตอบจะพูดลงไปอะค่ะว่าอันไหนเป็นการเหมาะกันควรนะคะเช่นเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์เนีะค่ะคือตัวหนูเองเนี่ยคือตัวหนูเองก็คืออ่าจะไม่ทาน เนื้อคือหมูไก่อันนี้เป็นหลักแต่ว่าอย่างปลาเนี่ยเราก็ยังทานแต่บางคนเนี่ยที่เขาเห็นเราอะ่ะเขาบอกอ้าวไม่ทานหมูทานไก่แล้วทําไมมากินปลาเนี้ยมันก็เป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็มีคําถามกับเราเราก็ให้เหตุผลกับว่าคือตัวหนูเองเนี่ยไม่ทานเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปนั่งสมาธิอันนี้เกิดจากตัวเองละค่ะแล้วเด้เห็นนี่มิตเป็นภาพของหมูที่เราเคยเลี้ยงคือบ้านตัวเองอะ่ะเป็นฟาร์มหมูที่เอาไปฆ่าเป็นร้อยร้อยตัวพันตัวค่ะ แล้วมันจิตมันสอนขึ้นมาว่ามันคือการใช้เงินกับกับอาชีพเนี้ยเราก็เลยแบบปฏิญาณตนนะคะเหมือนเขามาคุยกับเราอ่ะอันเนี้ยหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าหนูอุปโลงไปเองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นเองก็ก็เลยภาวนาตัวเองว่าโอเคเราจะขอพูดไปแล้วค่ะว่าเราจะขอแบบอ่าเขาเรีชดใช้แบบในอาชีพของเราที่พ่อแม่เราประกอบแล้วเราก็ใช้เงินจากการค่าพวกคุณเนี้ยเราจะไม่บริโภค พ, พวกคุณนะคะแล้ก็ไม่ทาน เขาเนี่ยหนูก็พูดไปเฉยค่ะเขาบอกออกจากพาะที่อะไรเงี้ยเราไปทานค่ะพระอาจารย์หนูก็อาเจียนจริงๆเลยมันมันมันพิจารณาแล้วทานไม่ได้ก็อ้วกหนูก็ทดลองหลายรอบแล้วอะงั้นแสดงว่าเราทานไม่ได้เราก็ไม่ทานเราก็แค่นั้นนะคะไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเราเจ็บผลกันเราคราวนี้เราไม่กินแค่หมูอ่ะแต่ว่าเราไม่กินปลาเลยยังกินอะไงเงี้ยค่ะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขามองว่าเราทําไมไม่กินหมูแล้วยังกินปลาก็เป็นการฆ่าสัตว์เหมือนกันนะคะ เราไม่ได้จะอธิบายเขาไงว่าไอสิ่งที่เราไม่กินหมูเนี่ยก็เพราะด้วยสภาวะที่เราเคยเจอในสมาธิแล้วคุยกับเขาอ่ะเหมือนเขาเป็นดวงจิตหนึ่งที่มาขอเราอ่ะว่าเรามาใช้เงินในการฆ่าเขาเราก็เลยพูดเหมือนขอโทษพูดเหมือนพ่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ยยว่าเอองั้นเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิแล้วเราจะไม่กินเธอนะอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาใช้ชีจริงเราก็ทานไม่ได้จริ ง, รงๆอะค่ะมันเป็น okay, พิจารณาเป็น คือเฉลิมใ้ฟังว่าจะกินอะไรก็ตามจะกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์มันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปต่างใจกินได้ไม่กินก็ได้ขอให้เราอย่าไปฆ่ากันรับกันถ้าของมันตายแล้วเอามากินได้บาปไม่กินก็ไม่บุญไม่ได้เป็นบุญไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้บุญเิ่งพวกวัวความไม่กินเนื้อสัตว์มัก็ได้บุญเชื่อะกว่าคนี้อืม มันไม่ได้อยู่ที่การกินไม่ได้อยู่ที่เรื่องกินอยู่ที่เรื่องฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาตายแล้วเรากินเนื้อเขาไม่บาปถ้าเรากินผักก็ไม่ได้บุญพยานไหมอันนี้คือประเด็นที่เราต้องรู้จักแยากเนี้ยว่าบาปเพราการฆ่าไม่ได้บาปเพราะการกินอค่ะ ก็ได้อธิบายเขาถูกเพราะว<ช>่าเราก็จะพิดายาวไปก็มันไม่รู้จะอธิบายอะนะครเช่าฉันชอบฟินอย่างนี้ฉันไม่ชอบฟินอย่างนี้ไม่เรื่องของฉันที่เจ้าเขียนว่าคุณเลยค <c oughs> ่ะค่ะจะได้เอาไปตอบเขาได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ แ, แต่ประเด็นอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ฆ่านั่นเองถ้าฆ่าไปตกปลามาแล้วก็ฆ่ามาทำมาทอดกินอย่างนี้บาดหรือไปร้านอาหารแล้วไปสั่งปลาที่อยู่ในใน ในในในตู้หรือในอะไรเนี่ยบอเอาปลาไปนี่อ่าตู้อาเนี้ยค่ะในเนี่ยมาปถ้าไม่ฆ่าเองแต่สั่งให้คนอื่นต้องฆ่าให้เราก็บค่ะแต่ถ้าของมันตายแล้วไปซื้อที่ตลาดปลาตายแล้วมาเอามาเอามาผัดเอามาแจงเอามาทอดไม่บาปแต่ในส่วนของหนูนี่ก็เป็นเรื่องของของที่เรา คิดพิจารณาของเราเองไปก็ไม่เป็นส่วนของเราไม่ต้องอธิบายใครอไม่ต้องไปอธิบายใครเป็นเรื่องของเราค่ะค่ะค่ะค่ะเขาไม่เข้าใจประเด็นคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจประเด็นคี่เรากินเนื้อสัตว์แล้วบาไม่บาปค่ะแล้วแต่เทวทัตย์ยังไงว่าพระเจ้ากินเนื้อสัตว์เทวทัตไม่กินเนื้อสัตว์อ๋อค่ะเข้าใจผิด คิดว่าก า, ารกินเนื้อสัตว์ลำบากเพราะว่าไปเหมือนไปส่งเสริมให้คนได้มีการฆ่าสัตว์กันมไม่เนื้อสัตว์อยู่นี้ได้มนการฆ่ามันก็ต้องตายสักวันหนึ่งไม่แนมใช่ใช่ค่ะค่ะขอเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ก็จะเป็นแนวทางที่ทําให้หนูประคองใจได้นะไม่ต้องไปใส่ใจกับใครใค ร, ใครจะคิดยังไงจะอะไรก็เลืเอกค่ะค่ะขอบคุณว่าจารเลยค่ะ ออกไปคุยคุยความสิ่งแจกมัเซมเบิร์กนะคุยได้ยินมตอนเราคุยไทยอยู่ยไปแล้วคุยดินป่ะเปนอันดี้วอยู่นะหายแล้วคุณจะไปแชทห้องไหมไปยื่นคุณเลยก่อนนะเระไม้นะคุณคุยความสิ่งกมัตเบอร์ สวัสดีค่ะพระอาจารย์อ่าอนุโมทนาบุญนะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะบุญจากลักซ์ซิงเบิร์กค่ะมีน้ำตาไหมมีนิดหน่อยค่ะพอดีว่าเอ่อตั้งแต่โยมฟังพระอาจารย์มาโยมก็นั่งสมาธิแต่มาช่วงสองสาวันเนี้ยรู้สึกป ว, ว, ว, ว, วดหัวปวดตาปวดมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรมันถามว่านิ่งไหมนิ่งค่ะและ การ น, นั่งสมาธิอย่างนี้คือ ท, ทาให้ใจเราแบบออกห่าจากผู้คนและเราพยายามไม่อยากเวลามาทํางานอย่างนี้อย่างช่วงเนี้ยู่อะไรทํางานอยู่เราใครทําให้เราโกรธเราก็พยายามจะแบบไม่โกรธแบบผลักออกไปอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปวดหวดัวกวดตา ม, มากอ๋อมันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของร่างกายกัเป็นเรื่องของร่างากายเรื่องของอจิตกันเรื่องจิตไม่เกี่ยว แต่เวลาที่โยมนั่งสมาธิเนี่ยคือมันจะวูบลงแล้วมันจะมีอะไรเหมือนกับมู๊มูู๊๊มูาที่เอ่อร่างกายเราอ่างเนี้ยค่ะแต่ถามว่ารู้สึกโยมนั่งตอนนี้โยมนั่งได้นานตอนก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ก่อนที่ก่อนกอนที่คุยกับพระอาจารย์โยมนั่งได้ประมาณสามสินาทีเอ่อแต่ตอนนี้โยมนั่งปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย มีสิดังไหมธาถ้ามีความสุด้วยนะดังว่นต้องมีความสุขด้วยนะค่ะดังามีความสีค่ะพอออกออกจากสมาี่แล้วรู้สึกว่าอืมใจมันดีขึ้นมันเย็นขึ้นแล้วก็นหละควรจะทำบ่อยๆทำมากทุกวันค่ะทำาเช้าเช้าเย็นทุกวัน แต่บแบบตอ น, นเย็นเนี่ยรู้สึกมันเหมือนกับว่าวิสารที่ฉีดมันมีสารที่ฉีดมารบกวนเพราะว่ายมมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนมีอะไรมารบ ก, กวนเพราะว่าทําให้เรารู้สึกเพียเพียจะหลับอย่างเงี้ยพอเวลาใกล้ๆจะสวดมนั้มันเหมือนกับมีอะไรมารบ ก, กวนเราอมีมาร น, น, นะครับเป็นธรรมดาเวลาจะทํานามนีมารไม่ชอบมาขวางอย่างเงี้ยใช่ค่ะ แล้จะ<อ>ทำอะไรดีคะใช้ขันเตะใช้ความอดทนโยนไปมันพังก็ชนมันเลยนายโยมก็คิดอย่างนั้นแหละโยมก็คิดว่าเออเกิดมาครั้งเดียวตายเป็นตายเอ า, เอาชีวิตเป็นเดิมไปตายด้วยความดีมีแต่ตายด้วยการทําบาสนไม่ได้ทำฝานดีถูกต้องค่ะโยมก็คิดอย่างนั้นโยมก็บอกว่าตายในสวดบทสวดมนเนี้แหละตายเป็นตาย ใช้ได้เนี่ยสืบคำวพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ใช่โยมก็เนี่ยตอนที่ตอนเช้าโยมก็พยายามคือเราไม่มีพระโยมก็พยายามที่จะใส่บาตทํากับข้าวใส่บาตคือบางคนก็อาจว่าเอออีเชินี่เชิญจําเลยแต่เรามีความเชื่อแล้วเราก็เชื่อด้วยว่าท่านมาจริงๆแล้วเราอัญเชิญท่านท่านมาจริงๆแล้วเราก็รู้สึกได้ค่ะ ได้นะไม่ต้ไปบอกใครแลของเราใชฮค่ะอือฮึแต่โยมก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามนี่พระอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์ทุกเช้าเพราะว่าโยมพยายามเอาเอาให้หมดว ด, ดโมนภาวนาบทดดมนนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟังธรรมฟังทุกวันค่ะดีดค่ะ ค่ะอาจารย์หมดแล้วใชค่ะ<อ>ขอพอรด้วยค่ยะอาจารย์เพาะลูกไปสอบช่วงนี้ลูกชายใ ห, ให้สมวังในทุกสิ่งทุกประการนะค่ะค่ะสาธุค่ะขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอข้ามไปที่ ค, คุณชายก่อนนะเพกาะลูกศิษยคุณชา่ลิุดจุดเล่องอบปนหลายลายรอบแนะ ค, คุณทายเชิญ กลับสวัสดีพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนเพิ่งครับอยู่กรุงเทพค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะมีอะไรไหมมีคําถามค่ะพระอาจารย์อาจารย์ได้เลยค่ะก็คือว่าตอนเนี้ยค่ะใจแบบมีความเล่าร้อนแล้วก็วางใจไม่ถูกพอดีโทรโทรโทรปรึกษาน้องยาค่ะน้องยาก็เลยชวนมาฟังธรรมพระอาจารย์วันเนี้ยค่ะแล้วเ อ, อในหมู่บ้านทะเลาะกันเรื่องแมวอ่ะค่ะพระอาจารย์คือ เออบ้านที่เขาเกลียดแมวค่ะเขาก็จะให้เอาแมวไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้ส่วนบ้านที่เขาแบบรักแมวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะประกาศลงหาบ้านให้แล้วบ้านที่บอกว่าเราจะต้องรออีกกี่เดือนแล้วทางทางคนที่รักแมวในหมู่บ้านนะเขาก็บอกว่าลูกแมวยังเล็กอยู่เลยยังต้องกินนมลูกเขาก็กลัวว่าถ้าจะไปให้ตอนเนี้ยมันจะไปภาคแม่ภาคลูกหรือเปล่าเนี้่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยตัวเองก็เลยเหมือนทําตัวไม่ถูกว่า อะไรคือที่ไม่บาปอะคะพระอาจารย์คือถ้าเราไม่ต้องตัดสินใจแล้วก็ว อ, อยู่เฉยเฉยไปปล่อยให้เขาใ ห, ให้้ที่เขาเกี่ยวข้องเขาจัดการไปค่ ะ, ะเขาเขามาปรึกษาปรึกษาหนูคนในมูานมาปรึกษาหนูแล้วก็บอกว่าเหมือนกับเขาแบบขอความคิดเห็นว่าจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รักแมวะะอ่ะค่ะแล้วก็ ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรที่จะให้ความคิดเห็นของเราแบบไม่ทะเลาะ ก, กันกับคนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือหลักประชาธิปไตยท่านอยู่หมู่บ้านก็ออกเสียงแล้วกักนลงคะแนนเสียงว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปค่ะแล้วแล้วจริงๆเอ่อเราควรจะวางอุเบกขาเลยหรือว่าจถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็วางอุเบกขาทำอะไรได้ก็ทําไป อ๋อแล้วน้องที่แบบว่าจะหาบ้านให้แมวให้คนเอาไปเลี้ยงอย่างนี้เขาเขาบาปไหมคะน้องเขากังวลน้อไม่บาปเราก็ถ้าเป็นคนเลี้ดูต่อก็ใช้ได้ครัือว่วเป็นพ่อแม่แทนแทนได้จนันไม่ติดพ่อแม่หรอกไม่มีคนเลี้ยงมันแล้วเลยอ๋อเพราะว่าเพราะว่าแมวลูกแมวยังเล็กอยู่อย่างนี้ยคะ่ะพระอาจาย์มันไป่รูนเนี่ยเพราะมัมีนมเกิดนา่าโอเคนะอ๋ออเคได้ค่ะน้ำมันมาสารทุพพระจานันเ้ย ทุกเวลาทำสมาีิเขาจะชอบมานั่งด้วยอะค่ะพระอาจารย์เขาจะชอบฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนี่ค่าเอาหน้ามาถูโทรศัพท์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอันนี้นะค่ะอันนี้ไปผู้ขากว่านะผู้ขาให้มันนอนนานกันนะผู้าเด็กๆจะเข้านอนนะยังว่าสักนะ มามาสบายดีแนละ้วสบายดีค่ะอมีคนก็ใส่บาตให้นะเนาะใชค่มีคำถามไหมมุกใม่มีปัญหาจะถามค่ะอ่ามุ่ถามนี่ค่ะคำถามสองคำถามค่ะคำถามแรกคำถามแรกคือทำไม เออใช่ก็เวลาเรารักษารสิง แ, แสเราสามาอานหนังสือกระตุ้นได้ไหมคะไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ต้องการให้ไปไปยุ่งกับเรื่องบันเทิงป ม, มาอนะ่านหนังสือธรรมะแทนจะไ ด, จะได้จะได้เรียนรู้ธรรมะได้เราถึงสิสว่าเล่นได้ครับสิงแสเล่นไม่ได้มีน้ำฟังเพลงไม่ได้วา่าดไูไม่ได้อะไรไม่ได้นั้นทําแต่สมาธิอ่านหนังสือธรรมะ ส่ว น, นส่วนวนไม่ทำอะไรเล ย, ยคำถามคำาที่สองค่ะก็คือทําไมเวลาเรารับแาดื่มแบบทําไมเราดื่มนมไม่ได้ตอนหลังเที่ยงคะอออเอาพ<ม>่ อ, น, อาานมถือว่าเป็นอาหารเดี๋ยวน้ำผลไม้ได้แต่นมเนี่ถือว่าเป็นอาหารนมถือว่าเป็นอาหารในยนดื่มไม่ได้ลูกถึงมันเป็นงาน หรอว่าจะหรือว่าจะเป็นน้ำแต่ตอนนั้นเปนอาหารกินแล้วมันอีกท้องบางเราแว่าทาไมพวกน้ำเบรสมากินได้ล่ะคะเพราะมันไป็นไม่มันไม่มได้เป็นอาหารเนียมันเปนเครื่องดเป็นน้ำปานะเป็นน้ำปานะพระปราการอ น, นุญาตให้ใหหนึ่งได้โคได้ ไ, ไปได้โค้กได้ฟิชได้ีไ่ได้ น้ำชากาแฟ่ได้แต่จะใส่แต่จะใ่นม้องหั้ามใส่นมกาแฟก็ไม่ได้กาแฟก็เป็นนมเทียมก็ไม่ได้เยลลี่ได้ไหมคะเยลลี่นี้ไม่รู้เป็นอาหารหรือเป็นขนมถ้าเป็นอาหารเป็นขนมนี่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเป็นเป็นยาไม่ได้เป็นยาแบบ เป็นเหมือนเป็นน้ําผลไม้เป็นผงปุกขึ้นมาอย่างนั้นนะคะเป็นน้ำถ้าเป็นน้ําผลไม้ได้แต่เป็นบุญเองมันู้ไม่้จะว่าเป็นน้ําได้หรือเปไม่เป็นน้ำอะไรจะบุนนะมันจะเป็นก็ขายเป็นพวกขนมหวานแล้วเด็กถือสินแปรแล้วโยกพยายามหาของให้เขาแบบไม่หางไงตอนเย็นนะคะดูหน้ําป่าวันนี้สุด เล่นเยอะเล่นไ่เยอะให้มันอิ่มท้องไปเราต้องการเราต้องการเราฝึกความอดทนไม่ใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้กินอาหารหลักเชยงวันให้เรามีความอดทนต่อมปเวลาเราไปตกทุ่งได้ยากเราจะไม่เราจะไม่ลาบากเราจะอยู่ได้กานอดไว้จะไม่หนื่อยจะไกินอะไรไม่ตายหรอกแค่ไม่กี่ชั่วโมง แล้พอพอเข้านอนก็ลืมไปแลนะ้ะพอเข้านอนก็หายแล้วพอตื่นขึ้นมาตื่นให้มาเชา้าก็กินได้นะค่ะอ่าวันทีท่่านนะที่หนูรักษาสิีแดงหนูดื่มนมไปคะ่ะเอ่อก็ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เขาต่อไปอยากอยากดื่มต้องดื่มก่อนเที่ยงถ้าอยากจะดื่มต้องดื่มก่อนเที่ยง หนูรู้แต่หนูขาดสติใช่ไหมคะสองรอบแล้วกินหมดสองไ้ใช่ไหมสติเราทำยังไงเราพี่เกสติค่ะจูนเป็นตกแล้วดือมหมดเกลี้ยงเลยค่ะเดืมหมดเกลี้ยงถึงจะจำได้โอ๊ยวันนี้ถึงสิแโอเคนะวันนี้อยางกันนี้ก่อนนะ ง, นง า, างนที่ลกลับมาสุายไว้เจตอนมีความสุขบ้างๆนะลรวการปลอดภัยขอให้หลับมีอายุยืนไปถึง120ปีนะครับโอเคเไปขอท่านต่อไปคุณไอฟโฟนอนะ่ะแทนคุณไอฟโฟนคิวคุณไอฟโฟนนะได้ยินไหมคุณไอฟโฟน ในคนที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลเนี่ยในคนครับตรงกลางมีเมนูขึ้นไมหมฮะตรงกลางในคนอายุในคนผไม่ได้ยินเนะได้ยินหรือเาเนะฮะเริ่มไครับดได้ในอยู่ที่ไหนมาสตาร์รบอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ระยองครับยระยองครับ ม, มีอะไรั้ย อยากถามอาจารย์ว่าเวลานอนแล้วชอบเปิดฟังธรรมะแล้วหลับนีผลไหมครับเออก็ฟังได้แต่ไม่ได้ประโยชน์ เ, เป็นเหมือนเป็นยานอนหลั บ, บนี่ฟังธรรมเพื่ให้ได้เกิดความรู้ถ้าเราหลับเราก็ไม่รู้อะไรก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมได้จากการประโยชน์ที่ทําให้เรานอนหลับเป็นเหมือนยานอนหลับ ก็ดีถ้าเป็นคนที่นอนไม่หลับถ้าพอเปิดฟังธรรมได้แล้วก็หลับก็ดีกว่ากินยานอนหลับเพราะการฟังธรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับยาแต่ถ้าอยากจะฟังเพื่อให้เกิดปัญญานี่ต้องนั่งฟังอย่า้นอนฟังปัญญานะสาธุครโอเคใที่ไปหยุดต่อปยุดอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะพระอาจารย์ยุ่นอยู่กรุงเทพค่ ะ, ะมีอะไรไหมมี<า>มค่ ะ, ะหนูไม่ทราบว่านหนูจะปฏิบัติถูกไหมคือเมื่อสองสาวันก่อนนะคะพระอาจารย์พอดีหนเูเดินจงกรมนะคะแล้วทีนี้เดินไปสักพังหนึ่งรู้สึกร้อน แล้วมันก็คิดขึ้นมาเองนะคะว่าเอ๊ะทำไมทาไมเดินแค่นี้แล้วร้อนแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองอะ่ะดูดูจิตนะคะแล้วมันแยกออกแบบจะบอกไงดีคือมันเอ่อคือมันอธิบายเข้าไปเองเลยว่าอ๋อมันเกิดเวทนาตอนนี้มันเกิดเวทนาอยู่นะ มันร้อนแล้วทำไมถึงรู้สึกร้อนน่ะก็วิญญาณมันส่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมันพิจารณาอย่างเงี้ยจนความร้อนเนี่ยมันหายมันถูอดีก็หายเหมือนกับเหมือนกับเราเร า, เรารู้อะไรรอดับเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็พอพอร้อนหายเนี่ยความเยนม็นก็เข้ามามันก็รู้สึกรู้สึกเขาเรียกอะไรอะ่ะรู้สึก ในใจเลยอ่ะอัศจรรย์ใจมากเลยโอ้อหือมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะนุกพิจารณาขันทั้งสี่เนี่ยอืมมันมันได้ผลจริงๆก็เลยเดินจงกรมต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็มานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วนั่งม่นานปกติจะนั่งนั่งได้นะคะพระอาจารย์นั่งเป็นชั่วโมงแล้วก็แต่วันนั้นไม่รับเดี๋ยวเอ๊ะทําไมมันเกิด ต่คิวขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าโดนทดสอบแล้วค่ ะ, ะาอาจารย์ก็พิจารณาเหมือนเดิมเหมือนเหมือนตอนที่เดินจงกรมนะคะว่าหนูพูดไม่เคยออกแต่หนูพิจารณาอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็หายไปแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีก แต่ขันงนี้แรงมากเลยค่ะแรงแรงจนเกือบแต่ว่าจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทนคือในใจก็คือยอมยอมยอมทนยอมเจ็บแล้วก็พิจารณาเหมือนเดิมแต่มันไม่หายอันนี้หนูกเลยว่าขันเนี่ยขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอืมขเขาเรียกอะไรอ่ะอนัตตาเอนัตตา ใช่ค่ะมันเป็นอนัตตาเราควบคุมมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติามันเลิศไปอีกแบบอาแบบจารย์มันค่อยค่หายหายหายนะอาจารย์แต่ว่ายังรู้สึกเจ็บอยู่ตายเราไม่เจ็บตาเราเฉยเค่ะแต่แต่พอมันพอมันหายเจ็บแล้วเนี่ยคือคือยังเจ็บมีความรู้สึกว่าเจ็บอยู่แต่ว่าพอมันหายหายไปสักพักนึงหนุมก็มีความรู้สึกว่ากลัว กลัวมันจะเก็ดเจ็บขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะแก้ไม่ได้ก็เลยเลยลุกค่ะทีนี้เอ่อหลังจากวันนั้นอีกวันหนึ่งไม่กี่เอ่อเห็นุนี่ยมันเกิดแค่สองสาวันนี้เองพอหลังจากนั้นอาจารย์กิเลนเกี่ยวกับสังขารนะคะมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันโจมตีหนูมากเลยอะ่ะมันพูดแต่คาหยาบตลอดเลยหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยมาพิจารณาว่า สงสัยสติเราไม่มีหรือเปล่ามันหายสติห า, หายหรือเปล่านก็ต้องต้องต้องพูดโทมาสองวันแล้วค่ะมันก็มีแยบแยบกับบ้างทีนี้เนี่ยหนูหนูควรจะทํายังไงคะก็พยายามรีสติมีเรื่อต้องพูดโทไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจมากให้มันสงบให้มันนิ่นงถ้ามันไม่มาไม่คิดอะไรเราก็อยู่พูดโธได้ถ้ามันจะคิดเราก็พูดโทพูดโทไปเลยว่าค่ะแล้ว แล้วก็ไปห้ามเมตนาไม่ได้เมตนามันจะศึกจะทุบ ก, ก็ป่วยมันศึกมนทุบไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันห้าใจเราอยางเดียวพอใจอยากใจเราจะไปสุกไปทุบ ก, กับมันใจเราไปดูเลยขาจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูต้องควรจะชนต่อไปอีกไหมคะหรือว่าก็อตอนนั้นถ้าเราต่อทน ต, ต่อไปได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไ ม, ไ, ไม่เป็นไรคราวหน้าก็เอาใหม่ได้ซ้อมใหม่ พยายามอยู่กับธรรมชาติในหน้ได้เหมือนกับเราอยู่กับฝนตกแตดดออก mm hmm. ถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราอยู่มันหน้าเราก็จะทุกข์แต่ก่อนหน้าเนี้ก่อนที่หนูจะมาพิจารณาเนี้ยว่าความมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บกับร่างกายหรือเกี่ยวกับความคิดอะไรเนี้ยหนูก็จะพิจารณาว่าเอออนี่มันวิญญาณสังขารอะไรเงี้ยค่ะพิจารณาจนจนรอบ แล้วก็ดับค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหนูหนูแยกได้แค่แบบหยาบๆว่าอ๋อไอ้นี่พอสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนี่มันเป็นแค่สังขารเอ่อพออะไรกระทบหูกระทบกายเนี่ยมันก็เป็นเวทนาทางกายทางจมูกทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อาจารย์คือแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็เหมือนกับตอนนั้นนั่งสมาธิด้วยนะคะแล้วก็ มันเห็นเป็นกลุ่มๆค่ะเป็นแบบว่าแยกแต่ละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แยกเป็นกลุ่มๆจิตเราก็แยกแยกออกมาอี ก, อกจากจา ก, จากกลุ่มเคันทั้งสี่อะค่ะโดยขอให้เราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติชั้นันเองที่เราทำใจอื้วเราไ ป, ปควบลุมมันข้ามห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันปลากดของมันไปตามเมื่อมันแต่เราอฉยๆก็เน้นรับรู้อยู่กอบมันไป เข้าใจค่ะก็ okay, ค, ะคือตอนนัดตอนนี้คือหนูก็ใช้ใช้สติคอยคอยฝึกใจไม่ให้ไปวุ่นวายอะไรแต่ถ้ามีมีอะไรมากระทบก็พิจารณาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้พิาจารณาเพื่อให้เรืน่นองมันเป็นธรรมชาติอืมค่ะเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเราห้ามมันไม่ได้ต้องสึกใจให้อยู่ประมันนี้ได้ค่ะอาจารย์นะค่ะ อาจารย์คะแล้วสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาใช่ไหมคะตัวอย่างเป็อนัตตาแต่เราก็เป็นอนัตตาแล้วทําไมเอ่อบางบางสภาวะเราเขาเรียกอะไรอะ่ะเราปล่อยวางได้แต่บางสภาวะนี่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราขาด ส, สติปัญญาในช่วงนั้นขาดสติปัญญาถ้าเห็นเป็นอนัตตาเราก็จะปล่อยวางได้ อันัน็ว่า เ, า, เเาเป็นเ ร, เราเป็นของเราก็าเลยไม่ยอมปล่อแต่หนูหนูคือตอนพอเกิดเนี่ยแล้วหนูก็พิจารณาว่ามันสิ่งน้นมันคืออะไรพิจารณาจนแบบว่าเอามาคิดจนจ น, จนกระทั่งถึงทุกวันนะคะวันหนึ่งจะต้องมีสภาวะนี้เกิดขึ้นมาตลอดเลยจนจนหนูคิดว่าเอ๊ะสงสัยเราอยากรู้หรือเปล่าว่า ที่เรารู้เราที่สัมผัสเนี่ยมันถูกไหมแล้วกเออ็เราก็อย่าคือเราก็พูดกับตัวเองว่าก็อย่าไปอยากสิก็ปล่อยก็ปล่อยเกิดอะไรขึ้นมาก็แค่รับรู้เฉยอย่ามันมันมันเหมือนับมีจือกหนึ่งเข้าไปบอกว่าเหมือนหนูยังยึดอยู่อะค่ะใช่ยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมชาติต้องไป พิจารณาเห็นว่ามันธรรมชาติมันมาควาวันนั้นอยู่มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราไปบังคับมันได้ได้นะแต่ก็ไม่ปล่อยแต่มันปล่อยไม่ได้ค่ะพระอาจารย์พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาต่อไปถ้าปล่อยไม่ได้ก็กลับมาหาพุทโธพุทโธให้มันพิจารณาแล้วกลับมาถ้ามันไม่ปล่อยก็ต้องกลับมาทําใจให้เป็นเบรคขาพุทโธพุทโธ พอใจแนละ้วถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยถ้าปล่อยไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาฟุตโทรเมื่อท่านกนําปล่อยให้มากขึ้นสากนี้จริงจริงหนูก็พยายามอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะแต่มันก็กลับมาคิดทุกทีเลยว่าเออมันคืออะไรมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ ย, ยนค้ยมั้นแต่มีมแต่ก่อนนี้ที่หนูเข้ามาเรียนพระอาจารย์หนูเคยหนูเคย เล่าให้พระอาจารย์ฟังเรื่องสภาวะแล้วพระอาจารย์อธิบายให้ฟังอ้อพอเรื่องนั้นเนี่ยสภาวะนั้นหนูปล่อยไปเลยพอลุกเผื่อเหมือนว่ตัวเองรู้แล้ววเราปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยพระอาจารย์ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นหนูไม่คิดเรื่องนั้นอีกเลยแต่นี่มันมีสภาวะใหม่มันก็มันต้องใช้พุทโธต้องใช้พุทโธต้อใช้พุทโธใช่ไหมค ะ, ะค่ะ okay, yeah. าอาอกุญแจนั่งดูคนหน่งรอยู่ป่าขอบพระคุณค่ะไปที่กนะุญแจนชมดู ค, คะนะนยกลับมสกพรอาจารย์เ่้าค่ะตอนนี้ทำงานอยู่แล้วทางานอยู่ค่ะพระอาจารนนย์ี้ อ, อยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้เขาก็จะให้ยมกลับไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่ายมยังไม่ได้กลับ โยังพยายามทําอย่างที่พระอาจารย์บอกอยากจะทําชาวชามยินชามจะได้เวลามาปฏิบัติมันยังไม่ได้อายครับพระอาจารย์ยังคงต้องทุ่มเทให้กับการทํางานอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะยังมุงงไปค่ะยังงงไปวันนี้ยังไม่มีคําถามพระอาจารย์เข้ามากับพระอาจารย์ค่ะเป็นจิก็มาไม่ที่เจอแั้นะบาร์ก็จิบ เขียนมาบอกว่าพระอาจารย์ถามถึงค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้ามาค่ะพอดีก่อนหน้านี้มีโทรศัพท์ไหลโทรศัพท์ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะไม่ได้คุยกับพระอาจนะารย์<ป>ค่ะสาธุนะค่ะสาธุกับค่ะบัญญัตินะแล่อต่อสื่อเอออันนี้กุ่นับอันนี้ไมโครโ อยู่ที่ไหนอายู่เชียงใหม่ครับท่านอาจารย์เชียงใหม่ดังไหน่อยกล้ใกล่อยอยู่เชียงใหม่ครับท่านอาจารย์มีอะไรบ้างมีค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการที่มีความชิดความปรุงขึ้นมานั้นให้มีให้นั่งฟันกิเลสตลอดเวลาที่ปุูขึ้นมาห้ามไม่ห้า ม, ม, ห, ามห้ามไปไหนเลยเหรอเจ้าคะ้ะแล้วก็ฆ่ามันอย่างเดียวเลยเหรอเจ้าคะ่ะ หมายถึตอนไหน่ะถ้าตอนัทำสมาธิมีการต้องหยุดไหมหมายถึงตอนออกจากสมาธิค่ะแล้วแล้วคิดที่ฆ่ากิเลสทุกรูปแบบทุกประเภทคิดฆ่าอย่างไรเจ้าค้าต้องก็ิเลสจะนำเราไปสู่ความชุกเลยเพราะสิ่งที่เราต้องการมันไม่เที่ยวเราไปพวกคุมตรงคสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เวลาก็จากเราไปแล้วมันจะชุก ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วถ้าปุกถ้ากิเลสปลุดขึ้นมานี่เราก็ใส่กันตลอดเลยเหรอคะถ้าใส่ได้ก็ดีเราจะได้เอาชนะได้พะที่ออกกแล้วแล้วเราไม่ต้องไปไหนเลยเอากันตรงนั้นตลอดเลยเหรอถ้ามันออกมาเพราะว่าถ้าเราออกนอกสมาธิปุ๊บมันมาให้เราไปทำไม่ดีหรือจูงเราไปนู่นนี่นั่นตลอดเลยเราก็อย่าไปทำตามมันเดี๋ยวถ้าเราร่วมไม่ดี อยูันด้วุโธนะอยู่มันดโธโธแต่ชนนะชชใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหลกักหลกักถ้าเราคิดจะฆ่าก็คือล่ะก็คืออย่าไปไหนก็ก็สู้กันทุกทุกความคิดที่ออกมาเลยใช่ไหมใช่มันจะได้หมดปัญหาไปต่อไปมันจะพอเราฆ่ามาแล้วต่อไปมันจะไม่มาง้อคุยเอาแบบยาวๆนานๆไปเรื่อยๆมันจะชวนจะทําอะไรยังไงอย่างนี้เพราะว่าเวลากลับไปชาร์จพลังที่สติสมาธิแล้ว มันมันไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่มีมันไม่มีความสุข ม, ม, มันไม่มันไม่ไม่มีความสุขมากอาการมันมันไม่ก้าวหน้าเลย zial. เพราะว่าสุดเรื่องสมาธิมานานแต่ว่ามันไม่ได้ผลประโยชน์เท่ากับเพราะตอนที่ตอนเพราะตอนนี้ก็มีความสุขมากที่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาอดทนใช้ปัญญาหาความจริงเบื้องหลังของของของขอ ง, ของที่เรา พิจารณาอยู่ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ถ้ามันเกบความไม่สบายใจได้จะใช่ได้มีความสุขมากกว่าแต่ก่อนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวหรือว่าคุณถปัญญามันจะให้ความสุขมากกว่าสมาธินะมีหนักแน่นกว่ายาวนานกืน่าให้ปัญญาเลยเข้าสบายตัวสบาย สบายตัวขึ้นเยอะไม่หนักความคิดนะครับอาจารย์มีอาจารย์ปัญญาได้ก็ใช้ได้เลยการที่เข้าไปเห็นความจริงต้องไปเห็นชัดๆที่ความจริงที่สถานที่เช่นโรงพยาบาลป่าช้าซากศพจริงๆหรือเห็นชัดๆที่จิตใจเจ้าคะคือได้ที่ที่ที่จิตใจได้ก็ไม่ต้องไปเห็นท้ำท่อถ้าเห็นที่จิตใจไม่ได้ก็ต้องไปเห็นที้ำท่อเพราะเดี๋ยวต้องมาในจิตใจ แต่ถ้าบรรลุนี่คือควรจะเห็นชัดๆที่จิตใจใช่ใช่เัอย่างเป็นตอแล้วฝึกอะไรดีที่เน้นๆหนักๆถ้าไม่ฝึกอันนี้ก็บรรลุไม่ได้ต้องจะมาฝึกเรื่องความตายก่ือเรื่องความแก่ความตายความเจ็บไม่จินเราปล่อยวางมันไม่ได้อ๋อ แล้วก็ประโยชน์เสือสุภะไปดูความไม่สวยงามของร่างกายอาจารย์ะแล้วก็การพิจารณาปัญญาทุกขั้นทุกตอนทุกระดับอริยะต้องพิจารณาอะไรเป็นเกณฑ์พิจารณาอะไรถึงท่านท่านท่า น, นต้องมาพิจารณาร่านกายว่าไม่เทียมกจะชุบกระจาสุดใจแล้ท่นที่สองท่านที่สามต้พิจารณาสุภะความไม่สวยง า, า, ยาม แล้วโู้อาจารย์คะแล้วก็ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดแล้วก็วิญญาณแล้วก็จิตใจมันต่างกันยังไงบ้างคะจิตก็คือเป็นเป็นผู้รู้ผู้คิดแล้ววิญญาณก็เป็นวิญญาณเวลาอยู่กับร่างกายเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณเวลาอยู่กับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจ แต่ว่าผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่จิตใจเหรอคะใช่ตัวเดียวกันเพียจะเปลี่ยนชื่อเวลามีร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าวิญญาณแล้วที่ว่าอุปทานขันห้ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้ววิญญาณนี้ก็ไม่เที่ยงเหรอคะแล้วก็ผู้รู้ผู้คิดก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไอ้ไอ้วิญญาณนี่มันตึงกับวิญญาณนี่เป็นจิตใจอวิญญาณนั้นี้เป็นตัวที่มา รับรู้โลกเสียงกลิ่นรถที่เข้ามาทาตาหรจมูกนี้การระหลาดตกันถ้าเกิดเราพิจารณาขันห้าที่ว่าตัววิญญาณนี่ถ้าจะอุปมาอุปไมเป็นเป็นสิ่งของเป็นอะไรดีพระอาจารย์มันถึงจะเข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นรถยนต์ยานวิญญาณนะคะในตัววิญญาณอ๋อเจอเจอวิญญาณนี่จะเหมือนไฟฉายแสงไฟฉายที่เราส่องไปกับ วิญญาณมันออกจากว่ามันออกจากใจยมาเกาะที่ตาหูจมูกลิญญ้นดาเป็นกระแสแล้วถ้าเกิดเราจะเราบอกว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารอันนี้ก็พอจะเข้าใจแต่พอบอกว่าวิญญาณไม่เที่ยงอะไรคือคําว่าวิญญาณไม่เที่ยงค่ะก็เจอที่มารับโ ล, ก, ลกเส้นจิตเแล้วมันก็ไม่เที่ยงออเวลาไม่ได้รลกเสียงจิตเราแล้วก็ไม่ทํางาน เวลาบรรลุเสียกินได้ตาค่อยทงานคำว่ารับรู้นี่คือวิญญาณที่ไม่ท่้งใช่ไหมคะใช่เยอวิญญาณตัวรับรู้รูปเสียงกินนี่ัน่นเทียมมันเกิดดาบเกิดจาบตามการจับปัดของรูปเสียงกิที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกจกใจแล้วตัวจิตแท้จิตเดิมของเรามันตั ว, ต, วตัวนี้เป็นตัวผู้รู้เนี่ยผู้รู้จิต ผู้รู้วิญญาณผู้รู้สังขารผู้รู้คิดอยู่อลไรคือผู้รู้ผู้รู้ในความรับรู้อีกทีนึงเหรอคะแค่รู้ทุกอย่างเลรู้ร่างกายรู้ขันะนี่คือผู้เคือจิตคือจิตใจเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นสักยะทิฏฐิแล้วต้องพิจารณาคําว่าวิญญาณไม่เที่ยงก็เลยพิจารณาไม่ค่อยเป็นนะคะ พิจาราหมือนกับสังขารเนี่ยมันมาพ้องพ้องกับสังขาเรเวทนาปัญญาสังขารมั น, น, มนมาเป็นทีพิจารณาตัวตัวตัวเดียวก็พอความจริงพิจารณาตัวเวทนาตัวเดียวก็พอมันทํางานร้อมกันมันทํางานพ้องกั น, นเวลาสุกเวทนาสาังขารันก็ปลูกไปทางสุกวิญญาก็ไปทางสุกเวลามันชุบมันก็ไปทางชุบมันมาทั้งทีมมันไปด้วยกัน เป็นพิจรณาตัวเวทนาตัวเดียวก็พอก็คือถ้าเวทนาไม่เที่ยงทุกอย่างกระบวนการทั้งหมดมัไม่เที่ยงทั้งนั้นล้วก็เตือนสายตาทั้หมดแค่เวทนาสุดฉันกานก็สุดวิญญาณมันก็สุดแต่ถ้าเวทนาสุดฉันกานวิญญาณสัญญามันก็ทุกไปมันคิดไปในทางสุดไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องสัญญา เวทนาถ้าให้ดูที่เวทนาตัวเดียวว่าพอกับตัวร่างกายจะวุ่นสองอย่างนี้แล้วถ้ามันตาขาดมันก็คือตาขาดไม่ต้องมปฏิเวทะนาห้าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ต้องเอาแค่สองติดสองอย่างนี้คือความตายกับความเจ็บในร่างกา ย, าายแล้วขอถามอันนี้สุดท้ายพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราแฮปปี้ว่า เราเราแต่ว่าสมาธินี้วันนึงนี่ต้องหาเวลาคือตัดขาดหาเรื่องเราตัดขาดจากทางโลกการงานอะไรไม่เอากิจกรรมต่างๆโลกทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ทํางานอะไรสักอย่างเลยแล้วค่อยนั่งก็คือเก็บเกี่ยวไปทุกวันแต่ว่าถ้าว่าต่อเนื่องตลอดยาวนานเช้าจนถึงทั้งวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือต้องหาช่องทางที่แบบว่าหยุดกิจกรรมไม่ทําทั้งหมดแต่ว่าถ้าตอนการปฏิบัติระหว่างนี้ถ้าเราแฮปปี้ว่า พอเราทำสมาธิสติสมาธิแล้วก็บอกว่าสติสมาธิเท่ากับความสุขแล้วก็เราก็ใช้พอออกมาปุ๊บเราก็เริ่มปัญญาได้เลยไหมเจ้าค้าหรือว่าเราก็คืออยู่แค่สมาธิสติสมาธิไปก่อนได้ด้วยสมาธิมาก็จะเป็นปัญญาเลยก็ได้สลับกันก็คือไม่ไม่จําเป็นต้องจิตกลิ่มกลิ่มอารมณ์ด้วยหรือเปล่าเจ้าค้าหรือว่าอย่างถ้าอารมณ์ได้ก็ดีกว่าไม่อมารมณ์ แต่ก็ถ้าไม่อิ่มอารมณ์แต่ก็จะใส่สปัญญาก็ได้เหมือนกันใช่ไหมได้แต่มันจะตัดไม่ชัดมันจะตัดอารมณ์ไม่ได้จะตัดอารมณ์มันก็จะไม่แต่มันก็ดีหน่อยหนึ่มันก็มีความสุขมากขึ้นนะอาจารย์ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาแบบเต็มที่ก็คือต้องต้องมีกําลังสสมาธินะครับใช่เพจะใด้ตัดสปันยาสิตตัดได้ก็อย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติ สุกทางบ้างหรือเปล่าครับสุกทางบ้าแต่ยังไม่เแตกรอยมีแตกที่สมาธิยังไม่แตกที่ลองเอาสมาธินี้แตกที่ก่อถ้ามันเข้าไปนี่ว่าสงบครูตอนเด็กๆ ก, ก็อายุสิบสี่สิบห้าก็ทําเต็มที่จนถึงขั้นที่ว่าอที่ว่าไม่มีลมหายใจอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่รู้ขั้นปัญญาว่า ก็ อ, ออกมานะต้องต้องใช้ปัญญาเลยนะไม่ต้องกลับไปทางโลกแล้วก็คือใช้ปัญญาทุกแง่มุมมิติทำลายล้างให้หมดเลยว่ามันเห็นผิดเห็นปฏิบัติผิดอะไรที่ว่าเอาหาความสุขจากทางร่างกายอย่างเงี้ยไม่กลับไปหวนไปเสกเดิมอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่มีปัญญามันจะกลับไปเสกต่อแล้วก็มาทุกถ้าอย่างนี้ก็ดูคร่าว ก็น่าจะได้ไปทางถูกทางบ้างใช่ไหมครับก็พยายามพิจารณาใจร่า ง, ายาาายงอยู่เรื่อยพิจารณาขานท่าโดยเฉพาะร่างกายว่าไม่เทียยงภาศัร่างกายหาความสุข ไ, ไปไม่ได้สลอดเดีววาหนึ่งก็ต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายเพราะว่าฟังเทศจากพระอาจารย์แล้วเพราะตอนรับผู้ฟังนานตั้งแต่ปศหกศอ ห้สองหรืออะไรแล้วก็แบบว่าเราก็ถ้าปฏิบัติไม่ถึงหรือปฏิบัติไม่ปฏิบัติไปด้วยก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าปัดคนปฏิบัติแล้วก็คือแบบโอมแม่นยําทุกอย่างคือแบบเป๊ะเป๊ะคือเข้าใจอะค่ะคือต้องปฏิบัติด้วยถึงจะเข้าใจว่าว่าว่าว่าคืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องศึกษายอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบททัติเพืจะได้รู้ชัดเจน ก, ก็ฟังแล้วครูบาอาจารย์พระอาจารย์สุชาติก็คือแบบเป็นแบบดีมากก็คือแบบสุดเป๊ะๆเป๊ะๆ เ, เโลโยอะครูแบบถ้าว่าไม่ปฏิบัติมาเราไม่ฟังไม่ออกแล้วไม่เป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่ไปตามนั้นอย่างเงี้ยก็ค่ะท่านพระเจ้าสอนว่าศึกษาเพื่อปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะมีดวงใจนครับ ก็ตอนนี้ก็ขึ้นขั้นสมาธิก็มีความสุขแล้วก็ได้ฟังปัญญาก็ทำให้ชีวิตเปิดเห็นโลกกระทัดเห็นความกว้างที่ว่ามันเบามันสบายมันไม่ต้องแบกบมันเห็นความจริงด้านหลังของของที่เราไม่เข้าใจต่างๆเกี่ยวกับใช่ก่อนเราอยากจะไปใหันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเห็นเห็นตามว่ามันเป็นธรรมชาติเราไปควบคุมบางครั้งทำไม่ได้ แต่ก็ใช่ค่ะเพราะว่าสะสมเพราะว่ทุกวันพระจะถือศีลแปดแล้วมันสะสมในตัวเองแบบว่ามันจะเห็นความวุ่นวายกับความไม่วุ่นวายความไม่วุ่นวายมวุ่นวายแล้วเดี๋ยวมันตกผลึกเรื่อยๆมันก็เริ่มจะค่อยๆเข้าใจบ้างแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยมลงพยาบาลบ่อยมากหมอบอกว่าเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าพอเป็นจริงๆแต่จริงๆแล้วเราก็ฝึกสมาธิแล้วก็อะไร สตปัญญามากมาก่อนแล้วพอถึงเวลาครับขันมันก็มาก็มามาลุมเลยว่าอูใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่อย่างที่ที่เขาว่าให้หรือว่าเราเป็นแล้วก็ใจเราก็มีแต่ความสุขเพราะว่าเราทําทานเราทําศีลจิตเราอิ่มสมาธิอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีปัญญาเข้ามาด้วยก็เลยทําให้ ให้เห็นตอนที่ว่าโอ้เราเป็นนู่นเหมือนจะตายท่านอาจารย์แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นไปก็เป็นไปอย่างนี้ก็คือแบบว่าเยี่ยมโรงพยาบาลก็ให้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปเยี่ยมโรงพยาบาลเยอะๆแล้วก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมป่าช้าแล้วก็เยี่ยมซากศพถ้าเกิดต้องการพัฒนาความสุขขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช่ใช่ไหมอย่างนี้ โอเคนี้<ส>เอาเวลาสนะ่วนนี้ต้องนะให้เสร็จมากโอเคค่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณผ่าจา์มากครับแล้วก็จานนีมีใครในห้องที่ยังไม่ได้ถามไหมมิเตราวิสถามอยา่มิสเอล้วิสไม่ได้เปิดทีดียวไม่ได้ถามเลยกลับมาแล้วจานอยูามมานะ่ที่ไห น, นอยู่อยู่ขอนแก่นครับผมเข้ามาฟังเฉยๆครับเราต้องชี้แนะมีใครีิว่า ไปคำถามที่เฟซบุ๊กต่อเลยนะเพราเวลาเดนะี๋ยวน้อยจะถสอาทีเวลมีคำถามจากไหมมีคำถามจากทางเฟซบุ๊ก u t u b e แล้วก็ YouTube ของด็รวีทั้งหมดยี่สิบสี่คำถามค่ะเอา่ามลเลยมาเล ย, เลยคำถามแรกจากคุณโมนิก้ากาเีรนถามพระอาจารย์ค่ะคนที่มีเจตนาพูดทำรายจิตใจคนอื่นจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างเจ้าคะ ทำ้ายผู้่นา ม, ม, มาแล้วจะลองสู่ผู้อื่นก็ทำร้ายเราทาอะไรกับใครไมันก็จะกลับมาหาเราคาถามต่อไปจากคุณอิสระนั่งตัวโยกไปมาเป็นอาการอะไรครับการไม่มีสติการนั่ต้องมีสติต้องพุ่โผล่พลงหายใจเ้าแขเ น, นเฉย้ที่ใช้แล้วพอสติไม่มีู่า่านซานก็จะโยกไปโยกาได้บางคนก็จะสั่นแบาผีเท่าแบบ ข้อทงอะไก็ได้คำถามต่อไปจากคุณสมยศกราบนมัสการครับพระอาจารย์จะขอถามการอุทิศบุญให้ผู้เป็นมารดาต้องทำบุญอุทิศบุญด้วยวิธีไหนถึงจะงได้รับส่วนบุญอย่างถูกต้องและได้ผลครับเพื่อทำทานเนี่ยให้ทาบุญให้ทานใส่บาตรทวายสักาทานลอยจานเงินให้โรงพยาบาลเงินนอนเงิสามารถอย่ที่เดินได้ คำถามต่อไปจากคุณพิชัยกาเรียนถามครับบุญที่ได้จากทานศีลภาวนาเมื่อตายแล้วถ้าไปสุคติบุญที่ได้ทำทั้งสามอย่างนี้จะเป็นบุญรวมเป็นกองเดียวกันหรือแยกเป็นบุญคนละกองครับเอาคนละกองบุญแต่ละอย่างนี่ส่งให้จิตไปสูงสูงไม่เท่ากันถ้าถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลได้ก็จะไปเป็นเทวดา ถ้าทำสมาธิได้มัจะไปเป็นโพถ้าเจริปัฒนามีโรงตาเห็นสัมพันธ์มัวจะไปเป็นปัระอรคำถามต่อไปจากคุณพิชัยจะขอแบ่งเป็นสามคำถามเจ้าค่ ะ, เ, คมคะเมื่อเราฝึกภาวนาสม่ำเสมอจนได้ฌานต่อเนื่องเวลาออกจากปฏิบตัติไปแล้วใช้ชีวิตการทำงานทางโลกฌานจะยังคงอยู่ใช่ไหมครับ เม่อกถ้าเอามาใช้เมื่อเริ่มคิดเริ่มมีควารอยากฌานท่านจะต้องกลับเข้าไปไหม่แล้วการเกิดถ้าเกิดตายกระทันหันจิตจะไปอยู่ที่ฌานก่อนตายไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราเราสามารถเดินมันเข้าไปได้หรือไม่ถ้าเดินมันเข้าไปได้ก็เข้าไปได้ถ้าเข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้เมื่อได้ฌานแล้วที่ ที่ซึ่งจะไปคือพม่าโลกใหม่ครับใช่ในพมาโลกใ่ที่ว่าเราได้ฌานมากฌานน้อยด้วยเพราะว่า้าเวลาตายถ้าเกิดเราเปิดตกใจไม่มีสติควบคุมใจให้เดิเข้าไปในชานไม่เข้าไปก็ได้ถามต่อไปจากคุณแซมเพื่อให้เกิดสงบสุขอย่างแท้จริง ควรนําเอาอริยสัจสีไปใช้งานโดยพิจารณาอย่างไรครับพิจารณาว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่เราก็หนีความแต่ความเจ็บความตาไม่ได้งั้นเราไ ม, ไม่ต้องไปดิ้นรนมากทกาพอพออยู่ไปได้วันๆก็พอเพราะว่าในทุกสุดก็ต้องหนีความตาไปได้เราพยายามไม่ต้องเครียดกับการทํางานมาเกเหมือนกไนรั ทำพอเลี้ยงชีพไปวันๆพอพอเก็นผ้าเนี่ยินถบาทวันละขั้นอาหารมาวันละขั้นพอพอพร่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรรึเปล่าถ้าไม่เป็นไรถ้าไม่รีบปนมากก็ไา้วันนี้จเียด่ไคํคำถ า, คถามต่อไปจากคุณ The MultiVersal Unity ขอแบ่งคำถามคะ่ะกลับมาสการ์ครับขอโอกาสครับปกติ นิพพานอยู่กับเราแต่เราอยู่กับนิพพานได้เสมอหรือครับไม่นิพพานคือใจที่ไม่มีที่หลกใจพอเราตอนนี้มีที่แหลกมันเลยไม่เกินนิพพานพอเราปฏิบัติทํกากําจัดความโลภโกรงให้หมดประจากใจได้ใจก็เป็นนิพพานได้ละอาหารหันมีความเป็นปกติอย่างไรครับก็ไม่ลโลภไม่โกรธไม่หลงความ โ, โลภความโกรธความหลงนี่เป็นความไม่ปกติ พอไม่มีโรคอมก็ไม่จะเป็นปกติผมหาพุโทโธไม่เจอครับอยู่แค่เหนือหัวเราแต่ไปยังไงครับพอไม่ต้องเยินมาต้องต้องพุโทโธพุเดีอยูกับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพุโทโธมันดะเข้ามาหาเรอาองคำถามต่อไปจากคุณนัทชัยคราหัวเราะผิดไหมครับต้องแกต่ารแกเพศกาลเพศ จะห้ามผ้าแม่หัวล้อเลยก็ไม่ได้แต่หัวล้อแบบเป็นคนบ้าก็ไป่เหลอะสมเพฉนั้นต้องมีการรักมีสรัทธามีเหตุมีผลแต่โดยปกติแล้วท่านจะคำนวนมากก่าแต่บางครั้งบางคราวก็หัวล้อได้ทีบาอาจารย์ ม, มีชั่นพูดธรรมะคำถามให้เราฟังก็มีแต่มันมีการรักมีศรัทมีประมาณแล้วก็อาจจะเป็นส่วนประกอบของการพูดธรรมะในตอนนั้น คำถามต่อไปจากคุณเปียวันขอนแบ่งคำถามคะ่ะขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะการที่คนป่วยซึมเศร้าถึงขนาดต้องทานยาแล้วสุดท้ายฆ่าตัวตายพร้อมลูกวัยห้าเดือนคำถามแรกคือคนป่วยทางจิตฆ่าตัวตายจะบาปไหมคะาบาปกาฆ่าตัวตายนี่มันจะสร้างความทุกข์มากความที่จะตาย ถ้าจะทําบุญอุทิศจะได้รับทั้งแม่และลูกไหมคะยังไม่ได้รับแต่ว่าคชาติตัวตายนี้จะต้องไปนรกเ้อเรอให้ออกจากนรกกว่านั้วถึงจะมารับชมได้จะมีทางไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างเพราะว่าช่วงที่เขามีชีวิตเขาก็ได้ช่วยประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอยู่มากเจ้าค่ะก็ต้องเป็นเรื่องบุญเรบาปของเขาที่เราจะช่วยเขาเองความนี้เราช่วยอะไรกันไม่ได้ ถ้าเขาไปอยู่ในในรกีช่วยไม่ไต้องรา้ายเขา อ, อจากนรกมากก็จะเป็นขอทานาจิตกำเนิาเราก็สามารถช่วยดูให้เข า, เขาได้คําถามต่อไปจากคุณจันโทรกราบนมัส ก, การขอรับกับผมอยากเล่นถามพระอาจารย์ครับหากเรานอนฝันอยู่แล้วในฝันเรารู้ว่าตัวเองฝันอยู่ควรทําอย่างไรครับใช่รู้จิตใอะไร คำถามต่อไปจากคุณสาย่านพระอาจารย์คะโยนทําจิตให้สงบในอารมณ์เดียวให้นิ่งไม่พิจารณาอะไรภาวนาพุทโธแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคำถามต่อไปจากคุณแม่ชีลูปารมขอคำแนะนำคะ่ะวันนี้เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เลือกทุกตามหลักธรรมที่ปรากฏในธรรม จะกลับปะวัฒนาสูตรเขาบอกว่าหัวข้อไม่น่าตื่นเต้นมีคนทำอารยศีได้เยอะแล้ ว, ลวก็เลยจะต้องหาหัวข้อใหม่ขอคาแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะไม่รู้ห่ะนี่เราไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำได้นเรื่องของสูต้เป็นคเรื่องอ เ, เรนื่องที่ตัวเตปนิ เ, นาเรเเา คำถามต่อไปจากคุณสกักธานัมสกขาพระอาจารย์เรานั่งสมาธิแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเรามีสมาธิแล้วพึ่งเริ่มฝึกคือรู้แต่ว่านั่งเห็นแตดสีดำแต่นั่งไปนานจะมีความรู้สึกใจนิ่งๆแต่แป๊บเดียวคะ่ะเราจะให้เราพัฒนาขึ้นคะเออความได้เหงื่อใมผลจต้องการจากการนั่งสมาธิ พยายามทำให้มันเล่งเย็นดาวต่อไให้มันเล่งทั้งวันเลยทั้งในขณะที่ในสมาธิทั้งในขณะเที่ยวหาับสมาธิคำถามต่อไปจากคุณบุญชูอาจารย์ครับคณิกะสมาธิสามารถเจริญปัญญาได้ไหมครับมีกําลังพอไหมครับไม่พอละคนิกามันเร่งคราเดียวแคนเหนือยนําค้างมันยังไม่เป็นเหนื่อยน้ำเต็ม ต้องให้เป็นน้ำปนสาระาราที่น้มันก็ะเป็นน้ำที่มีปริมาณมากที่เราสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้คถามต่อไปจากคุณพรเพ็ญขอเมตตาพระอาจารย์อธิบายโลกะวัชชะใช่บอกพระว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ทำหรือไม่ถ้าบอกแล้วพระยังทำตามนิสัยดั้งเดิมแสดงว่าคนบอกยุ่งและบาปไหมคะ ไม่หรอกเราว่าโลกาภิวัชร์ือเป็นาการกระทำที่โลกเขาติดเตียงที่ชาวบ้านเขาติ เ, เ, าาเตีเยงเช่นถ้าไปเดินในช้อปปิง้งหรือนะักซื้อช้อปปิง้งเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับธรรมะนับเนตคำถามต่อไปจากคุณประพัฒสิริอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าวางยาเบื่อมแมลงวันนี้ทิ้งไว้ จะผิดศีลข้อหนึ่งแค่วันนี้หรือเปล่าคะถ้าถ้าถ้าเขาตายก็ผิดถ้ามีสา์ตาข้อยาบุญที่เราไปวางไว้ถ่าเจอว่าแล้ก็ทำบาปคําถ า, ถามต่อไปจากคุณออตไวยเลอร์ไม่เคยปฏิบตัติอยากจะปฏิบตัติเริ่มต้นอย่างไรครับก็ต้องสติกตต่อนสตินั่งจ่าลืนตาขึ้นมาท่องุกโพทุกโพไปทั้งวัน ถ้ า, ม, า, า, ม, บบามีเวลาว่างก็นั่งแบบตาแวก็ต้องโทรต่อไปคำถามต่อไปจากแม่ชีนับประพัดไม่ฆ่าเองไม่มีเจตนาฆ่าไม่เาขาฆ่าสัตว์เพื่อเราแบบนี้ถูกต้องไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ฆ่าเราไม่มีเจตนาเช่นเราขับรถไปล้วสุนักเส้นตัดขัดหน้ารถเราเหยียบสุนักตาย ไม่มีเจตนาที่จะทาให้เขาตายแต่เขตายเพราะอุบัติเจอย่างนี้ก็ไม่บาปคนอ่งฆ่าให้เราโดยที่เราไม่สั่งก็ไม่บาปเช่นแม่พ่อท่าแม่าพ็อฆ่าเป็ดฆ่ากกไก่แล้วามาขายเราซื้อมากินอย่งนี้นก็ไม่บแต่ถ้าเราสั่งพ่อพ่อฆ่าแม่ฆาพวกนี้าวไก่สามตัวเนี่ยงนี้ยี่บาพาพวนี้ครับจะต้องไปฆ่าเพื่อเอาไก่มาให้เราสตัว คำถามต่อไปจากคุณแทนแทนกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการถวายน้ําและผลไม้พระพุธจะมีอณนนิสงด้านไหนบ้างครับไม่ดีเลยไม่ดีเลยพะพุธไม่รู้เรื่องมูลนิธิพระเจ้าต้องการให้เราบูชาในการปฏิบัติบูชาให้เราทําทานให้ได้ยาถวายน้ําให้กับพระพุธเราไปถวายให้กับพระสงฆ์แทนเมื่อตอนนี้คนยากคนจนเนี่ก็เอาไป พาหนาไปจกจายเป็นหน้าคุงสนพอเข้าสารหน้าอาหารแห่งสกัดจัดเรียกว่าทำทานอันนี้เรียกว่าเป็นการดูชาวพวุา่มพุ่มยากด้วการปฏิบัติดูชาคำถามต่อไปจากคุณขุณนพลนั่งสมาธิแล้วเวลาหายใจคอยแต่จะจะอึบหรือหายใจอ่อนเบาลงขอคําแนะนําครับก็ให้เลื่อยเฉยไม่ต้องไปควบคุมนครับมันจะเป็นยังไงได้เลื่อยเฉย ต่อไปจากคุณโววารีขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคุณพ่อป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหลงไม่ยอบสภาพตามความเป็นจริงจึงก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นและกระทบหลายฝ่ายเราพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เชื่อไม่ทราบจะทำอย่างไรดีค่ะ หากเราปล่อยให้คุณพ่อได้รับรู้ถึงปัญหาด้วยตัวเองเผื่อจะได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งน่าจะทำให้ทุกใจแต่ถ้าเราไม่ทำตามใจจะถือว่าบาปไหมคะไม่บาปเราปล่อยไปตามเมื่อท่านคถามต่อไปจากคุณฟัดบอยสลิมสอบถามพระอาจารย์ครับกำหนดต้องนั่งสมาธิทุกวันสี่สิบนาทีขึ้นไปแต่ต้องเลี้ยงลูก ว่ห้าขวบกับเจ็ดขวบขณะที่นั่งบางครั้งลูกแกล้งมากอดมานอนทับเราไม่ถือสาแต่ลูกเราจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกไม่รู้เรีสาไม่มีเจตนาคำถามต่อไปจากคุณอนุสรการเมตตาที่ถูกต้องในพุทธศาสนาน้อมนำปฏิบัติเช่นไรขอรับก็มีสีลักษณะ การให้อภัยไม่จองเวรก็เป็นการให้ความเมตตาการไม่เบียดเบียนผู้อื่ก็เป็นการให้ความเมตตาการไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อก็เป็นการให้ความเมตตาแล้วก็สุดท้ายก็การให้ความสุขแก่ผู้อื่ก็เป็นการให้ความเมตตมีสี่ลักษณะคำถามสุดท้ายจากคุณเล็กนั่งพุทโธจนเหลือแต่คำภาวนา ตัวตนหมดไปความรู้สึกหมดต่อไปทาอย่างไรครับก็พูดโธวต่อไปจนกม่าจะนิ่งจ่าว่าจะไม่มีวามคิดถ้ายังคิดอยู่ก็พูดโธวต่อจนกว่นั้นความคิดหายหมดก็หยุดพูดโธได้หลานั้นมาดีทาหมดเวลาก็หมดระดูสาหรับคืนนี้ประมาณสามท้าทุ่มับานาทีมช่วยเราพอสมควรแก่เวลา มาให้กัน้มาส่งที่กันเลยดีกว่าที่ี